จเจริญท่านสาธุชนพุทธบริษผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านคืนนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพบปะ ก, กันมาส น, น, าทานทานทาธรรมถามตอบคำถามในแง่มุต่างๆของธรรมะที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนก็ํำให้เกิดประโยชน์สุขแก่จิตใจของพวกเราทุกคน ท่าแรกของคืนนี้ก็คือคุณพุญญาณุนะเชิญคุณพุญญาณุณณนะลูกเข้ามากราบค่ะพระาอาจารย์ลูกไม่มีคําถามค่ะเปไปที่ ค, คุณหมอพี่เชษเนชะิญคุณหมอพี่เชษจ้ามัส ก, การพระอาจารย์ครับก็วันนี้ก็มาร่วมฟังธรรมะจากพระอาจารย์ครับไม่ไม่มีคําถามครับพระอาจารย์โอเค งั้นต่อไปคือสาธกาะคุณสาธกาะมาฟังคำครับอาจารย์พระอาจารย์คะที่ลูกนั่งเหมือนที่เคยบอกพระอาจารย์นะคบคือนั่งพอนั่งไปปุ๊บแล้วมันก็ว่างแล้วมันก็จะเป็นลนักษณะถอนเหตใจตลอดเลยพอเสร็จแล้วก็ว่างก็ถอนเหตใจว่างแล้วก็ ถอในใจมันเป็นเองอย่างเงี้ยตลอดเลยพระจันแล้วมันก็มันก็แบบค่อยค่อ ย, อยเหมือนมันยิ่งยิ่งสงบสงบไปเรื่อยๆค่ะประจันไม่เป็นไรใช่ปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้มันสงบให้มันสบายให้เย็นมันมันเหมือนว่าเหมือนคนนอนหลับแต่ว่ามันไม่ได้หลับอะจะอยู่ประมาณ ข, ขออย่าให้คิดอย่ายคิดเรื่องราวต่างๆให้จิตนิ่งสักแต่ว่ารู้ คือคือมันมันปุดขึ้นมาแต่ลูกก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเหมือนที่อาจารย์สอนนะลูกก็ดูแต่สวดสวนแล้วก็ดูลมก็ดูลมไปะอะไรเฉพาะกดขึ้นมาเ็าไม่ต้องสนใจก็ทำประมาณนี้ตลอ ด, ดจ้ะอาจารย์เมื่กว่ามันทุกอย่างจะสงบตัวก็ต้องอยู่ก็ไม่ต้องสวดไม่ต้องดูลมถ้จิมันเง่งแล้วมันเบามันสบายแล้วมันก็ไม่ต้องทำอะไร มันอยู่ในสภาพของการพักผนก็ปล่อยมันพั ก, พ ก, พกให้นอะนที่สุดท่าเป็นจะประมาณเหมือนพักผ่อนอย่างที่อาจารย์บอกค่ะอพอตื่นได้พอลืมตามก็สดชื่นดีทุกครั้งนะคะอาจารย์ได้ทาไปเรื่อยๆนะค่ะขอบคุณค่ะโอเคเจ้าแม่อนเจต้ยู่ที่สีอ่างชาติแบบนี้นะคบ วันนี้ผมมีคําถามครับตอนที่ผมนั่งสมาธิครับแล้วก็ผมได้เสียงดังแล้วก็ผมตกใจนะครับแล้วก็ผมแปลว่าผมไม่มีสติใช่ไหมครับถ้ามันเป็นของที่เกิดขึ้นปลุก ป, ปั่นก็เป็นเรื่องปกติของจิตที่เขาจะต้องตกใจแต่ถ้ามีสติมันก็จะเน่นต่อไปพอตกใจแล้วก็เน่นเฉยๆไป ไม่ไม่ต้องไปตื่นตระหนถ้าตกใจเพลงรับเดียวแล้วได้สติกับขึ้นมาแล้วก็นิ่ ง, งๆเฉยๆรับรู้ว่าเป็นเสียงที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาไม่ต้องไปมี reaction ไม่ต้องไปตอ่นนะให้นั่งเฉยๆต่อไปอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับไป เราห้ามมันไม่ได้มันเป็นสภาวะธรรมเป็นปรากฏการณ์ธมธรรมชาติภายในใจของเราก็เป็นเหมือนกับภายนอกภายนอกเราก็มีฝ้าร่องฝ้ภาผ่าเปี้ยงมอนในใจเราก็มีแบบนี้ได้ก็ให้รู้ว่ามันเป็นเหมือนฝ้าร่องฝ้ภาผ่าไปนะไม่ต้องทําอะไรนั่งต่อไปดูลมแล้วพูดถดต่อไปอใจนะมีอะไรไหมย มีขั้นพังครับที่พระอา จ, จารย์สอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรารอะครับเราเป็นอินฟิสิเบลแมนที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายครับเ อ, อเราอินฟิสิเบลแมนของเราเข้ามาทางลมหายใจเข้าออกใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกเป็นกระแสวิญญาณเป็นเหมือนเป็นเหมือนกระแสวิทยุแบบที่มือถือเนี้ยเมื่อถือเวลาเขาติดต่อกันเขาก็มีกระแสวิทยุใช่ไหม จิตใจก็มีกระแสวิทยุที่มาเกาะที่ตามจมูกเนื้อายแล้วพอลูกเสียงกีดลอดมาสัมผัสทันตาหูจมูกเนื้อง่ายกระแสวิทยุนี้ก็จะส่งกลับมาที่ใจส่งกลับมาที่อินเวสโซแมนอินวสก็จะได้รู้ว่า อ, อ๋ตอนนี้ได้ยินเสียงตอนนี้ได้เห็นภาพอย่างตอนเนี้ย คนที่เห็นภาพจะยินเสียงไม่ใช้ร่างกายร่างกายเป็นเพคนเป็นเครื่องมือเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปตามันเปกล้องถ่ายรูปแต่คนที่ถ่ายก็คือคนยูเซอร์นะคนที่ใช้ใช้กล้องถ่ายรูปร่างกายนี่ก็เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปที่อินเวสต์แมนใช้ให้พาไปถ่ายรูปต่างๆมิวสิโอไปถ่ายภาพต่างๆ แล้วก็ส่งมาให้ที่ invisible man ดู invisible man ดูแล้วก็เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาแตาเห็นรูปที่ชอบก็ดีใจใช่ไหมเห็นพ่อเห็นแมน่ดีใจเห็นครูเนงทีกลัวใกวครูนะร่รางกายไม่ได้กลัวนะร่างกายไม่ได้ดีใจคนที่ดีใจและเสียใจก็คือ invisible man คือเราเนี่ยเราอยู่ในขั้น invisible man มั่นในเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่ได้เกิดมันก็ไปไม่ถึง invisible man มันตอนเนี้เราอยู่ที่นี่แล้วแม่อยู่ที่บ้านถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเรามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับแม่ที่มา <c oughs> uh, invisible man กับร่างกายก็เหมือนกัน อยู่คนละอยู่คนที่กันอยคนละโลกเราอยู่ร่างกายอยู่ในโลกโลกโลกนน้ำลมไฟเาเรียก่โลกกระทานียแตใจอยู่ในโลกทิพย์ีอกคนลโลกกันอะไรเกิดขึ้นอย่างร่างกายก็ไม่เกิดไม่ไม่ไปกระทบกับอินวิสิบลอินวิสิบาไม่ต้องกลัวอะไรันไม่มีอะไรที่จะทำอินวิสิบูลแมได้ นอกจากความหลงความหลงผิดของอินวิสุมาห์เราคิดว่าตนเองเป็นร่างกายแล้วเนี่ยจำแม่จำแม่ที่ว่าร่างกายนี้เป็นจำแม่ใช่ไหมไม่ใช่ครับเมื่อก่อนนี้มีจำแม่ก็คิดว่าเป็นร่างกายเป็นจำแม่ใช่ไหมเมื่อต่อเนี้ใช่ครับ อ, อย่างนี้รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่นะจำแม่เป็นอินวิสุมาห์ เหมือนซูเปอร์แมนนะฮะซูเปอร์แมนมีน ใ, นใครทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นวิซูเปอร์แมนนี้ก็ไม่มีใครทำอะไรได้นะฮะังไแต่ร่างกายนี้ในที่สุดก็ต้องก็ต้องถูกทำลายไปเป็นเหมือนโทรศัพท์เป็นเป็นเหมือนเครื่องมือที่ใช้ไปแล้วต่อไปเป็นก็นเก่ามันก็ต้องพังไปใช่ไหมงั้นต้องเข้าใจเราต้องยอมรับความจริงของร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจื่อมแล้วก็ต้องจ่ายไป ในร่างนะกายของพ่อร่างกายของแม่ต้องต่อไปก็ต้องไปก่อนเราแต่แต่ตัวพ่อตัวแม่ไม่ได้ไปกับร่างกายตัวนพะ่อนตะัวแม่ก็ถ้ายังยังอยากจะดูอยากจะฟังอยู่ก็ต้องไปหาร่างกายนะเข้าใจไหมยังไม่ต้องกลัว <c oughs> แต่ดูแลร่างกายให้ดีรักษาไว้ให้ดีนะ แต่ถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับมันถ้ามันเป็นสิ่งเหตุสุดวิสัยที่เราป้องกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเสียใจนะถ้าถ้ายอมรับความจริงรับใจจะไม่ Invisible Man จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์นะเราอาไปสอนตัวเองดูนะเวลาเห็นใครีค้คนที่เราเห็นไม่ใช่ตัวคนที่เรารู้จัก เราเห็นร่างกายของเขาแต่เราไม่เห็นตัวเขาเพราะตัวเขาก็เป็น invisible man invisible woman ครับครับพยายามจาไว้นะครับครับ ม, มีมีอีกคำถามหนึ่งค่ะพระ อ, อาจารย์อยพอเวลาที่เราจเจริญสติบ่อยๆเข้ า, ขาพ่ะพระอาจารย์ มันจะมีสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเริ่มสังเกตเห็นนะคะว่าเวลาที่มีอะไรมากระทบใจะคะ่ะมันทําให้เรามีความทุกข์อ่ะมันจะเห็นเร็วมากะคะ่ะว่าใจเรามันเริ่มทุกข์แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันก็จะมีความรู้ที่ผุดขึ้นมานะคะ่ะพระอาจารย์บอกว่าเพราะเราไปเห็นขัดแย้งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกครั้งมันเลยทําให้เรามีทุกข์ คือก่อนหน้าเนี้ยไม่เคยคือก็ฟังก็เข้าใจะคะ่ะว่าเห็นมันตามที่มันเป็นจริงนะคะแต่มันไม่เคยลงไปอยู่ในใจเหมือนกับครั้งนี้ที่เราเห็นจากตัวเราจริงๆว่าอ๋อเราไปเห็นมันขัดแย้งไงคือเราต้องเห็นมันตามความเป็นจริงนี่แหละเราถึงจะวางใจลงได้เราไม่ถูกค่ะแบบเนี้ค่ะมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาจากการฟังหรือว่ามันมันเป็นปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาเป็นการเจริญทางธรรมนะคะพระอาจารย์ ถ้ามันดับความทุกข์ได้ตอนนั้นก็เป็นปัญญาถ้าทุกปั๊บรารู้ว่าทุกข์เกิดจากความอยากเอะไรอยากให้มันเป player, ็นอย่างอื่นผลจบอยากย้ายมันไม่จบอย่างนี้เราไม่ไม่สบายใจเพราะรู้ทันทีว่าอ้อเราไปเสือกเองเราไปยุ่งกับผลเองเราก็อยู่เสือกค่ะเหมือนเราเราไปเห็นขัดแย้งอะค่ะขัดแย้งกับควานจริง คือพอตอนเนี้แล้วก็เลยกลายเป็นว่าจากอะไรที่เราเคยลาคาใอะไรที่เราไม่อยากเห็นเราเห็นได้ค่ะเพราะเราไม่ได้ไปรู้สึกอะไรกับมันแล้วใช่เราเราดูได้ทุกอย่างว่าเราเฉยเฉเรายอมรับความจริงนั่นแหละถูกต้องนะเรไยกว่าเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกเกิดจากความอยากเห็นทุกหาไปก็เราเรายอมเราเห็นใจรักเราเห็นนิจจะมนัค่ะ แล้วมันเกิดที่ใจอะค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็ดับลงที่ใจเรานี่แหละใช่นั่นแหละถึงเข้านี่แหละที่ว่ามีดวงตายเห็นทำให้เห็นแบบนี้แหละที่จะเห็นกับทุกเรื่องหรือเปล่าก็มาดู้นะเกิดใครมาขโมยแฟนไปนี่จะจะเห็นหรือเปล่ากไม่รู้เลยสต่ว่มันยังต้องเจริญสติอยู่เรื่อยตเลาพระอาจารย์ค่ะใช่ใช่คือถ้าไม่เห็นถ้าเผยเมื่อไหนก็เดี๋ยวก็โอนให้ค่ะใช่ใช่อันเนี้ค่ะต้องแบบต้องมีตลอดเวลาค่ะ มาทุกทางแล้นะค ะ, ะมาถูกทางแล้วแต <c oughs> ่ว่าต้องพยายามพิจารณารูปเตื้อซ้อมไว้ก่อนนี่เ่าซ้อมไว้เผื่อวันหนึ่งแฟนต้องไปจากเราไปเราจะทํายังไงเราจะโวยวายฟูมฟายหรือแบบแต่ลูกเราต้องปาดจาดเราไปจะทำยังไงลองซ้อมไว้เตรียมพร้อมพร้อมต้องพัพพากาจัดทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ช้าก็แบบเราไม่ไปก่อนเราเราก็ไปก่อนเรา หรือไม่ ง, มงันเข้าไปพร้อมๆกันกรณีแค่นี้ น, <c oughs> น่าเตรียมตัวสารใจอยู่เรื่อยสามความจริงที่เกิดขึ้นเอความจริงเกิดขึ้นก็อะก็เป็นอย่างนี้ก็รู้อยู่แล้วค่ะค่ะไม่ขัดแย้งค่ะไม่ต้องมาถามว่ายว่ายทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนี้เขามันเป็นอย่างนี้นะย่าไปถามว่าทําไมทำไมนะยังมามันไม่มีทําไมหรอกโลกนี้มันไม่มีทําไมมันมันเป็นอย่างนี้น่ะ อะไรเกิดก็เกิดมันมีเหตุมีปัจจัยทําให้มันเกิดมันก็เกิดมีเหตุทำให้มันดับมันก็ดับนะนี่อาจจะไม่มีเหตุผลนะไม่ไม่ต้องไปหาคําตอบไว้หรอกต้องหาหาคําตอบคือทําไงกับมันปฏิบัติกับมันยังไงให้ไม่ให้ใจเราทุกข์ไม่ให้ใจเราเสียใจเพราะนั้นแหละมาถูกทางแล้วนะพยายามนี้ยอมรับความจริงนะนอมรับความจริง ใครด่าก็ไม่ต้องไปถามว่าทำไมเขาต้องมาด่าเราเพราะเขาด่าแล้วแล้วเราทำยังไงเราโกรธเขาหรือเปล่าหรื่อเราเฉยเฉยรับใจนะครับใจโอเคตังไงว่าตั้งแต่ว่าฟังธรรมานี่รู้สึกฉลาดขึ้นั้มได้ปัญญามากขึ้นไัมฉลาดขึ้นครับ ไม่มีใครสอนใช่ไหมเรื่องราวเหล่านี้ที่โรงเรียนก็ไม่มีใครสอนไม่มีเลยไม่มีค่ะไ ม, ไม่มีนะหลังจากมีพระพุทธเจ้าคนเดีย ว, วที่สอนอย่างนี้เราต้องกราบพระพุทธเจ้าขอบคุณพระพุทธเจ้าทุกคืนทุกวันนะก่อนนอนก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่ให้ความรู้กับเราเพื่อให้เราได้มีที่พึ่งทางใจไม่ทุกข์ไม่เหลือล่อนร้อนกับเรื่องราวต่างๆโอเคนะครับ ขรขบคุณขาต่อไปอย่าทิ้งนะของดีของวิเศษครับครับคุณวิลายพรโยงหญิงกอทํามออำเภอตะมนตรสายสองคุณสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเอ่อโยไม่มีอะไรค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์แล้วมาฟังธรรมค่ะแล้วก็รายงานพระอาจารย์ว่าตอนนี้ก็เอ่อตื่นตอนเช้าก็ก็ถวทมนภาวนาแล้วก็ก่อนนอนก็ทําอยู่ทุกวันค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วแล้วแล้ว ระหว่างวันก็เจริญสติตลอดค่ะก็อาจจะมีหลุดบ้างพอหลุดบ้างก็รู้ว่าหลุดแล้วก็ดึงดึงดึงใจกลับมาค่ะพระอาจารย์แล้วก็ย่งสมาธิให้จิตนื่งใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ยิ่งบ่อยๆสงบบ่อยๆนี่ยิ่งสงบมากเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะตอนสร้างความสงบก่อนตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องทังวลเรื่องปัญญามากเอาความสงบเอาสตินะค่ะพระอาจารย์กล่าวธรรมสการพระอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ เช อ, จจ อ, ไไอาจารย์รงพิเลคอทมอรเป็นยังไงคนนุณลูกบุญสบายดีเหรอออนุโมทนาค่ะพระอาจาราย์สบายดีค่ะอนุมทนาค่ะพระอาจารย์สบายดีค่ะพระอาจารย์นวันนี้พอเปิดขึ้นมาก็ดีเลยนะคะมันสอดคล้องกับที่เมื่อคืนนี้ที่คนต่างชาติก็บนระยะสั้นๆเหมือนกันตู่ต่อสู้กันทุกสมุทรไทยกับทุกงช่วยกับมารกว นิโรค่ะแล้วก็โฟเอเลเมนส์นะคะที่ที่รู้สึกว่าเออลงไปลึกขึ้นแล้วก็จอดคล้องดี hmm. เลยไว้รู้สึกว่าได้ได้เน้นย้ำนะคในการปฏิบัติจริงมันไม่ลึกเดีมันเราเห็นกับตาทุกวันแต่เราไม่ไปเห็ น, นว่าเป็เ น, น้ำหรือไฟเราไปนึกว่าเป็นต้นไม้เป็นคนเป็นเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไร <c oughs> อะไรจริงมันเป็นดินน้ำนะูนไปทั้งนั้นน่ะ ไม่มีดน้ำลมไฟมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าพวกนี้ใช่ไหแต่พูดกับใครก็เ้าว่าตึกนะใครใครวันนี้ก็เอาแต่ไปพูดเหมือนกันเพื่อระงับความรู้สึกของของคนในบ้านอะไรเงี้ยนะคะการธรรมะของเจ้าเนี่ยสำหรับวินยูชนนวินยูชนคือคนฉลาดถึงจะเข้าถึงได้คนง่อเข้าไม่ถึง มันงงเนี่ยต้องคอยจำํำต้องคอยจําที่จำใช่คอยบวกคอสอนไปแล้วพักหนึ่งก็าจะเข้าใจแต่ถ้าเป็นวิญญาณชนพอพูดปั๊บจะเข้าใจทันทีคเข้าใจแล้วมันอะไรก็สบายขึ้นทุกอย่างก็มันเบาไปหมดมน<ฆ>ตัวตวนหายไปหมดของเรา<ฆ>หายไปหมดก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรเป็นของเรา <c oughs> ไม่มีอะไรเป็นตัวตว น, นเราไป เ, เคลมขึ้นมาเอง ไปอุเร<ะ>ียกอุจอจารแต่เป็นสิ่งที่เข้าใจยากไงคะ่ะกับกส่วนใหญ่คนศึกษาพุศา ส, สนาก็ไม่ได้ลงไปในอดีตที่ศึกษากันนะะั้นค่ะส่วนตัวก็เหมือนกันก็เข้าใจผืนๆพอลงไปลึกๆเข้าแล้วเนี่ยก็เข้าใจนำมาไปปฏิบัติแล้วก็ใช้ในชีวิตเนี่ยมีชิ้นเป็นชีวิตที่มีความรับรู้ น, นะนะสบายจิตสบายใจ ก็ว่าง่ายด้วยใช่ดีมา ก, ยกาพยายามรักษาความรู้นี้ให้อยู่กับใจไปตลอดเวลามองอะไรเห็นอะไรของใครเราต้องรู้ว่าเรากําลังดูเห็นธาตุสีน้ําลมไฟธ<ฆ>าตุห้าเรามองไม่เห็นะแต่เป็นผู้ขับเคลื่นดินน้ําลมไฟถึงี้ผู้ับคลื่นน้ําไกาค่ะ<ฆ>ดีมาก ถ้าไม่เผลอไม่เรียนในเวลาเการอะไรเกิดขึ้นจะไม่ตกใจจะไม่ตื่นเลยผมพยายามคิดเสมอว่าอะไรที่ผ่านเข้ามาหรือมีบทเรียนที่ต้องมากระทบมันนะคะก็มองเพราะยังจําคําพระอาจารย์ตั้งแต่สมัยเป็นสิบสิบปีที่แล้วนะคะว่ามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้จําได้เคยไปกราบพระอาจารย์บาพคุณพ่อเสียนิมนต์พระอาจารย์มาอาจารย์บอกอยู่ที่ไหนก็เหมือนกัน ก็จำมันนั้นไว้เลยว่าอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันในในทุกเรื่องขอให้จิตเราตั้งอยู่ในที่ที่ถูกต้องเดจิตเราอยู่ในปัจจุบันนะตอนที่ทำดีส<ฆ>ุค่ะแล้วก็ให้รู้ทันปัจจุบันรู้ว่าปัจการแปลกวนของธาตุสี่ธาตุห้าธาตุทั้งหกธาตุทั้งห้ามีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ค<ฤ>่านนั่นเองไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นี้ค่<ฆ>ะโอเคน ะ, ะกกค่ะกลับมาพิการค่ะเราพูดค่ะไปเที่ยวคุณดาวคุณหอดาวแต่วันราชธ า, า น, นีค่ะ<ต>พูดได้แล้วแต่พรดแต่<า>พูดดังนั้นต้องเข้ามาใกล้หน่ อ, <า>อยสิเนี่ยนะคะ กลับนามาสักการค่ะได้ยินไหมคะพระอาจาร ย, ย์ชัดเจนเลยชัดเจนเลยคือค่ะพอดีวันนี้หนูมีคําถามมาค่ะว่าพอดีไปเอ่อเขาเรยก d i s c u s กับเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วเรามีความคิดไม่ค่อยเหมือนกันตรงที่ว่าหนูเนี่ยฝึกฐานกายเป็นอันดับแรกของสติปัญฐานแต่เขาฝึกดูจิตเป็นฐานแรกคราวนี้ก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยถ้าสมมติเราจะเข้าสู่ทางไปนิพพานเนี่ยจําเป็นต้องฐ่านทั้งสี่ฐานไหมและ ค่ะอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาเชี่ยวชาญการดูจิตแต่หนูบอกว่าเฮ้ยแกต้องดูกายก่อนนะไม่งั้นมันจะละสักยะทิฏฐิได้ยังไงก็เลยค่อนข้างมีความแบบไม่ไ ม, ไ ม, ไม่คิดเห็นไม่ตรงกันก็เลยจะถามพระอาจารย์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรผ่านฐานกายก่อนหนูเข้าใจถูกไหมคะแล้วก็อย่างที่สองคือเราเราจำเป็นต้องผ่านทุกฐานถึงจะเข้าสู่นิพพานหรือว่าไปประตูไหนก็ได้คะ่ะเอ๋อไม่ได้เหรอมันต้องผ่านเน้อเนียนปัญญาเนี่ย ต้องผ่านตีก่อนถึงจะไปโทรได้อยากโทถึงจะไปเอกได้นี่นองการนี้เป็นหลักสูตรปัญญาตรีนะเวทนาเป็นหลักสูตรปัญญาโทแล้วก็จิตเนี่ยถึงจะเป็นหลักสูตรปัญญาเอกันนี้ก็เห็นนะเห็นด้วยสัญญามันนะมันก็ไม่ได้เห็นด้วยปัญญาก็าไม่ได้เห็นตัวจริงของจริง หนก็ไม่น่าใจคุเนี่ยเขาบอกว่าเห็นเกิดดับเกิดดับเป็นไปหมดเลยเข้าบ้าไปนย่างนั้เกิดดับเกิดดับก็เลยหนูไม่รู้ว่าไม่รา้การดูจิตดูเพื่อดูเพื่อให้มันสงบให้มันนิ่งไม่ให้มันโลดโกลด์หรอกไม่ใช่ดูให้มันเกิดดับเกิดดับเห็นความโลดเกิดดับเกิดดับดูไปทำไม แล้วถ้าเราจะถึงนิพพานเนี่ยเราต้องผ่านทุกฐานถูกต้องไหมคะพระอาจารย์ก็นังไงสักกายสีติก็อยู่ฐานกายก็เมตนาก็อยู่ฐานเกิดเก็อยู่สักกายทิฏฐิกค่สองขั้นเนี่สกกยสองขั้นแรกนี่ก็เกิดสกกายทิฏฐิเมตนาก็ขนำมาขันใช่ไหมกายก็้รูประขันเนี่ยแล้วก็จิรแล้วก็อสุภาก็ยังกายก็ยังอยู่ขัข้นกายสามขั้นแรกเนี่ย อ่าโซโดาสกิดาคาอนาคา t ี i ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องกายยังผูกพันติดเกี่ยวอยู่กับร่างกายต้องสอนจิตให้ตัดให้ได้ค่ะคราวนี้อีกคําถามหนึ่งนะคะก็คือหนูสงสัยว่าที่หนูได้ฟังมาคือการวางจิตเป็นกลางเนี่ยมันเป็นหนึ่งในทางที่เราควรจะทําในการปฏิบัติแต่คราวนี้ยพอฟังไปฟังมาบอกว่าไม่เอาทั้งบุญไม่เอาทั้งบาปไม่เอาทั้งกุศลไม่เอาทั้งอกุศล ซึ่งมันแตกต่างจากความรู้ทางโลกของเราที่ว่าเราควรจะทํำกุศลแล้วก็ละอกุศลแต่พ้าระวังจิตเป็นกลางคือไม่เอาทั้งสองทางนี่มันหมายความว่ายังไงคะอาจารย์หมายถึงคนที่ถึงฝั่งแล้วคนที่ออถึงปานิพานแล้วออคนที่ถึงนิพพานแล้วไม่ทําบุญไม่ทำบาปไม่ทําอะไรทันะ้งนั้นคือไม่ได้ทําด้วยเจตนาที่อยากจะเอาผลจากการทําบุญอะไรแต่ทําเพราะเป็นประโยชน์สุขของผู้ก็ทําไปทั้นี้ อ๋อแต่ถ้าเรายังปฏิบัติอยู่เราก็เน้นทํากุศลอ่าก็เหมือนกับคุณยังไม่ถึงสั่งคุณจะไปเอาเรือทิ้งทิ้งเรือแล้วว่ายไปโอเคค่ะไอ้เงั้นเราต้องถึงต่อและอีกคําถามหนึ่งค่ะว่าการไม่ส่งจิตออกนอกคือเราต้องดูที่กายใจตัวเองเนะะี่ยค่ะแต่หนูก็เห็นผู้ปฏิบัติหลายคนเขาก็ใช้เจโตแต่ก็คือใช้เพื่อช่วยคนนะคะใช้เจโตแล้วก็ถอดจิตไปดูโน่นดูนี่อย่างนี้มันไม่ใช่การส่งจิตออกนอกหรอคะอาจารย์ เอานอกคือมันอยู่ในอุปจารสมาธิแล้วก็มันก็ไม่เป็นประโยชน์มันไม่ได้สร้างฐานให้กับจิตสัมมันได้สร้างอุเบกขาให้กับจิตไว้สําหรับใช้ต่อสู้กับกิเลสตรงนี้จะไม่มีกําลังเวลา ก, กิเลสเกิดขึ้นบ้านนี้จะสู้ไม่ไหวค่ะเอาอันี้อีกการหนึ่งก็คือที่ที่หนูเป็นล่าสุดนี่คือตอนนั้นหนูขับรถอยู่ปกติหนูก็พุทโทรธรรมดาแต่หลงังๆพุโทโธมัน มันไม่ต้องบริกรรมแล้วก็ได้ค่ะแต่ว่าหนูก็เลยเปลี่ยนมาว่าหนูพิจารณากระดูกพิจารณาเป็นแบบกล้ามเนื้อเราค่อยคอย่คือตั้งแต่หนังแล้วก็เข้าไปที่กระดูกแล้วก็เข้าเอ้เข้าไปที่เนื้อก่อนแล้วก็เป็นกระดูกกาลังขับรถอยู่ดีๆคราวนี้มันมันเข้าไปเข้าหนุมไม่แน่ใจว่ามันเข้าไปอะไรแต่หนูจ ะ, จะ จะขับรถไปชนคนอื่นนะคะเมื่อเหมือนกับมันไม่มีสติอยู่กับกายขับรถมันมันไปเร็วมากมันเข้าไปเร็วมากจนหนูรู้สึกว่าอันตรายก็เลยว่าโอ้ไม่กล้าไม่กล้าพิจารณาระหว่างขับรถแต่ว่าพุทโทนี่ยังพอไหวเพราะว่ามันยังมันยังอยู่กับกายอยู่อ่ะคะ่ะหนูก็เลยโอ้เมื่อทำเมื่อเราทำอะไรไต้องมีสติค่ะก็เลยแบบไม่เอาแล้วต่อไปเราจะขับรถก็คืออยู่กับอิริยาบถอะไรอ่าเงี้ยค่ะ จะพิววาจารณาต่อเมื่อเราอยู่ในที่ปลอดภัยเช่นเดินจงกรมเนีพิจรารณาได้แต่หนูเคยพิจรารณาอาสุภะตอนขณะเดินจงกรมมันก้าวขาไม่ออกเลยค่ะพระอาจารย์มันก้าวไม่ได้เลยค่ะก็ยืนพิจรารณาไปข อ, อ, อยืนเอาอพิจรารณาไปแล้วก็มีช่วงที่หนูบอกพระอาจารย์แต่ว่าหนูอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่หนูแบบ กลัมาฐานก้าวหน้ามากๆแล้วหนูก็โอ๊ยินดีดีใจกับสภาวะตัวเองแต่หลังจากที่หนูเจอเรื่องทุกข์ที่หนูแก้ไม่ได้อาคาดพยาบาทหนูก็กลัมาฐานเสื่อมหนูก็ทุกข์ใจกลัมาฐานว่าทายังไงมันจะกลับคืนมาคราวนี้พอมันหนูฟื้นกลัมาฐานพ่อไปแก้สีอะไรกลับมาได้ปกติหนูก็เริ่มทุกข์อีกว่าเมื่อไหร่มันจะเสื่อมอีกนะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยค่ะหนูเพิ่งมาเกิดปัญญาขึ้นมาว่า จริงๆแล้วเนี่ยหนูไปยึดสภาวะธรรมที่หนูทั้งได้ทั้งไม่ได้ทั้งเสื่อมไปหนูก็ทุกข์พอได้มาเราก็ทุกข์อีกหนูเลยเลิกเลยค่ะเลิกเลยหมายถึงว่าจะได้หรือไม่ได้วันนี้จะสงบไม่สงบก็ช่างมันเราทำเต็มที่ทุกวันทำตามวินัยของเราทุกวันไปปรากฏว่าไอ้ทุกข์ที่เราเคยทุกข์กับการหวั่นระแวงว่ากรรมฐาน ม, มันจะเสื่อมหรือวันนี้จะเข้าได้ไม่ได้เนี่ยมันหายไปหมดมันกลับ มันกลับสงบง่ายขึ้นแล้วเข้าละเอียดเข้าลึกโดยที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเมื่อก่อนเราหนูจะคาดหวังมากว่าโหวันนี้มันต้องได้ดีกว่าเดิมต้องแบบเลิศกว่าเดิมอะไรเงี้ยหาะหนูก็เลยว่า อ, อ๋อจริงๆแล้วมันก็คืออย่างนี้นี่เองคือแม้กระทั่งสภาวะธรรมก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันมันควบคุมไม่ได้แล้วก็มันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดหลังจากที่หนูจิตมันเริ่มยอมรับอะอต้องปล่อยต้องไม่ยึดมานนะมันก็กลับเป็นว่า การมาหาเราก็กลายเป็นดีขึ้นนะคะก็เลยเรู้สึกดีค่ะเราควรจะบำเพ็ญที่เหตุ๋ยวไปคำวัที่ผลวันเกิดจากเหตุค่ะก็เลยว่ามีสติถ้าเรามีสติตามเรื่องเดี๋ยวผลก็เกิดขึ้นเองค่ะก็ไม่มีอะไรคะ่ะเดี๋ยวหนูเตรียมตัวไปกราบพระอาจารย์สัปดาหนะ์หน้าค่ะเมื่อสองวันก่อนไี้เพื่อนเข้ามากราบใช่ค่ะเขามาเข า, า, าปฏิบัติที่โอชิโอนมอนจะมาเปิดอะไรมา มาทำํำที่หลวงพ่อโบเกตเนะหนูจะมาหนูจะมาตรวจสุขภาพทางสมองของหลวงปู่โบเกตแล้วก็พาหมอหัวใจมาเช็คสุขภาพหลวงปู่โบเกตก่อนขึ้นไปเชียงใหม่ค่ะโอเคดีมากเพราะพระเจ้าบอกถ้าอยากจะรักษาพระเจ้าให้รักษาภาพป่วยค่ะก็เลยมาแล้วก็เผื่อจะทําทําคลิปประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเจดีให้หลวงปู่โบเกตที่เชียงใหม่ด้วยค่ะ อะไรมาทำงานหลายงานแล้วกันนะงานภาวนาก็เอางานงานเงินก็เอาหนะแล้วมีจับปลาหลายมือหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้สักอย่างนะ ไม่ค่ะแต่ว่าแบบช่วยช่วยกันเจดีมันก็มีทีมของนาถะมาช่วยช่วยกันด้วยหนูก็เป็นอีกแค่แรงหนึ่งแต่ว่าเรื่องเรื่องหลวงปู่เกเกตเนี่ยหนูก็ยังงงอยู่เลยค่ะว่าหนูไม่เคยเจอท่านมาก่อนทํำไมถึงได้มาอุปัฏ า, ากลายเป็นหมอที่ดูแลท่านหนูก็ยังงง ง, งอยู่ไม่รู้เหมือนกันทุกทีเลยหรอไอทะเลถลายหรือเปล่าไม่ค่ะอันนี้คือหนูก็ถ้าเล่าเดี๋ยวหนูต้องไปเล่ากับพระอาจารย์โดยตรงจะได้ มันพูดไปเดี๋ยวมันจะมูโอเค่าขอารงรนะคะอัเกดเชิญชเกิดช่ไหมกิดกอนกิดกเนียสมการครับอาจารย์ครับเพิ่งกลับจากเที่ยที่นไปอยู่ได้สามสามวันสี่วันครับสี่วันก็ ก็ยังจเจริญสติอยู่ครับอาจารย์ mm hmm. ก็ทุกวันนี้รู้สึกรู้เท่าทันความคิดมากขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากอะไรละก็ถ้างานต้องทําก็ต้องทําแค่นั้นเองครับท <ำ S 1> ําำหน้าที่ไปทําเท่าที่ยังเป็นงานหลักของเราไม่ใช่งานแบบนั้นงานหลักของเราเป็นงานธรรมานารเราก็ต้องมีหน้าที่ทํางานต่างๆเพื่อสนับสนุนการอยู่ ของเรและของคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเราไม่มีคำถามครับอาจารย์งานนรรทัศนโ บ, บบนภัทรศการเจ้าค่ะพอาจารย์ค่ะวั น, นวันนี้ได้ฟังธรรมะบนเขาตอนช่วงบ่ายสองอ่ะเจ้าค่ะอาจารย์แล้วพอาจารย์ตอบคำถามชาวสิงคโปร์เป็นภาษาอังกฤษพอาจารย์บอกว่า ให้เราคิดว่าเราขึ้นชกมวยแล้วก็กําลังจะชกกับแชมเปิออนแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปชกให้เราซ้อมของเราไปแล้วสักวันหนึ่งเราจะสามารถน mm ็อกน็อกแชมเปีอยนได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ทําให้มีกําลังใจมากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะตอนแรกมันก็จะปลมุมลุกคุกคานเหมือน mm hmm. เหมือนกับเรากําลังเริ่มซ้อมเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่เราก็ยังมีความหวังว่าเราจะน็อกเขาได้สักวันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. อันนี้เราชว์คันลุ่มด้าก็ไปก่อนค่ะก็มีมีกําลังใจนะคะ่อเพราะเพราะเพราะมันก็มีกิเลสมันก็จะพาไปเรื่องท้อบ้างแต่ไม่ไม่ไม่ท้อนะจ๊ะค่ะพ่อจานยิ่งได้ฟังตรงนี้ก็จะจะไม่ท้อจ้ะค่ะอย่างน้อยเราก็ยังมองว่าเฮ้ยเราเราซ้อมไปเรื่อยๆต่อสู้เลื่อนลําดับชั้นไปเรื่อยๆจ้ะค่ะพ่อจันเราเป็น่วกมวยหันใหม่จะไปชิงแชมป์ทันทีมันไม่ได้มันต้องค่อยตายเข้าค่ะตอนตายจากเวทีเรียกไปก่อนอยากเวที อําอเภอแล้วไปเวทีจังหวัดแล้ไปเวทีประเทศแล้วค่อยไปเวทีภูมิภาคอะไรไปลงไลน์ถึงแปบนี้ค่ะค่ะเจ้าค่ะวพระอาจารย์แล้วก็วันนี้มีบททดสอบเจ้าค่ะพระอาจารย์คืออพอดีวันนี้มีเหตุกับคุณพ่อเจ้าค่ะก็คือคุณพ่อดื้อจะตอบต่อไฟเองลูกก็เลยบอกท่านว่าให้จ้างช่างแล้วท่านก็ เป็นถ้าเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็ทันทนันทานเบียร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะท่านก็ขึ้นเสียงกับเราแต่ภาวะที่เกิดขึ้นกับลูกคือลูกรู้สึกเฉยเฉย้วเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วมไม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางใจหรือว่ามันเฉยมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเป็นอุเบกขาหรือเปล่าเจ้าค่ะท้ามนุูยทันมันเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าเหตุการณ์ใดที่เราเตรียมไว้ก่อนมันก็เฉยได้เหตุการณ์อะไรล่ะเราไม่ได้เตรียมตัว น, นั้นโดนโดน โดนแยบเอาเข้ามันก็เนี่ย k n เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมจ้ะไม่น็อกก็อย่างน้อยก็เสียหลักนะเสียหลัก่ะอ๋อจะค่ะยังต้องมานพิจารณากับสภาว่าสต่าที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้จากจากคนนั้นจากคนนี้เจะค่ะพ่อจ้ะอ้ยังไอ้ยังนเรืั้งคนจะโทษตัวอะไรเราไปยุคงกับเขาทำไมเราไปเราไปแยบเขาก่อนนะ เราไม่ใช่อันนี้นี้พอไปยาทางแซนตานแล้วก็ตื่นได้เขาไม่เคยขอเรให้เราไม่บอกเข้าหน่อยเลยค่ะอันนี้ยอมรับเจ้าค่ะอาจารย์เราอันนี้เราเผลอไปว่าไม่อยากเราทายเลยแสนเลยค่ะจะ้าค่ะอาจารย์ใช่เราสอบกลับขึ้นมาค่ะดีเยไม่เราไม่ไดไม่ไม่ไม่ไม่ต่อยกลับไป เจ้าขาพ่อจ๋าไม่ตัดขาวันนี้มีเท่านี้เจ้าขาพ่อจ๋าพยายามเชยให้ได้เห็นใครก็ทำอะไรไม่ต้องเป็นแน่นทําของไม่ใช่เหลี่ยงของเราอันนี้คือไม่ต้องยุ่งเลยใช่ไหมเจ้าขาพ่อจ๋าก็ไม่ใช่เหลี่ยงของเราไม่ยุ่งก็นทําไมเพื่อเทนว่าเราไม่อยู่โรงงานก็รับการอืมเห็นไหมว่าเราไม่อยู่โรงงานก็ทําไหงเขาก็ทําเข้าไปใช่ไหมค่ะถ้าเกิดเราไปเข้าหงน้ำแล้วก็ทําอย่างนี้แล้ว มันเกี่ยวอะไรกับเราเปล่าได้จ้ะค่ะถ้ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทําก็ทําไปถ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราก็อย่าไปยุ่งอืหรือถ้าถ้าเข้าไปขอร้องเข้าไปขอคำปรึกษาแล้วไม่ทำไปให้คาปรึกษาอืมอม อ, มอันนี้เฉยอยู่เฉยสบา ย, ยแล้วไป ก็แย่เส <gibt> ียงทำไมแย่เส <me> <anya> ียงทำไมไปแย่เสียงดังเลยค่ะพาจารย์ช่างบ้านสงสัยตกใจเราเป็น้หตเรเป็นเหตุเลยไงเรับยิยาลำแทนนี่ค่ะเจ้าค่ะพระจารย์ค่ะกับาวขอพระคุณพระจารย์เจ้าค่ะน้ำนต์มนต์ก็เมาเอคืนนี้ก็เข้ามา พัศกรครับอาจารย์ก็เมื่อคืนก็อยากอยากได้ที่ปรึกษาครับอาจารย์เลยเข้าไปหาอาจารย์ทางสูงครับอังกฤษครับอาจารย์รรยก็แม่ก็ได้ย้อนฟังที่พอาจารย์อสอนเมื่อวานนะครับ mm hmm. แม่เขาขำกริ <c oughs> ๊งครับอาจารย์ที่อาจารย์ห n e ว่า o u r business อ่วมมือกันนี<ร>คุณนาพันธ์ก็เหมือนกันเนีน้ำมือก็เหมือนกันชาบไปยุ่กลยลงกันเรื่องของคนอื่นเขาทำไมเขาไม่ได้ขอร่างมาให้ไปยุ่งหน่อยนะคุณแม่ฟังแล้วคุณแม่ขำไหมครับอา <c oughs> จารย์ผมก็ <c oughs> แล้วก็ผมก็ได้พยายามทําตามที่พระอาจารย์บอกครับก็คือพยายาม เ, าเป็น เ, เด็กที่ดีครับแล้วก็ไม่ไม่ดื้อกับคุณแม่ครับ แ, <ต>แล้วก็อยากเรียนเรียนตอนนั้นคุณแม่มีความสุขเนื่องด้วยการประพฤติตัวของเราให้ดีเป็นคนมีมีความเคารพพ่อแม่อ่อนน้อมเชื่อฟังพ่อแม่รับใช้พ่อแม่ทำ น, นี้ได้แล้วพ่อแม่ก็มีความสุขไม่ต้องไปสอนพ่อแม่ไม่ต้องไปอะไรครับ ปัญหาของพ่อแม่ให้เขาแก่ของเขาเองทำไม่มีหน้าที่ที่จะแก้ครับแต่ เ, เราทําตัวร้วายก็มีความสุ ข, ข้าพอนะได้ครับพระอาจารย์จะลอง ก, กลับไปทําครับแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติเองผมก็อก็กลับไปฝึกตามที่พระอาจารย์สอนเมื่ อ, อสัปดาห์ก่อนครับแล้วก็เอมันคราวนี้มันไม่ง่วงแล้วครับพระอาจารย์พอลถไปมาอาหานะครับคือ อมันก็จะไม่ง่วงแต่ปัญหาที่จะพบก็คือผมเวลาตื่นมานั่งสมาธิครับมันจะฟุ้งสั้นหนักมากเลยอะครับพอาจารย์เดินจงกรมก็แล้วอะไรก็แล้วครับอาจารย์มันจะไม่เหมือนกับนั่งตอนกลางวันหรืออะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็ต้องขยันสวดมนต์ไปก่อนมาได้ถ้ามันฟุ้งก็สวดแข่งวันไปสวดอิติปิเศสว่าไปลาลาจบก็ได้ ได้ครับอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาผมนั่งครับอาจารย์ช่วงประมาณแบบห้าถึงสิบนาทีแรกมันจะค่อนข้างฟุ้งซ่านบบอย่างอาจารย์เสร็จแล้วมันก็จะสงบไปพักหนึ่งแบบว่าว่างแบบไม่มีอะไรแล้วก็ค่อยๆดิ่งลงไปเสร็จแล้วสักพัก เออมันก็จะเริ่มแบบมีสิ่งรบ ก, กวนแล้วเช่นเอ่อคุณแม่เดินเข้ามาในห้องแม่บ้านเข้ามาชงความสะอาดนะอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็มันก็เลยจะทำให้เราฝืนจากสมาธินะครับอาจารย์ก็ําได้ทางนั้นเพราะสภาพแวดล้าไม่เอื้อลไปลองหายไปอยู่ันเขาชีวันดูหน่<ะ>อนะ ได้ครับอาจารย์นี่ก็คุยกับคุณแม่อยู่ครับ <Uh เ อ, อหลังจากที่คุยกับอาจารย์วันนั้นเสร็จผมก็เดินไปบอกคุณแม่ว่าแม่ครับพาผมไปเขาชิออนไหน่แล้วแม่เขาก็ตกใจนิดนึงครับอาจารย์ <S <S <S ไ้่ต้องตกใจหรอก ม, มีเด็กอายุเท่าหนูว่าขึ้นไปมนลูกของชาตขึ้นไปคนเดียวเหรอครับรตอนยัางวันเขาขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งสมาธิคนเดียวอยู่ที่ศาลาครับอาจารย์ เด็วันนี้ก็ชอบนําสมาธิค่ะวันนี้เป็นลูกของช่างที่มาช่วยทํางานในวัดให้ตอนเด็กเขาเขาก็ขอพ่อขอพี่เพราชอบพระเพราชอบความเทศคํามธรรมเอนกัเราเลยครับอาจารย์สาธุกับเขาด้วยจริงๆครับอนุีมทำงานบุญรลยใช่ครับอาจารย์แล้วก็อ่มีอบางมีคำถามหนึ่งครับพอาจารย์ก็ กลับไปฝึกตามที่พายจันสอนแล้วครับแต่ว่าเอด้วยความที่ผมฟังหลวงปู่หลวงพ่อแบบหลากหลายองค์มากอะครับบอกว่าต้องการจะรู้เรื่องรู้เรื่องนี้บ้างอะไรอย่าครับมันเลยทําให้แบบว่าพอฟังเยอะๆแล้วเอแต่ละคนท่านก็สอนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันก็เลยสับสนว่าสรุปผมต้องยึดแนวไหนก็ต้องเรีอนเราแนวแนวไหนแนวไหนเนี่ยมันนาหนอาหาเนี่ยมัต้องเจ็ดแปดล้านมันจะไปกินทุกร้านได้แบบ กองลยเอาหน้ที่คุณชอบที่สุดจา้าหน้าที่อร่อยที่สุดสำหรับคุณได้เลยค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ไหมายของร้านหรือไม่ดีนะร้นหนึ่งก็ดีแต่อาจจะไม่ถูกของเราก็ได้การสอนอครูบาอาจารย์แต่และรูปนี้อาจจะเน้นไปทางทางทางด้านต่างๆไม่เหมือนกันครับอาจารย์แล้วต้องเลือกเราก็ต้องเลือกอ ถ้ามุตามมาบัวท่านก็บอกท่านับไปนองอาจารย์หลายรูปในสมบัติหลวงปู่มั่นก็ลองที่หลวงปู่มั่นลองี้ผมก็จบที่พระอาจารย์เหมือนกันครับอย่าพูดจบเลยอ่าพระอาจารย์ครับแล้วก็เอถ้าผมยึดเป็นแบบเอติดพุทโธกับลมหายใจได้ไหมครับได้ได้เดินเดินสติต้องมีอะไรกํากับใจต้องมีพุทโธต้องมีลม อย่าปล่อยให้อยูอย่เฉยๆอย่าปล่อยให้ใจไม่มีคนคุมเพราะจิตตอนนี้มันยังเป็นจิตที่คึกขนองต้องมีคน ค, คอยคุมมาเรื่อยๆพระาจารย์ได้ครับแล้วก็เรื่องของการพิจารณากระดูกอะค่ะพอพิจารณาตามที่พระอาจารย์สอนไปสักพักอะค่ะปรากฏว่า จากแต่ก่อนที่เราเป็นคนที่จะกลัวผีอะไรเงี้ยครับกลัวแบบโครงกระดูกมากกลัวศพกลัวอะไรงี้ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เราจะไม่กลัวค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไปเพ่งดูมันก็อยู่มันก็อยู่มาตลอดตั้งแต่เกิดมันไม่กลัวนะโครงกระดูกมันอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในร่างกายเราอ่าเนอะเนี่ยเราไม่เห็นกลัวมันเลยเพราะานึกถึงโครงกระดูกของคนอื่นเขกลัวกันมาที ครับอาจารย์ไม่มีเหตุมีผลไงพอมีเป็นมีเหตุมีผลแล้วทุก อ, อย่างก็ไม่มีอะไรน่ากลัวครับอาจารย์จริงจริงอาจารย์พูดถูกศึกษาไปเรื่อยๆแก้ปัญหาไปเรื่อยๆต่อไปก็ะจะไม่มีปัญหาครับอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีแล้วครับอาจารย์กลับขอบคุณอาจารย์ครับทุกคุณอ้อมจากบอเวน ย, ย, ยังออคนยิงล็อกที่ปุ๋ยไม่รู้หายยังไม่รู้น่าักสั ก, กรครค่ะเพราะฉันก็จองไปแล้วค่ะวันที่26ค่ะเยยางงานียยังยงไม่มั่นใจว่าหายก็ไม่หายเลยก็ต้องไปหลายๆรอบคะ่ะอ่าพยายามอยู่เรื่อยๆนะค่ะก็ตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนก็ต้องไปทดสอบให้ผ่านจุดที่มันเป็นจุดบอดไปได้ะคะ่ะอช่มีมาก ม, มาก วันศุกร์ไปตากบาทไม่เจอผ้อาจารย์เลยไม่เจอค่ะวันสุกันศุ์ี่แล้วใช่ค่ะที่เราไม่ได้เรียนช่วงนั้นค่ะใช่เหตุท้าเราอะไรขึ้นว่าว่ามันเห็ดท้าทนทนไม่ไหวได้ไม่ไหวค่ะก็เลยได้กำลังใจไม่ค่อยเต็มที่ค่ะค่ะผ้าอาจารย์คือจะสอบถามตัวที่คำว่ามีดวงตาเห็นธรรมอะค่ะ เอ่อก็คือเหมือนแบบว่าเราเห็นเอ่อสิ่งที่ทําให้เราทุกข์อะคะ่ะว่ามันคืออยู่ภายใต้กฎของไตรลักณแล้วทีเนี้ยถ้าจะให้คําว่าดวงตาเห็นธรรมแบบสมบูรณ์เลยก็คือเราต้องหยุดมันได้ด้วยใช่ไหมคะเอ่อเราก็ต้องเห็นว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความความเห็นของเราไม่ตรงกับความจริงเ่อเราปรับใจให้เห็นตรงกับความเป็นจริงความไม่สบายใจครับ เราก็หายไปเช่นจยแฟนจากออกไปตวเนี้ยก็ยังนั่ร้องโหยร้องไห้ลมาแสดงว่าไม่เห็นความจริง mm hmm. ว่ายังอยากให้แฟนกลับมาอยู่อยากให้แฟนอยู่ต่อไปแต่พอรำลองความจริงเ้าเข้าไปแล้ว่ mm hmm. จะทํำไงเขาก็ไม่กลับมาแล้วเ mm hmm. ลยไปทุกข์ไปหาอะไรพ mm hmm. อเห็นความจริงว่าเข้าไปแล้วเขาไม่มีวันกลับ mm hmm. เราก็หายทุกข์เพราะเรายอมรับว่า S <S <S <S คือเหมือนเราหยุดทุกได้ด้วยใช่ไหมครับอ่าก็าเห็นความจริงไม่หยุดเยอเห็นความจริงแล้วยอมรับความจริงค่ะอถ้าเห็นความจริงแล้วไม่ยอมรับความจริงอยากจะให้มันเป็นเหมือนเดิมอยู่ให้มันเป็นเหนมือนเมื่อวานาวานี้เมื่านนี้ลากกันหวานกันวันนี้ทะเลาะกันก็เลยหนีไปเลยสมมุตินนะอาจจะเป็นจริงก็ได้ใครไม่รู้อะไรอันนี้อาจจะให้ อ ใ, ให้ขอให้ก็สอบไปก่อนงงงหน้าก็ได้ค่ะค okay. ่ะค่ะับได้แล้วข้อข้อนี้สักแตก็พุ่งปั้งเข้าไปก็ก็อยู่ได้ค่ะอ้าวดูจะดูได้อยู่ได้จริงหเปล่าค่ะก็ฝึกอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่ได้ค่ะโอเคค่ะต้องเห็นทุกว่าทุกเกิดอะไรขึ้ยาของเรา ค่ะเหมือนเรารู้ว่าทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎตายัก <ฮะ S 1> แต่ทีเนี้ยคือประเด็นคือเหมือนเรารู้แล้วแต่คือที่ที่สงสัยก็คือถ้าเรารู้แล้วแต่ทีเนี้ยเราหยุดไม่ได้นี่คือมันจะมันจะเหมือนเป็นคําตอบให้กับคําว่าแบบดวงตาเห็นทําโดยสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ยังไม่สมบูรณ์ต้องหยุดด้วยใช่ไหมต้องหยุดด้วยพอรู้ว่าทุกเกิดจากความอยาก พอเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นใจรักปั๊บก็อยู่ทุกข์ก็หายไปอืถ้าไม่หายแสดงว่าอุเบกขาเรายัางมีน้อยต้องฝึกสมาธิามค่ะฉะนั้นถ้าคนเห็นแล้วหยุดไม่ได้นี่ก็คือก็ยังถือว่าไม่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นเพียงเดียวเห็นทุกเห็นสมุทยัยแต่ไม่เห็นนิโรธทุกยังไม่ดับค่ะ เพราะมานยังไม่กำลังไม่พอสมาธิยังมีกำลังไม่พอเบคายังมีกาลังไม่พใจนะค่ะค่ะขอขอบคุณค่ะคุณยินดีอยู่อเมริกาเช้าการละง่าสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีคาถามค่ะไม่มีคาถามแล้วไมมีแล้วก จะจะย้ายที่เม่ไหรมีกกำหนดการหรือยังตอนนี้กำหนดการออกมาแล้วค่ะแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปพักอยู่ที่ร้านไหนอะค่ะแต่ย้ายก็คือกคงอยู่แถวแถวแคนซัสเจอร์สเตะค่ะแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าไม่ไกลจากที่อยู่ก็กระเถบเข้ามาด้านในอะค่ะอาจารย์เพราะตอนนี้เราอยู่ตรงขยับขึ้นข้างบนเลยค่ะค่ะ แล้วก็เดี๋ยววีซ่าออกเอเอออนไลน์วีซ่านัดได้เรียบร้อยแล้วอะค่ะท่านอาจารย์แล้วก็อีกสองอาทิตย์ขึ้นฝรั่งเศสค่ะแล้วก็เดวิดไปทํางานที่นั่นประมาณสามสามเดือนสองสามเดือนแล้วก็กลับมาแล้วก็มูฟคตามแผนนะคะท่านอาจารย์ <Okay. S 1> ก็มีการที่จะมีการทีเหมือนกันไม่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงค่ะท่านอาจารย์ก็คุยคุยมั่ว เมื่อวานนะคะก็เมื่อวานมาซืนของสามวันนะคะก็คือเดวิดเขกลับมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาออกมาเขาบอกว่าเนี่ยที่จะไปอยู่ใหม่อ่ะมันมันมันไม่มีอะไรนะมันมันมันมันเหมือนแบบชนบทมากเมื่อเปลี่ยน<ช>ที่นีแ่แล้วแล้วแล้วหนูก็เลยแบบนึ้ทีแรกก็ทีแรกก็แบบคำแรกก็คือว้าวว้าวแล้วแต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ค่ะท่านอาจารย์ก็นึกขึ้นมาได้ นี่ไงเ อ, อกิเลสก็<ม>เลยคิค่ะได้ได้เลยค่ะท่านอาจารย์ก็คือที่เรียนจากท่านอาจารย์มารู้ขอบพระคุณ เ, เป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ไม่ว่ากับด้านน้องชายหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นเลยได้หมดค่ะ<ม>ก็ได้ดีขึ้นค่ะแต่อาจารย์ตอนเนี้ยที่อยู่ที่ติดอยู่ก็คือว่าการที่ว่า การให้แบบว่าที่อาจารย์บอกว่าให้ให้ให้ให้ให้เหมือนเราต้องมีการมาคอยมาคอยดูใจสติปัญญาอาจารย์คือมาหลุดมันมหลุดตรงนี้ค่ะคือการหาทุกครั้งเลยคเือใจชอบใจชอบเพิ่มฝันเพื่อเจอไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้คิดนะคะถ้าอาจารย์ดีอย่างค่ะตรงที่ว่าเวลาเราเราเราใช้ชีวิตของเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันทำให้เราอะ ไม่พุ้งสั้นมันไม่ได้คิดนะคะอาจารย์ไม่ได้คิดทั้งวันแต่หนูต้องการเอาเอาเอาแบบจิตเกาะตลอดนะคะแต่มันมันไม่เกาะบางครั้งมันก็เกาะบางครั้งก็หลุดแบบไปไปมาเหมือนคุณสุพัชราว่าค่ะไปไปมาบางครั้งะค่ะแต่ดีอย่างตรงที่ว่าไม่ขาดทุนตรงที่ว่าไม่ได้คิดนะคะ่านอาจารย์ <c oughs> ม, มันมันดีหรือไม่ดีคะมันก็ยังดีแต่ให้ดีที่สุดก็คือต้องเอาเอาเอากาะมาใช่ไหมคะ กาต้องมีกาดตลอดถูกไหมคะ่าอาจารย์ให้มีปัญญาคุ้มตลอดนะคือเนี่ยหาตรงพุดโธมันหายตลอดนะคะถ้าอาจารย์โทหายแต่แบบคือเวลาเราล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะอยากจะให้เกาะติดตลอดเวลาเราทําอะไรทุกอริยาบทแต่มันมันมันมันไปแล้วก็มันก็มามันไปก็มามันไม่ได้อยู่แบบกับเราตลอดทั้งวันแต่มันดีตรงที่ว่าไม่ได้ติดลบตรงที่ว่าเราไม่ได้คิดเท่านั้นเองค่ะาอาจารย์ มันไปเขคิดแสดงว่ามันไปคิดเรื่องหนึ่งแล้วถ้ามันไปเขาไก็ไปคิดเรื่องหนึ่งแล้มันมันลอยอะค่ะถ้าจารย์มันไม่ได้คิดแต่มันมันไม่ได้คิดแต่มันมันมันเหมือนมันก็ต้องลอยไปหาอะไรทั้งอย่างมันก็ต้องรอยไปหาอะไรทั้งอย่างดีดีมันมันไม่ลอยไปมันไม่ลอยไปหาความว่างต้องรอยไปหาอะไรทั้งอย่างเนี่ยค่ะดังเนี้ยค่ะถ้าอาจารย์งั้นดังนั้นเดี๋ยวหนูขอถามท่าอาจารย์เลยค่ะตรงนี้ค่ะดังนั้นหนูยังไม่เคลียร์คือ ตอนที่เราล้างจานหรืออะไรเนี้ยค่ะคือทุกอย่างเนี้ยมันมันมันมันว่างนะคะถ้าจานมันว่างเพราะเราอยู่คนเดียวมันก็เลยว่างความคิดมันมันไม่มีมันมันไม่มีความมันมีแต่เราไม่มันมันเรามองไม่เห็นมันนั้นเองมันมีแต่เรามองไม่เห็นอ๋อเหรอคะจเพราะเวลาล้างจานคือคือล้างจานหนูรู้ว่าหนูล้างจานแต่หนูไม่มีความคิดหนูว่าแต่เพียงแต่ว่าหนูไม่ได้มีพิษหนูไม่มีในใจหนูมันไม่มีพุทโธเฉยๆค่ะ ถ้ามานานมันไม่อยู่อาการล้างจานก็แสดงว่าไปมันไปหาเรื่องไปเรื่องเลยนะดังนั้นวิธีสังเกตก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราล้างจานอยู่แต่เราไม่มีพุทโธมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะท่านอาจารย์ก็ถ้ามันอยู่อาการล้างจานก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันไม่อยู่มันล้างจานไปแต่ไม่รู้มันตัวตัวมันเองไปไหนก็แสะงว่ามันเผลอค่ะท่านอาจารย์ก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดอย่างเวลาเราเดินเนี่ย เวลาเราเดินเนี่ยเรารู้ว่าเราเดินแต่ช่วงที่ย่างก้าวเนี่ยค่ะเราไม่มีพุทโธกำกับอะค่ขึ้นไม่ต้องพูทโธก็ได้เพราะเรารู้ว่ากำลังเดินอยู่นะครัอ๋อค่ะค่ะอาจารย์คือหนูรู้ว่าคือหนูเดินแต่เพียงแต่ว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าเรารู้ว่าเราอย่างเราจะเดินไปห้องน้ํานี่ค่ะอาจารย์อย่างเวลาเราเดินเนี่ยแต่เราไม่เราไม่ได้ทราบว่าซ้ายขวาซ้ายขวาเท้าขวาเท้าซ้ายย่างก้าวอะไรอย่างนี้ยค่ะ แต่เรารู้<ช> <parameter> ว่าเราไปที่ห้องน้ําอย่าง <อ endy. S 2> แตะอันนั้นอันนั้นก็ยังถือ ว, ว่าเผลินละมันต้องอยู่กับซ้ายขวาซ้ายขวาก็ยังไปไม่ถึงห้องน้ําแต่ใจไปถึงห้องน้ําก่อนนะใช่ค่ะใชาจาย์ใช่ค่ะคือใจไปถึงห้องน้ําแล้วแต่ใจไปถึงห้องน้ำแล้วแต่กายไปไม่ถึงกายไปไม่ถึงไม่<ๆ> sale. อยู่กับกายต้องไปกับกายไปคู่กันก็แสดงว่าถ้าเกิดในกรณีอย่างนี้ก็คือใจลอยก็เนี่ยค่ะที่หนูถึงบอกว่าตอนเนี้ยคือหนูหนูพลาดตรงที่ว่า การมันไม่การมันไม่มีกี่ชั่วโมก็เลยก็ต้องใช้พูดโทรกับในกลับไปเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์บางทีก็แบบไปไมามาไปไปมามาอย่างเงี้ยค่ะถ้าอาจารย์ยังไม่ได้ค่ะถ้าอาจารย์ตรงตรงในรัศฐารเนี่ยค่ะอาจารย์มันนานไหมครับว่าว่าจะได้ถ้าทําไปเดี๋ยวก็ไม่ได้นานไม่นานก็ไม่รู้ไหนที่ทำก็ไม่ทำมาก มันมันหลุดเรื่อยเลยคะละล่ะอาจารย์แบบการไม่ค่อยมีเลยคะ่ะแบบการมันแบบไปไปมามาไปไปมามาพอเผลอก็หลุดเผลอก็หลุดอะไรอเงี้ยคะะ่ะอาจารย์ก็อ้องทํไาไปเรื่อยๆค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณเป็นอา่างสูงค่ะอาจารย์เป็นหมอผ่าชนะเหมือนเดิ น, นะคะอาจารย์อ่าสาเถื่อชาเถื่กล่าวณภาษาจค่ะพระอาจารย์ชากลับมาแล้วค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากมเลยคะ<ต>่ะ้ะเป็นไหนี้ไปไหน เออแล้อยู่กุฏิเดียวนะคะอยู่ในป่าแล้วก็กุฏิเล็กๆอะไรเงี้ยอูดีมากเลยคือที่ไนี่นนว่าทําเต่าค่ะพ ร, าาระอาจารย์อ๋อถ้ำเต่านะฮะก็สิ่งที่ได้เพิ่มคือคือทุกครั้งไปที่ไปเชื่อเชื่อพระอาจารย์เนี่ยจะได้เพิ่มก็คือพระอาาให้เจริญรูมเมตตาใช่ไหมคะคราวนี้ก็ก็รู้สึกว่ามันดีมากเลยได้ทั้งเพื่อนทั้งคนทั้งสตัตว์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นนันหนึ่งค่ะพระอาจารย์คือได้เห็นเรื่องของได้เห็นว่าเออมันเห็นว่าเราชอบไม่ชอบแต่ว่า มันมันรู้ว่าเออมันชอบไม่ชอบแต่มันไม่มีความอยากเพราะอาจารย์แล้วก็ตอนที่ขาดกลับมันพัดพลาดจากสิ่งที่อยากที่ชอบอะอย่างเช่นสุนัขที่แบบเราเขาเป็นเพื่อนเรามาตลอดเลยเดินกับเราตลอดทั้งสองตัวแล้วก็นั่งเฝ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนจะรู้สึกแบบโหแบบไม่อยากไปแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเลยว่าเออเรารู้ว่าเขาดีนะแต่ว่ามันก็มีความพัดพลากเรามาเราเป็นผู้มาเยือนคือทุกอย่างไม่ชอบไม่ชอบเฉพาะสุนัข เพื่อนคนหรือแม้แต่ในครอบครัวมันก็เลยทําให้กลับมามองย้อนกลับมาได้อะไรอาจารย์มันเห็นตรงเนี้นะคะคือรู้สึกดีใจว่าถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์เห็นคําชอบไม่ชอบแต่ว่าเราเฉยๆได้รู้แค่ว่าชอบไม่ชอบต้ อ, องเฉยๆต้องเฉยๆค<อ>่ะเนี<อ>่เห็นใช่ใช่เห็นแล้วก็เฉยๆแต่รู้ว่าชอบไม่ชอบแล้วก็อีกอย่หนึ่งคือหลวงปู่ให้มี็นงานศพอีกแล้วคือมทุกครั้งจะมีงานศพลุกครั้งแต่เขาวนี้จะเป็นงานศพของคนที่เป็นศรีเก้าก็เลยได้เห็นว่า ร้านยุงสันเซอนั่นแหละแล้วพอเป็นไตรักอ่ะพอเสียไปก็ไม่มีอะไรก็กคือมันยิ่งทําให้มันปรงก็โอบานายโกว่ามันมันก็เหมือนราวเลยค่ะพระอาะจารย์ก็ได้ได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออดอาหารพระอาะจารย์หลวงปู่บอกว่าให้อดอาหารสามวันท่านพูดแบบได้อู้หลวงพระอาจารย์นะอดอาหารสามวันนะตอนแรกอ่ะตัวเองอ่ะที่พระอาะจารย์บอกให้ ไม่กินมื้อเดียวก็ยังกลัวว่าเป็นโรคกระเพาะอะไรแต่ว่าตอนหลังก็คือกินมื้อเดียวมาตลอดเป็นปีแล้วนะคะก็กินได้ว่าเปยี่สิบโลแต่พอหลวงปู่บอกว่าอดอาหารเอาวะอดอาหารก็เลยลองอดอาหารดูพระอาจารย์ปรากฏว่าเออมันไม่อยากอะพระอาจารย์มันเออรู้สึกว่าเอ้ยร่างกายเรามันไม่กินได้จริงๆวะคือมันไม่รู้สึกเราแต่เรานั่งสมาธิเดินจงกรมมาไว้นะพระอาจารย์จะไม่รู้สึกกับพระอาจารย์อดได้แล้วก็ค่ะรู้สึกว่าดีมากอันนี้อดอาหารเนี่ยพระอาจารย์อยากเรียนถามว่า เรามันจะได้อะไรเพิ่มจากการที่เรารู้สึกว่าเราอดได้แล้วมันทัดร่างกายไม่ใช่ของเราอ่ะคือมันมันแยกกันเนี่ยแล้วมันได้อะไรมากกว่านั้นอีกหคะพรอาจารย์ทีออยากรู้ว่ามันมีทริคอะไรที่จะได้จากการอดอาหารอีกไหมคะน้อก็ไม่เดือดร้าเวลาไม่มีข้าวกินน้อก็ไม่เดือดร้อาวค่ะค่ะใช่ใช่ก็คือว่ามันรู้ว่ามันอดได้อันนี้อันนี้ก็ได้เพิ่มที่แบบดีมากๆเลยอ้อเรอีกอันหนึ่งค่ะพรอาจารย์อยากจะกราบเรียนถามคือมีคืนที่สองหรือคืนที่สมเนี่ยก็กล่าวว่าจะเน้สัญชีเพราะว่าแบบบรรยากาศมันได้มากเลย แต่ว่าพอเราสวดมนต์เสร็จปุ๊บพอเดินมาปุ๊บเนี่ย ป, ปกติเดินเดินจงกรมตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนั้นอนะ่ะพอเจอในสัญชีพออกกลับมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีมีใ ย, ยบมงมุมอ่ะพระอาจารย์ใหญ่มากเลยอย่างเขากบับมันมันไปทางเดินจงกรมเฮ้ยแบบงงแบบเมื่อกี้ก็ยังเดินอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้มันเดินเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเป็นสมัยก่อนเราอาจจะแบบเอาปัดเท้าออกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยทําแค่อยากเดินมันไม่ควรที่จะไปทําร้ายตัวเขาก็เลยก็เลยเออบอกว่าเดี๋ยวฝนตกก็เดี๋ยวมันคงหายไปเดี๋ยวเราค่อยเดินใหม ก็ก็เลยนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าปกติถ้าอย่างเงี้ยเราควรที่จะเดินอ้อมต่อไปไหมไหมฮะอาจารย์หรือว่าหรือว่าหรือว่าทําถูกแล้วคือถ้าเราย้ายถ้าเราเอาอย้ายออกก็ไม่ไม่ได้ไปทำนนํำลายรับมันใหญ่นะอาจารย์ใหญ่แบบเป็มุมตัวใหญ่แล้วใหญ่แบบปิดทางจงกลมคือแบบงงมากต้อมาได้ไงก็ถ้ า, าอยากจะเดินตรงกรมมันขวางอยู่เราอยู่เราก็ต้องเอามันออก ออแต่เราอย่าไปเราอย่าไปทํำร้ายโจมันงงแล้วหรือลยนึกว่าเ้ามีให้เดินเพราะฝนมันจะตกอ่ะพระอาจารย์คือมันฝนจะตกแล้วก็เรื่องสงสัยมันมันฝนตกเขาไม่ให้เดินหรือเปล่าเราก็เลยเออแสดงว่าอย่างนี้คือเราเราเราก็เลยก่ายเดินไม่เดินใช่ไหมพระอาจารย์ไปเดินที่อื่น อ, อย่นี้ไม่ได้น้ก็แล้วแต่เราถ้าไม่อยากจะเดินตรงนี้ก็หาที่เดินไปถ้าไม่อยากจะ ไ, มมมมไปมีเรื่องกับแมงมุมก็ปว่อมันคลองที่ไป แต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการใช้ที่นี้ต้องเชิญเข้าไปก็เชิญเข้าไปอ๋อค่ะได้ไม่ได้ไม่ไม่ตายนะครอาจารย์แล้วก็ปิด่เดินด้านใช่เพราะเข้ามาเข้ามาบุกรุกที่ให้เราใช่รู้สึกว่าดีแต่ไม่เป็นไรเพระอาจารย์ค่ะแถ้าเราถ้าเราอยากจะไม่ตาก็ปล่อยเขาอยู่ไปก็ไปหาที่อื่น ใช่เพราะว่าฝนตกมาเขาก็ find, หายไปอยู่ดีพระอาจารย์ฝนคืนนั้นก็ฝนตกหนักมากเลยค่ะแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็ไปแล้วก็เลยงงเอ้ยทำไมมันเร็วอย่างงงแล้วก็วันสุดท้ายก็หมานี่มันรู้นะพะอาจารย์หางตกแล้แล้วมันปกติมันจะมันอยู่แค่ใกล้ใล้วันสุดท้ายประมาณนั่งตรงแค่เออได้เอาแค่์มาด้วยนะพระอาจารย์ได้เอาไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะกดไปค่ะพระอาจารย์เพตอนนั้นึงที่เรียนพระอาจารย์ว่าจะเอากดไปก็เอากดไปแล้วก็ได้ไปไปหวักไปเขาเรียกว่าอลไไปห้อยกดแล้วก็นั่งคือดีมากเลยคือนั่งเลยกดแล้วก็แล้วก็เดินจงงกมมแต่ีอันนึคื คือว่าเรารู้สึกว่าเราชอบนั่งคนเดียวมากกว่าเราเวลานั่งกับคนอะพอพระอาจารย์มันมีให้นั่งในในกุฏิอะมันรู้สึกว่าปกติเรานั่งได้ไม่มีเวทนานะพระอาจารย์แต่พอนั่งกับคนมาวิประมาณสักไม่ถึงสองชั่วโมงมันเริ่มมีเวทนาก็ก็รู้สึกเออก็ดีามาแล้วเหรอก็เลยก็ตอนแรกก็จะเผาล่างอะเผาไม่ได้พระอาจารย์เพราะมันมันไม่ต้องสงบคนเยอะก็เลยคิดว่ามันเป็นไตรักก็นั่งต่อไปได้แต่ว่าคือก็เลยอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าอย่างนี้แสดงว่าเรายังต้องฝึก ให้นั่งกับคนเยอะๆได้แล้วก็นั่งคนเดียวได้ด้วยใช่ไหมคะคดีก็แสดงว่าสติเรายังหนาจ้าอ่อนไม่พอที่จะไปนั่งกับคนอืนได้เราก็คงต้องเราต้องเราต้องนั่งให้ได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเราจะถอนสมองออกจากที่เนี้ยหมายถึงที่ที่อาจารย์บอกว่าถอนสมองพยายามจะถอนสมองอ๋อไม่จําเป็นว่าจะต้องไปนั่งกับคนอื่นใช่ถ้ามันมีความจำเป็นต้องนั่งก็นั่งไปแต่โดยหลักเราไม่ต้องการจะนั่งกับคนอื่นต้องการนั่งคนเดียว อ๋อย่างก็ได้นะคะอย่างนั้นก็ร่างคนเดียวได้อยู่แล้วโอเคก็อขอบคุณพระอาจารย์รู้สึกว่าไปแล้วมันมันได้อะไรเยอะเพิ่มขึ้นมากเลยพระอาจารย์นี่อาจจะเล่าไม่หมดแต่ว่าได้เยอะมากอไม่ต้องเล่าเก็บไว้ค่ะโอเคแล้วว่าคขาดี๋วเขาหน้ามาถ้าจะไปพระอาจารย์ก็บอกว่าจะทำอะไรเพิ่มพระอาจารย์รู้สึกดีมากเลยพระอาจารย์ <laughs> มาทําต่อแล้วอีก น, นึงพระอาจารย์วันนี้นะคะก็ประชุมใช่ไหมคะปกติประชุมมันคือประชุมคณะแพทย์เสร็จตอนเที่ยงแล้วก็ ที่เท็นทันแล้วก็มาประชุมจะต้องมาชุมกรรมการที่วพุ่งกุดต่อปรากฏว่าจอดไว้คนมาล็อกคนมาจอดขวางอ่ะพระอาจารย์สมัยก่อนนะถ้าเรารีบไปประชุมอ่ะแล้วคนมาจอดล็อกล้อล็อกขวางหน้าเนี่ยมันจะมีอารมณ์เลยตอนนี้นะพระอาจารย์ไม่มีหงุดงิดเลยไม่มีอารมณ์เลยอ่ะรู้แต่ว่าเออสักแต่ว่าเขามาล็อกล้อก็แค่ไปบอกยามให้มาช่วยคือรู้สึกว่ามันใช้กับชีวิตประจําวันได้อาจารย์มันทําให้ไม่มีอารมณ์จริงๆเลยะคือเรื่องเรื่องเรื่องล็อกล้อเวลาเราจอดแล้วคนมาล็อกหน้ารถเนี่ยอันเนี้ยคือรู้สึกว่า ด, ดีดีแสดงว่าจิตเราเริ่มรับรับทุกสภาพได้นะขอบคุณค่ะพระอาจารย์นอนก็ได้หนาวก็ได้ดีก็ได้ชั่วก็ได้คาตอบพระอาจารย์ไปที่คุนเอกเชียงรายกลับมาตการพระอาจารย์ครับผมไม่มีขอันพระอาจารย์ไม่มีนะอ่า ครัแต่ก็ปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์เจ้าแาวแล้วฟังมานาพอแล้วครับผมก็อยู่ในสันทิกอยู่กับอาจารย์มันนี้มากเดือนนี้ก็มีแผนครับมีแผนที่จะไปปีกเลก้อยดีสิบสีไปเปลี่ยนนี้เ้าฟังช้าเดือนนี้ไหมครับผมก็ไม่มีอะไรเข้ามารับฟังครับอาจารย์โอเคครับของคุณพอาจารย์ครับผมคนเจริญทอง จะลท้อว่าวันอะไรจะยท้อคาตอนนี้หนูก็นั่งสมาธิคูนค่ะแต่ก็ยังมียังสู้พวกเวทนากับความขี้เกียจบางครั้งก็ยังมีความขี้เกียจอยู่อะค่ะแล้วก็เวทนาพอนั่งไปจนปวดขามากๆก็ยังยังพลผ่านไปไม่ได้ค่ะพระอาจารย์พยายาม ไปได้แตบบ่เวทนาอขยันพุโทโธพุธโทโธหน่อยเลยวก็ผ่านไปได้การอากแบบ็ต้องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธไป่วก็ผนได้แล้วก็วจะสอบถามอะค่ะคือเคยนั่งสมาธิแล้วจนรู้สึกว่าเอ่อตั้งกายหายไปค่ะแต่ตอนนั้นคือมีเกิดความรู้สึกกลัวก็เลยฝืนดึง ดึงออกมาค่ะมันจะมีผลเสียอะไรภายหลังไ้ยคะก็ Honestly, มันอาจจะกลับเข้าไปยากหน่อยเท่าไรไปดึงมันมันเข้าไปแล้วก็ปล่มันเข้าไปท <laughs> ี่จริงก็ก็เคยอ่านนะคะว่าสภาวะนี้ก็คือปล่อยให้มันเป็นไปแต่ว่าพอเกิดจริงเราเกิดตกใจขึ้นมาค่ะ <laughs> <ๆ>ก็เลยฝืนดึงออกมาแล้วคราต่อไปก็อยไปฝืนนะคะค่ะถ้าอาจารย์เราก็มีเ อ, อ่อที่นั่ง นั่งสมาธิตอนที่นั่งสมาธิอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วที่ทนเวทนาไม่ไหวอ่ะค่ะก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากจากนั่งจากจากพุทโธดูลมหายใจแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเ อ, อ่อดูดูว่าร่างกายอ่ะค่ะมันเป็นดินมันเป็นดินน้ําลมไฟอ่ะค่ะแล้วทีนี้เราก็เห็นว่าร่างกายเหมือนเป็นหุ่นดินอะคะแล้วก็ เ, เห็นร่างกายมันทลายลงมาแล้วก็กลับขึ้นมาเป็นร่างกายใหม่แล้วก็ทลายลงมาอีกประมาณสองสามรอบอะค่ะแล้วก็เกิดเกิดเหมือนแสงจ้าขึ้นมาแล้วเราก็เกิดความรู้สึกว่าเอ่อเหมือนมีความสุขจนแบบยิมยิ้มขึ้นมาเองค่ะความสุขนั้นนี่ยังไม่ใช่ความสุขจากสมาธิใช่ไหมคะใช่เป็นความสุขจากสมาธิอ๋อค่ะพะอาจารย์ก็ต้องปฏิบัติทั้ง ทางด้านสมาธิแล้วก็ตั้งใจ เ, ออเข้าสมาธิให้ได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ่ะวเวลาเจ็บก็ใช้ปัญญาเท่นั้นใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นธาตุสี่็นน้ำลมไฟไหมคะขอบคุณมากคะ่ะคุณเมทินีอยู่กอธรรมาใช่ไหมเมทินีนวัตสการ์คะ่ะพระอาจารย์ หนูอยู่เอ่ามันเป็นช่วงระหว่างกรุงเทพกับนนท บ, บุรี <Okay. S 2> ค่ะแถวแถวประชาชื่นนะคะแล้วกทำมาแล้วจังได้ค่ะวันนี้หนูเข้ามารับฟังธรรมมาค่ะแล้วก็อ่าพยายามทำให้ตัวเองมีจิตใจที่แบบสงบค่ะรับฟังอ่าธรรมมาพระอาจารย์ไปเรื่อยๆพอรู้พอรู้สึกว่าฟังแล้วทําให้เราปล่อยวางในเรื่องของ ความคิดมากคิดไปก่อนได้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ดีพยายามลดความคิดให้น้อยลงที่สุดให้เหลือเท่าที่จำเป็นนะค่ะพยายามไม่ไม่คิดล่วงหน้าไปก่อนเหมือนก่อนอันนี้เป็นคนชอบแพนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเหมือนคิดมากไปมันก็แบบทําให้เรารู้สึกอ่าวตกกังวลเลยอย่างค่ะถ้าจะคิดล่วงหน้าก็ได้คิดถึง ความตายของเราไม่ไเป็นไรยึดถึงความเจ็บายได้แลป่วยของเราได้เราได้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ต่อไปค่ะพาจารย์แต่ <ขอ S 1> ถ้าไม่จําเป็นก็อยากคิดทนะั้งคราวนี้ฝึกให้จิตว่างให้อยู่ว่างอย่าพาความคิดกันยังไม่ถึงขั้นที่จะไปคิดทางปัญญาอันนี้ฝึกให้จิตวนะ่างนะว่างอย่าความคิดกันค่ะพาจารย์สาธุ เชิญคุณสุภัฒนาตอบแบกบองินมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มาขอร่วมฟังธรรมเจ้ า, าค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะได้เห็นไปที่คุณคาลคางมากรสีธรรมราษฎสวัสดีค่ ะ, ะมีอะไรไหมมีนิดหนึ่งค่ะ เอ่อหนูอยากจะถามว่าค่ะไอความเหงานี่มันเป็นภาว่จิตเราไม่นิ่งหรือเปล่าคะใช่มันไม่นิ่งมันอยากมันอยากให้มีนั่นมีนี่พอไม่มีมันก็เลยรู้สึกแบบแล้วความวิตกกังวลนะคะอย่างหนูบางทีแบบชอบคิดวิตกกังวลพอเห็นแบบเคสบางเคสแล้วก็ไปวิตกกังวลกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตเนี้ยค่ะกับความผิดพลาดของตัวเองเนี้ย เอเราคิดว่าแบบมันจะทําให้ส่งผลในอนาคตไหมหรือกังวลว่าอ น, นาคตเราจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็แบบมันทําให้เราไม่สงบเราก็พยายามที่จะดึงสติกลับมาแต่ว่าบางทีความคิดนั้นมันก็อยู่อยู่ในในในสมองเราอะค่ะมันก็มนไม่ปรับเท่าที่ควรเราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่ า, าอะไรจะเกิดก็เกิดเราห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ เราทํากรรมอันไดไว้ดีเราเชื่อไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องส่งผลให้กับเราเพ็นถ้าอยากยาไม่ให้ผลไม่ดีเกิดขึ้นเราก็อย่าไปทํากรรมไม่ดีต่อไปทําแต่กรรมดีแล้วจะมีแต่ผลดีตามมาถ้าถ้ามันจะเกิดผลไม่ดีก็ต้องยอมรับวรามันเป็นผลจากบาปจากกรรมที่ไม่ดีที่เราได้ทำเอาไว้ ค่ะมันใจนะมิจฉาบอกให้ทำว่าทำกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมมันได้ไหวดีจะชั่วจะต้องเป็นผู้รับทำสมน้มกรรมนั่นค่ที่ำประหานได้ไวค่ะแล้วถ้าเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจหรือถ้าปัจจุบันเราสํานึกแล้วอย่างนี้นะคะไม่ก็ไปหยุดกรรมเก่าไม่ได้กรรมก่าเนี่ยถึงเวลาเราก็ต้องแสดงผลของมัตามบารัก ก็ก็ไม่เป็นไรไม่ว่าจะเกิดสิด่งหดก็ต้องยืนหยั้าเาถ้าเราสู้กล้าหาเรารบับความจริงนับวนแล้วก็ไม่แล้วก็จะไม่ทุกแต่ถ้าเราไม่ยอมรับโทษอย่างนี้งั้นเราก็จะทุกข์ยอมรับนะยอมรับอะไรจะเกิดกับเราให้มันเกิดถือว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราไปเข้าใจไหม เข้าใจค่ะแล้วจะห้ยวิตกไก่กังวลพอกังวลไปวิตกไปมันก็หยุดมันไม่ได้เข้ยใจไนะเวลามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถึงเวลาที่มันจะเกิดมันก็เกิดไม่มีใครไปยับยั้งมันได้เม้แต่พระเจ้ายังต้องตายเลยนะถึงเวลามันจะเกิดมันถึงเวลาจะต้องตายมันต้องตายหน้ามันไม่ได้ นะต้องต้องต้องยาวภาพกับความจริงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามดีเชื่ อ, อมันเกิดก็รับมันไปแล้วมันก็จะผ่านไปเออแล้วทำไมคนบางคนที่เราเห็นว่าทำกรรมไม่ดีแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับผลกรรมอันนั้นร่ะคะอ่ามันยังไม่ถึงเวลาเนอะี่เอาเงนไปฝากธนาคารมันดอกเบี้ยบางคนมัน มันยังไม่ถึงไม่ครบเนี่ยก็ต้องรอให้มันครบก่อนฝากช้ามันก็ต้องใช้เวลานานถ้าฝากก่อนนานไม่หมัเ ม, มนก็ครบเร็วนะแล้วจริงหรือไม่คะที่ก็บอกว่าการนิพพานอ่ะเป็นการตัดบ่วงกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้ก่อไว้ตั้งแต่ชาติ <c oughs> ในใดก็ตามาเนี้ยค่ะตัดหมดเลยเพราะไม่กลับมาเกิด เมแม่กลับมาเกิดกรรมมันก็ตามไม่ได้มันก็ส่งผลให้ไม่ได้เหมือนเราทำปิดผลไมาเยอะแยะไปหมดมีคดีเต็มตัวเลยพอเราตายไปก็เขาก็เขาก็เอาจับเราไปเข้าคุกไม่ได้ะใช่ไห ม, ม น, นั่นหนะถ้าอยากจะตัดกรรมให้หมดสิ้นไปก็ยัามาเกิด อย่างตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่ต้องมารับกลับเก่าที่ท่านได้ทำไหมท่านบุญท่านกรรมท่านไม่รับเอาแล้วนะจะได้ไปที่ท่านอื่นตอบค่ะขอบพระคุณค่ะโอเ ค, เอค ข, อขอบคุณจิตบัณฑิตขอธรรมอภิมรรคการครับ ทำไมต้องใส่แมสเ์ด้อยที่ยังอยู่ที่ทำงานครับอาจารย์ยังไม่ได้กลับพอดีว่าช่วงนี้ก็ทำโอททุกวันเลยครับถึงสามทุ่มครับกลับบ้านไปก็ก็เหนื่อยครับนึกถึงคำอาจารย์เลยครับว่าเองานทางโลกมันไม่จบแต่พ้างานทางธรรมมันมีวันจบครับทำท ำ, ท ำ, ท ำ, ทำานทางธรรมนี <laughs> ่ครับก็พยายามก็เหมือนท่านก่อนหน้านี้ก็คือก็พยายาม ทำหน้าที่ไปครับก็มทำหน้าที่จําเป็นครับถ้ามันจําเป็นก็ตับแต่เช้านะครับอาจารย์ก็จะปฏิบัติต่อไปครับไจะไปทำโอทีโอทีนั้นแสดงว่ามันมากไปแล้วเนี่ยคือมันเป็นงานด่วนที่เขาให้ทําทุกคนครับก็เลยจาเป็นต้องอยู่ช่วยช่วยทําตามหน้าที่ครับอาจารย์ถ้ามีมีเหตุจำเป็นก็ต้องทำไป ไม่มีอะไรใช่ไห ม, ไ ม, ม, มไม่มีครับอาจารย์ไปที่คนแนนต่อแนนมุดอนธานีการนมสัส ก, การนะครัอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะโอเคสมชายนายนไม่สมชายเดินไปไหนถามม า, าเมื่อกี้นี้ขาดตอนหมดเวลามาตอนที่นี่ก็ได้ครับกับกับท่านอาจารย์ครับ ผมดูแล้วคลิปทุกท่านารู้สึกจะเป็นการพูดที่ใช้ภาษาที่ผมนี้ยังผมก็คิดตัวเองว่าภาษาไทยก็พูดไม่ค่อยชัดภาษาอังกฤษก็ยังผมเป็นคนที่<ล>อะไรก็ไึ้ได้ได้ได้อย่างละครึ้นภาษาอังกฤษก็ครึ้นภาษาไทยก็ครึ้น พยา่าก็ตอนนี้ท่านบอกผมว่าทำอะไรก็ให้คิดถึงพุโทโธจะจออยู่กับงานเมื่อเช้าตื่นขึ้นก็บอกอบอกกับแฟนว่าขอให้อาราธน า, อาของคุณพระของคุณพระมาอยู่ในตัวเราเวลาเราไปทำงานก็ใครพูดอะไรมากก็ปล่อยเขาทิ้งไปปล่อยให้เขาทำไป ช่วงนีรู้สึกจะดีขึ้นแล้วก็ที่ท่านเคยสอนเอาไว้ว่าเวลาขับรถรถก็ เ, เยอะอทีอ่บางคนเขาว่ามีมีสตรส์มากมากครับ mm hmm. ผมก็บอกแก อ, อยากจะเร็วก็ปล่อยเข้าไปผมก็ออกอหา่างๆก็พยายามช่วยได้มากครับ mm hmm. แล้วก็เห็นเห็นแต่ละคนเห็นแต่ละท่าน มีรู้สึกจะจะพูดสูงกันทุกท่านเลยผมคงแค่อนุบาลใหม่ๆ ห, หรืออะไรท่านนี้เนะี่ผมก็พยายามจะเรียนไม่เป็นไระไม่เป็นไรเท่าจะสูงแล้วองเราอยู่ตรงไหนแล้วก็อยู่ของเราไปครับก็เห็นท่านพูดบอกมีหกมีเจ็ดมีแปดอริยะมรรคแล้วอะไรอ่าเท่เห็นดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ เห็นท่านพูดว่ามาเีเห็นเห็นเ็นความไม่สบายใจของเราเนีไงอ๋อครับมันเกิดจากความอยากของเราอยากกินกาแฟไม่ได้กินกาแฟก็เลยไม่สบายใจมั้ครบก็ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้อยากกินกาแฟมันก็จะไม่รู้สึกไม่สบายใจมันก็จะรู้สึกเคยดฉยพออยากกินบ้าไม่มีกาแฟให้กินนี่มันหมดหินนะ นี่แหละนี่แหละเห็นทำเห็นทุกเป็นไม่สบายใจของเราเพราะว่าเกิดจากความอยากของเราพอเราเสียนใจว่าไม่มีกินก็ไม่กินว่ามันความทุกข์ายเราไม่สบายใจนะครับท่านมีอะไรก็แนะนําให้ผมก็บางก็ได้ผมก็ไม่ค่ยอยเราทานเยอะๆลดกาแฟล ด, ฟล ด, ฟลดฟอะไรขาไม่จมําเป็นจะต้องกินอย่าไปกินมัน ดื่มแต่น้ำอย่างเดียวนร่าการไม่ต้องการน้ำเปร่บน้ํากาแฟาน้ําอะไรไม่ต้องเป็นดื่มมันตัดได้นงตัดดูน่าจะสุขภาพจะดีขึ้นกันาก่อนเดิมเยอะเะแล้วกินแต่เขาไม่พิษเข้าไปทั้งนั้นรู่ะน้ําตาลที่กิน้าน ก, ก็เป็นพิษนะกินเกินที่กัดก็เป็นพิษเราดื่มนม้ําถ้ายู่น้ํ า, าก็ดื่มนม้ำนะไม่ต้องไปดื่ม กาแฟทเไมอะอ๋ครับทางอ่ า, ก, อ า, อาอก็อ่าเอ่ปกอ่กมาไวเพืขข่ข้าะงั้นก็ผมบอกจะคุยใน next week กันนะครับก็ไม่รู้มันมันมันตะตกึกตะกักไปหมดเลยไม่รู้ไม่รู้รจะไม่รู้จะพูดอะไรเขาไม่เป็นไรฟังไมขกาับก็ได้วันนี้นะ ครับโอเคนะครับคุณตายนักพัานาเกลอน้อมกลับน้ำมาสการคระอาจารย์วันนี้เข้ามาฟังธรรมกับพอาจารย์ค่ะตอนนี้ไม่มีปัญหาลัวลูกค้านะช่วงนี้จิตใจดีค่ะพอาจารย์ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรค่ะวางได้ค่ะเล่นลูกค้าเรื่องอะไร ทำจิตใจให้สบายได้ค่ะเอาใจลูกค้าหน่อยบินได้เท่ารับเขา <c oughs> ค่ะเป็นลบดีขึ้นแล้วคะ่ะอาจารย์น <ừ> ิสัยดีขึ้นแล้วคะ่ะ <c oughs> จริงๆนะคะอาจาย์หนูก็พยายามแบบยมเปลี่ยนตัวเไม่ไมินไม่อะไรเดี๋ยวลูกค้าจะมาเยอะแยะโอ้ไม่ค่ะวันนี้ใจดีท <c oughs> ำงานไม่ทันนะอาจารย์กลัวกลัวเขาเบื่อตรงนี้ค่ะ ในเวลาเดี๋ก็จ้างจ้างมาช่วยได้คนตกงานเยอะโอ้ยคนสมัยนี้ก็ยากหน่อยค่ะป้าจางร้านหนูงานมันหนักงานมันหนักก็พัทยานเรามีทางเลือกให้เยอะค่ะงานมันเยอะก็เลยจ้างมันก็ต้องมีน่ะต้องคนที่ไม่มีการดีเขาก็เอาค่ะก็อยากให้ได้คนดีดมาทํางานกลัวคราวที่แล้วก็โดนโดนลูกน้องเล่นเลย สลายตังเลยพ่อจันก็ไม่มีเวลาเนี่ยนะคะแต่ก็เอาไว้นะคะไม่ได้แจ้งความก็ไปทําตามทําตามกวลังของเราไปก็แล้วแต่ทำไเท่าไหร่ก็ทํานั่นไปลูกค้ามาก็ให้บัตรคิวต้องต้องรอนะจากบัตรคิวหน่อยเลยอย่างครับพยายามทําให้ทันทีดีที่สุดอะค่ะโอเคถ้าไม่มีอะไรก็ไปที่คุณหมอต่อคุณหมอวิรพันธ์ ไงคุณบอเอานี้ไวไฟเรียบร้อยแล้วช่าย์ก็ไปตรวจดูมดเลยเข้าไปทํารังในตู้อ๋อครับการรักษการพระอาจารย์ครับก็ตอนนี้ยังภาวนาทุกวันครับอาจารย์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นที่สังเกตได้เลยก็คือว่าความขี้เกียจไม่มีแล้วครับอาจารย์อมีความอยากนั่งทุกวันครับอาจรเปลี่ยนเรื่องหมุนไปแล้วเริ่อหมุนโดยอัตโนมัตินะ เกิดวิบะอิติบาสีเริ่มเริ่มเริ่มทำงานนะเกิฉันทะคนความยินดีอยากจะปฏิบัติวิริ ย, ปยะปาพยายามพอมันพอเริ่มเห็นผลได้เห็นประโยชน์จากการปฏิบัติแล้วที่นี้มันมันจะมีกําลังไปของมันเองนะใหมา ย, ม, า ย, ม, ายมันก็เหมือนเข็นเข็นรถขึ้นภูเขานะแต่พอเริ่มได้ผลนะ ม, ม, มันจะมานเข็นรถลงเขาแล้วทีนี่ต้องคอยเบรกไว้บางทีทํามากเกินไป ครับตอนนี้วิล่งที่จะนั่งทุกวันทางอาจารย์แล้วก็บางทีพรวดแบบลุกไม่ได้หยิบเบอถือตรงนไปเลยครับรีบไปนั่งนะครับอมรู้สึกอย่างนั้นนะครับมีอะไรไหมจะจัดกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับเออย่างเมื่อเช้าเนี้ยครับอาจารย์ผมลองพิจารณาที่กะโหลกศีรษะครับเพราะว่าผมผมผมดูกระโหลกศีรษะมาเยอะครับเป็นหมอตาตัดสมองครับทีนี้พอพิจารณากระโหลกศีรษะเนี่ย มันจะต้องดูยังไงครับอาจารย์เพราะว่าเวลาที่ผมดูพิจารณารอยสักผมเห็นผมก็จะมองไปฟิลกก์มไปเรื่อยๆครับเราคือ<า>ให้เราให้เราทําลายความสวยงามของหน้าตาเนี่เวลาเราเห็นหน้าตาใครเฉยๆงามๆแล้วอาจจะเกิดการมาลงขึ้นมาเราก็ให้นึกถึงตลกศรีรษะที่อยู่ภายใต้หน้าตาที่สวยงามนัม้นการมาลงก็จะคลายอ๋อตรงอันนี้มีมไว้สําหรับพิจารณาเพื่อ คือลดละการมาการมาลากะเพราะเรามางจะมองไม่เห็นเขาเขามีอยู่ใต้ผิวหนังกันยันไปดูกองประกวทนางงานใช่ไหมเนี่ยงานมันเป็นโบสเลยมีแต่หนังหนังหุ้มกระดูกแต่มองไม่เห็นกระดูกที่หุ้มอยู่แล่วเห็นกอกระดูกเดินไปเดินมามันก็เออกระถานั้นแหละใช่ไหมครับ บางทีไปเที่ยวบาร์ผับไปดูคนเขาเต้นนั่งเต้นการในพอเห็นคอกระดูกเต้นต่อไปก็ไม่ได <c oughs> นน้ไม่เห็นอะไรมันเห็นแต่นนเนื้อหนังใช่ไหมครับครับอ๋ออันนี่คือเป้าหมายของการพิจรารณ <c oughs> าครับพระความกระดูกอย่างอย่างผมพิจารณาเป็นกระดูกของตัวเอง <c oughs> เขาไปมองข้างในก็มองไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับคือ ต, ต้องดูทั้งของเราและท่านของคนอื่นด้วย ของเรารบางทีเราก็ชอบหลงกับรูปนั่งหน้าตาแเรวโอ้ยเราหลอ่อเราเรางามอะไรอย่างงี้ถ้าบวพอมองเข้าไปข้างใต้ผิวห น, นมันก็มันก็มีแต่โฟมมีต ล, ลกสีสันมันก็จะได้หายหลงไม่ต้าไปคิดว่าเราหลอ่อเราหน้าดูแล้วแล้วก็เริ่มพย า, มายามที่อาจารย์บอกว่าให้ เห็นสัแต่ว่าเห็นก็พยายามฝึกอยู่ครับแต่ก็บางทีก็ยังคิดอยู่ครับเห็นแล้วอย่าไปเกิดกามอารมณ์เห็นแล้วอย่าไปเกิดความโกรธเห็นแล้วครับถ้ามันเฉยไม่ต้องเห็นว่าเป็นเป็นดินน้ำนวลไฟไม่เป็นแล้วแต่กรณีครับถ้าเกิดความรังก็ต้องเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักมันก็มันก็จะดับความรับอากได้ รู้สึกว่ามีความพัฒนาขึ้นบ้างนะครับอาจารย์ครับกลับไปขอบคุณอาจารย์นี่ครับผมช้าเจ้าไวเจอกันวันอาทิตย์ต่อกลับไปขอบคุณอาจารย์ครับไปที่คุณมาลีนาลีวุธาการใช่ไหมเกิดที่เรอยู่ที่ไหนอ ย, อยู่วุฒากาค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อวันนี้หนูไม่มีคําถามค่ะอาทิตย์ที่ที่หนูบอกหลวงพ่อหนูไปอยู่วัดมาค่ะ ผมพ่อได้ยินหนูว่าเขาไปอยู่มาแค่สองสามวันค่ะวันศุกร์เสาร์กับอนาทิตย์ค่ะได้ไปอยู่คนเดียวอ่ะไปแล้วทีนี้มันห้องเขาให้ไปอยู่ดวมกันค่ะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าที่นั่นจะมีคนมาเรื่อยๆค่ะห้องเดี๋ยวไม่มีนะใช่ค่ะส่วนมากจะจะเต็นมาหลวงพ่อ ช่วงนี้แล้วก็ ย, ยังดีกัอยู่ที่บ้านนะค่ะหลวงพ่อหนูก็ทําเต็มทีมค่ะแต่ว่าเวลามันน้อยเวลาเวลามันจะน้อยน้อยวันนะคะแล้วเสร็จแล้วคนพี่ที่อยู่ร่วมห้องเขาบอกโอ้โหแล้วทําไมทำทำแบบทําเยอะอะไรเงี้ยค่ะหนูก็อยากจะทําให้มันเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อเขาเขาไม่รู้ว่าเราทำงานขุดทางห เ, ลเวลาเราเน้อยเราต้องรีบใช่ค่ะแล้วแล้วแบบบางทีวันวันเสาร์หนูพอคือที่เนี่ยเขาจะไม่สวดมนต์ตอนเช้าค่ะเพราะว่าช่วงโควิดเนี้ยเขาจะทำเฉพาะวันโกนกับ ว, วันพระค่ะพระพระจางศพค่ะแล้วแล้วเสร็จแล้วต้องตื่นประมาณตีตสี่หรือว่าตีสามอย่างเงี้ยค่ะไปช่วยไปช่วยแม่ชีเขาทำทาอาหารอะไรเงี้ยค่ัแล้ว ทำอาหารแล้วก็กว่า จ, จะทำอะไรเสร็จก็เก้าโมงสิบโมงอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูย้อนไม่ค่อยเลยต้องไปหาวัดที่ไม่ตํางทำห น, หนูว่าเวลามันปฏิบัติมันน้อยมาอยู่บนเขาเชียงโอนอยู่บาไม่ต้องทำใ ช, ใช่ค่ะ ห, หนูหนูชอบที่เขาเชียงโอนมากกว่าคะ่ะแล้วแล้วเสร็จแล้วหนูก็เลยสงสัยก็เลยไปถามแม่ชีว่าแล้วแม่ชีได้เอาเวลา ต, อ, ตอนไหนไปปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะ แม่ชีก็บอกเข า, ก, ข า, ก, ขาการทํางานนี้เป็นการปฏิบัติ <c oughs> ใช่ไหมมันมันก็ได้แค่สมะถะอย่างเดียวได้ได้แค่เหมือนแบบแ<ต>มันกฝ<ม>ึกสติหน่อยได้ความเพียรได้ความขยันหน่อยค่ะแต่แต่แม่ชีบอกว่าพูดตรงๆก็คือว่าแทบไม่ได้ปฏิบัติแบบอหมายถึงว่าไม่ได้นั่งภาวนายอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าค่ะหนูก็หนูก็เลยรู้สึกว่า มันก็เปลี่ย น, นที่นะ้รับถ้าไม่ถูกไม่ถูกกับคําความต้องการของเราเราก็ต้องไปหาที่ที่ตอบโจทย์ของเราค่ะลองค่ะแล้วแล้วอย่างถ้าสมมุติเป็นแม่ชีอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะมีที่ไหนไหมคะที่แบบว่าเขาทําแบบปฏิบัติเยอะๆอก็หมอภาฒนาขึ้นไปมาว่ามัดทาตาทาคุยกับหมอภาฒนาดูาที่วัดดอนที่วัดรจะมีวัดถ้าเป็นศาลน้องตา แต่ก็ไม่แน่นําบางวันมันแล้วแต่ว่าบางทีเขาเน้นไปสอนคนระดับไหนสนระดับต้นระดับกลางหรือระดับปลายนี่มันมันไม่เหมือนกันระดับต้นนี่ต้อจับมารวบกลุ่มกันก่อ น, นเด็กอนุบาลเนี่ยแล้วระดับปลายนี่ให้เน้นไปอยู่คนเดียวค่ะแล้วแล้วพอตอนสายทํำอะไรเสร็จหนูหนูเดินมาแล้วมาเจอหลวงตาองค์หนึ่งค่ะหลวงตาหลวงตาก็บอกว่า ให้หนูอ่ะฝึกให้หนูอ่ะทําทุกวันให้สวดมนต์ไหว้พระภาวนาแล้วท่านก็บอกว่าจิตจิต ด, ดีท่านพูดเนี้ยแต่หนูก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรค่ะท่านท่านเห็นแล้วท่านก็พูดเหมาะบอกหนูอ่ะค่ะหลวงพ่อก็ ถ, ถูกต้องต้องปฏิบัติทุ้งวันค่ะหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติในร่านอย่างไรค่ะหลวงพ่อก็ไม่ขัดกันค่ะทีนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรหลวงพ่อขอ อ, อีกคําถามนึงค่ะ กรรมคุณเนี่ยมันมีคุณไหมคะหลวงพ่อกรมคุณไม่มีหรอกแต่แต่ทําไมถึงบอกว่ามีกรรมและมีคุณก็พ่อคนเขาชอบมันไยเวลาได้ดูได้ฟังแล้มีความสุได้ยินได้ฟังรูปเสียงกินร้อนได้สัมผัสมันมันก็มีความสุขมันก็เรียกว่าเป็นคุณแต่มันมันมันไม่มันมองมองไม่เห็นโทษของมันเวลามันเวลาไม่มีในเวลามันเปลี่ยนไป เวลาได้ยินเสียงชมเราบอกว่สุดเมาอเกินพอจากเสียงชมมาเป็นเสียงด่าปั๊บอันี้ทุกข์แบบขึ้นทันทีอ๋อก็อคือมองมองยังไม่เห็นความจรงิงที่แท้ใช่มองไม่ทั่วถึงมองเพียงด้านเดียวมเราเมาเหรียญด้านเดียวเห็นแต่หัวไม่เห็นก้อ ย, อยนะแต่พอเหรียญนั้นพิกขึ้นมาถึงจะรู้ถึงจะน้องหงอกห้องให้เสียใจทุกข์กัน หลวงพอ่อเขาอย่างคนที่ไปไปไปปฏิบัติหรือว่าไปอยู่วัดเนี้ยบางหนูว่าบางคนจากการที่หนูไปอยู่รวมอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูว่าบางบางท่านยังเข้าใจไม่ถูกอีกเยอะใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าไปอยู่แบบวงเนเปนวงเริ่มต้นเท่นั้นเพรอย่างเขาเขาเหมือนประมาณว่าแค่ไปทํางานโ น, น, น่นนี่อะไรเขาไม่ศึกษาพวกนี้เขาไม่เขาไม่ศึกษาเขาไม่ค่ะ เขายังเข้าใจว่าอย่างเงี้ยคือมามามาเาเรียกอะไรมาวิเวกแล้วมาปฏิบัติแล้วซึ่งจริงๆหนูวออ่ายังเข้าใจไม่ถึงก็มาแบบทัพพีในหม้อแกงเอ่ใช่ใช่ค่ะมีมีพระท่านพูดแบบแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อว่ามามา<ห><ห>ก้าไ<ห>ก้ดวให้อยู่หม้อแกงกี่หม้อมันก็ไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรไใช่ไมไปีรัชชาจอยวงไอ้จอยนี่เป็นภาษาไทย้วเป็นภาษ า, ษาอังกฤษ ไม่มีใครไปก่ดแท่กเด็กกูนะเปิดได้แล้วเปิไดปได้แล้วค่ะจอยพ่อคุณฟังอะไรจอยภาษาไทยนะ่าจะเป็นภาษาเหนือค่ะจอยวงค่ะจอยภาษาเนี้แปลว่าจอยไม่มันมหนูไม่ ร, มรู้หนูไม่รู้ทางฝั่งพ่อเขาเอยอ ะ, ะบอจอยนะบอจอยแล้วแบบภาษาอีสานไม่อร่อยแล้วแม้ะเป็นนามสกุลเถวทางพิษณุโลกค่ะ ประมาณนั้นนหนูไม่ค่อยลดจัดเท่าไหร่ mm hmm. หนูจะมาบอกพระอาจารย์ว่าคือหนูว่าทำกันบ้านผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างแต่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ฟังทำเมื่อวันเสาร์กับวันอาทิตย์หนูก็เอากลับมาลองเอามาแก้ไขดูะคะ่ะพอเวลามาทำงานหนูจะเจอหนูจะเจอคู่ปรับหนูแล้วหนูพยายามจะใช้ ความเมตตาบวกกับอุเบกขาซึ่งมันก็ผ่านไปได้ในทุกๆวันนะคะแต่เหมือนกับพอไปทํางานแล้วแบบไม่ไม่อยากไปแล้วพอมาวันแล้วหนูหนูไม่อยากออกจากว่าหนูก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากไปทํางานไม่รู้จะจะแบบจะทํายังไงแต่ก็คิดว่าเอาว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่ชอบออกจากงานก็ก็ก็ไปทางธรรมก็น่าจะง่ายสุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะเรา เดชก็มาให้เป็นเพื่อนไม่ได้นมันยากมากค่ะเพราะว่าพนหนูพยายามทําแล้วเขายังเขายังเขายังเคยบอกหนูแล้วว่าหนูไม่ควรมาวัดหนูก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของหนูหนูจะมาหรือแม่มามันก็เป็นเรื่องของหนูอะไรเงี mm ้ยค่ะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่ไปทําตามที่เขาอยากเป็นเราเป็นตัวของตัวเราเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ให้มีปัญหากับการทํางานตลอดเวลา เป็นาายอดได้แล้วระบเป็นแค่เพื่อนร่วมงานนะคะแต่ว่าเป็นระดับเพื่อนค่ะก<ม>็แต่ว่าหนูหนูใช้วิธีเนี้ยค่ะก็่าง ค, คนต่างอยู่ไปไม่ได้ต่างคนต่างทาหน้าที่ของตัวเองไปใช่ค่ะหนูก็หนูก็ไม่ค่อยคุยจะคุยเฉพาะเรื่องนอนเฉยๆก<ม>็พยายามให้ดีที่สุดเพราะว่าก็สงสารนายค่ะเพราะนายมีปัญหาที่รนายเขาก็จะค่อนข้างงานมันก็ปัญหาเยอะก็ไม่อยากให้ให้ให้ต้องมาทะเลาะกันให้นายเขาเป็นกังวล ค่ะก็พยายามใช้ธรรมะข้าจานนะคะที่ที่ไปวัดทุกวันก็คือไปฝึกสปีก่อนแล้วก็ไปเผชิญกับกันกับการทํางานในทุกๆวันถ้าเราทะเลาะกันล้วเราก็ผิดนะไม่ว่าสายจะเห็นอะไรก็ตามถ้าเราทะเลาะแล้วก็แสดงว่าเราก็ผิดนะต้มต้นต้มต้นข้างเดียวน่าไม่ดังนั่นก็ต้องพยายามเฉยๆทาตามหน้าที่ที่ถูกต้องไปเขาแยามาก็อยาไปรับ นับลูกไม่ยออยางนั้ก็ทำไม่รู้ไม่ชีไปพุโทโธพุทโธมาเอาไปนนหนูกาหนดกำหนดไม n d แ a p หนูเรียบร้อยแล้วค่ะสี่ปีหนูส่งลูกสาวเรียนจบปุ๊บแล้วหนูไม่เอาอะไรละก็จะไปทำคำอย่างเดียวเลยค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะโอเคสาอาจารย์สายทียอันนี้กลับไปสารคามได้ยังยังกลับมาแล้วค่ะพา มาตการพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะสองสามวันที่แล้วไปวัดไปอยู่วัดมาค่ะพระอาจารย์เป็นไหนเป็นวัดเติมค่ะวัดท่านผาแดงผ่านนิมิตเพราะว่าแม่ชีแม่ชีท่านไลายมาหนูก็เลยได้ถามว่าอ่มีที่แบบทดสอบความกลัวไม่ค่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ท่านบอกมาเลยตอนนี้มีเยอะมากที่หน้าผาก็ได้เพราะว่าแม่ชีบางบางรูปท่านก็ ชรามากก็ลูกหลานมารับกลับไปอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วพอหนูไปที่วัดแม่ชีบางท่านลาศิกขาออกไปเป็นทําอาชีพอะไรเงี้ยค่ะแม่ชีบางท่านก็ลงตาไม่ให้อยู่เราก็รู้สึกตกใจนิดนึงค่ะพระ อ, อาจารย์ว่าอุ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยค่ะที mm hmm. น, นี้พอจะไปทดสอบความกลัวก็ใจยังไม่กล้าค่ะพระ อ, อาจารย์เพราะกลายเป็นว่าหน้าหาที่เราเคยอยู่เนี่ย สมัยก่อนที่ที่ไปตั้งตั้งเต็น์ก็ยังมีเพื่อนอุาัสกาแต่อยู่ใกล้ๆ ก, กันแล้วก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่น่ากลัวอะไรถึงมันจะเปิดโลง่งก็ตามก็เลยยังไม่กล้าค่ะก็เลยขออยู่ใกล้ๆตุดแม่ชีแต่ว่าเป็นแคร่ไม้ไผ่ค่ะพระอาจารย์ซึ่งไม่มีผนังเลยแล้วก็เออดีน่าสนใจแล้วก็มีแค่แค่เต็นเ์เล็กๆค่ะไปนอนหัวกับขา วพอดีเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเอ๊ะวันนี้เอาใกล้ๆแม่ชีก่อนก็แล้วกันาาค่ะพระอาจารย์ค่คอยๆข ย, ยับหน่อยก็เลยคิดว่าถ้าไปอยู่ข้างบนคนเดียวน่าจะใจไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่แปร่งพอค่ะแต่ก็บอกแม่ชีว่าคราวหน้าถ้าไปอาจจะมาไปอยู่หน้าเป็นอยู่ตรงกูดแม่ชีที่อยู่บนหน้าผาค่ะ แต่ว่าที่ที่หน้าผามีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสา ม, สามค่ะพระอาจารย์ชั้นหนึ่งก็ยังมีแม่ชีที่อายุเยอะๆท่านอยู่ค่ะแต่ชั้นสองชั้นสามไม่มีแล้วก็อที่วัดสร้างสังเ น, น, นิชนีเราหลวงตา ก, ก็เลยเอมาอยู่ชั้นล่างลงมา ก, กว่าที่ ท, ท, ที่ที่ท่านเคยอยู่ค่ะข้างบนเลยเงียบมากแม่ชีบอกว่าเลือกเอาเลยอยากจะอยู่ที่ไหนก็เลือกเอาเลยก็เลยวเไว้คราวหน้าแต่ว่า เหมือนคุณวลีบอกว่ากิจกรรมงานวัดก็จะเจอะค่ะตีสามตีสามตีสามคึ่งนี่มาทําวัดเช้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็เสร็จจากทําวัดเช้านั่งสมาธิก็จะมาเตรียมอาหารเราทําอะไรไม่ค่อยเป็นเราจะเป็นอยู่แผนผลไม้แล้วก็ทําแล้วก็ก็ก็ทานมื้อเดียวค่ะพระอาจารย์แล้แต่ว่าคนอื่นนี่มื้อเดียวนี่มือแบบเอาเยอะมากตอนแรกวันแรกหนูก็โลกค่ะพระอาจารย์ อันนี้ก็อยากกินปรากฏว่าเหลือเราก็เราจริงๆเรากินได้นิดเดียวเรารู้อยู่ว่ากินนิดเดียววันที่สองก็เลยเอาแค่เอาแค่พอประมาณค่ะก็ปรับตัวกินเลสมายั่วยวนว่าอยากได้กินเยอะๆแล้วก็ระหว่างวันคือท่านอื่นเขาก็ไม่ค่อยปฏิบัติอะไรค่ะพระอาจารย์เราต้องขออนุญาตค่ะว่าขอไปปีกวิเวกก็คือขึ้นไปที่หน้าผาค่ะไปเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิคนเดียว ต่ว่าบ่ายสามเราต้องลงมาช่วยงานค่ะพระอาจารย์ uh huh. มันก็เลยจะมีช่วงแต่ว่าเราก็วางใจวางใจเบาๆว่าอมีกิจเราก็ช่วยทําอะไรเงี้ยค่ะระหว่าง uh huh. ทำถ้ามีคุยด้วยนิดหน่อยก็คุยถ้าเราไม่นั่นเราก็ออิติปิโสไปเงียบเงีย บ, ยบไม่ให้เขารู้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ทําของเราไปแล้วก็ตอนทําวัดสวดมนต์ปกติเราไม่ค่อยสวดคืนแรกนี่แบบว่าหนักมือมากเลยค่ะพระอาจารย์ทำั่มือ สวดมนต์รู้สึกว่าโอ้ยนานจังแต่ว่าวันที่สองมีสวดได้แบบนานเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันพระพอดีเมืมม่อเมื่อคืนอยู่ถึงหกทุ่มเลยค่ะพระอาจารย์สวดมนต์แล้วก็นัน่งสมาธิเราที่แปกใจค่ะพระอาจารย์คือนอนอยู่ที่วัดไม่ฝันเลยค่ะทั้งสองคืนคือเงียบมากอันนี้เป็นเป็นเพราะสวดมนต์ด้วยไหมคะพระอาจารย์ก็มีสวดมีสติเี้อจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตไม่คลื่อแต่งค่ะแบบ เขาก็ถามว่าเป็นไงบ้างฝันไหมไหมเราคืนที่คืนที่สองนาฬิกาไม่มีไฟได้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบว่านาฬิกาเรามือถือก็แปดหมดต้องนอนหกทุ่มหกทุ่มฝาแล้วตื่นตีสามจะตื่นได้ไหมนะแต่ก็ตั้งใจแล้วเราเหมือนแบบตื่นมาตีสามเป๊ะเลยค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับสติด้วยไหมคะพระอาจารย์เหมือนมันใช่มันจิตจิตใต้สำนึกเตือนคอยตือนอยูเป๊ะเลยค่ะเพราะว่าหนูลองกดนาฬิมือถือที่มันยังเหลืออยู่น้อยนีิด ตรงเวลาพอดีอะไรงเงี้ยเราคิดไว้กันก่อนว่าจะต้องตื่นเวลานั้นเวลานี้ส่วนใหญ่มันจะมันจะตื่นเหมือ น, นเราบอกตัเวเองไว้ได้ใช่ไหมคะใช่สั่งไว้ก่อนมัน่นเราพยายา ม, <ไป S 1> มจะจไว้ค่ะทีนี้เรื่องเรื่องสินสินแปดแต่ก่อนที่บอกพระอาจารย์ว่าสินเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดจุดห้าอะไรเงี้ยค่ะคร<ม>าวนี้ก็เลยตั้งใจถือสินแปดค่ะพระอาจารย์ ก็เลยมันจะมีอยู่แค่สิ่งหนึ่งที่เรายังติดก็คือมีบงลลูนีที่เราชอบของเกาหลีค่ะเรารู้สึกว่าเขาน่ารักคราวนี้ก็เลยแบบพอละเล่นมานานแล้วถึงเวลาหรือยังเล่นพอหรือยังวันหนึ่งก็ถามตัวเองว่าพอหรือยังพอพอได้หรือยังอะไรเงี้ยค่ะก็แบบพอก็ได้ก็เลยเลิกเลิกค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็อถามพระอาจารย์ก็คือบางทีมันผ่านตาอะไรเงี้ยค่ะ หรือข่าวผ่านตาเราอ่านเราพอที่จะอ่านได้ไหมคะนี่ถือว่าผิดศีลไหมคะพระอาจารย์ก็อ ย, อยที่เราถ้าเรายังไปสนใจอยู่เนี้ยมันก็ดูดเข้าไปเองอด้พยายามก็คือให้มันผ่าน ไ, ไปเลยให้มัน่านไปเลยอย่าไปอย<บ>ุดอืมต่อรู้เรื่องหน่อยแต่ว่าไม่ได้อะไรเนี้ยก็ไม่มควนใช่ะอือะแล้วหนูก็ค่ะก็พิจารณาเขาก็มองเลยค่ะพระอาจารย์วันนี้แบบนักล่องที่เราแบบรู้สึกว่าเออเขาคอนิสัยดีแล้วก็มองให้เห็นกระดูกมองให้เห็นตา มองเมันจะได้แบบว่าเฮ้ยจะได้แบบเออมันก <races> <ivan> ็แค่นั้นนะเราจังจะมาอะไรกับพวกนี้อยู่นะเสียเวลาเสียเวลาเนศีรษะมองเห็นกระโหลกศีรษะมองค่ะเห็นมองก็ไปเห็นกระดูกเห็นตาที่มันมีเลือดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามมองอืมค่ะแล้วก็ที่บ้านค่ะพระอาจารย์ตะก่อนนอนพื้นแล้วมันเหลือที่น้อยตอนนี้เอาพวกออกแล้วค่ะยกพวกให้ให้คนอื่นแล้วก็ไปซื้อมาที่มัน เป็นไบซื้อไม้มาตัดใส่บนเตียงค่ะที่แบบไม้ที่มันไม่มีไม่มีฝุ่นค่ะให้น้องชายตัดให้ค่ะพระอาจารย์จะได้แบบนอนสบายหน่อยเพราะแต่ก่อนมันที่ประมาณเม็ดเดียวบางทีหมุนจนโต๊ะจนเตียงอะไรเงี้ยค่ะต่ำขึ้ค่ะที่กว้างที่กว้างก็ทั้งทั้งเตียงที่มันเตียงหกฟุตค่ะพระอาจารย์กว้างมันกินพื้นที่อีกเรื่องนึงจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเรื่องสติ เ อ, อไม่แน่ใจว่าอย่างบางทีมันก็มีเหมือนบทสวมดมนต์ขึ้นมาในใจเราก็สวดไปเรื่อยๆออซีพีโซไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ดูลมหายใจหรือว่าบางทีเราก็ดูกระดูกอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่แน <c oughs> ่แต่ได้ได้เป็นกรรมฐานานั้นเป็นการเ <c oughs> จริญสติท <c oughs> <ๆ S 2> ัก็คือไม่จำเป็นต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้แบบนั่น <c oughs> ใช่ไหมใช่ถ้าอะไรขึ้นมาตอนนั้นเราก็จับตรงนั้นได้เลยได้ได้ ค่ะเพราะว่าตอนแรกไม่แน่ใจว่าถามพระอาจารย์ดีเปล่าเราแบบเหมือนเหมือนสเปะสปะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอย่าไ่คิดเป็นเรื่องเป็นราวก็แล้วกันอืมก็คืออะไรขึ้นมาก่อให้เรามีสติใช่ไหมคะรแต่ถ้าให้อยู่กับเรื่องเดียวได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้ายังอยู่ไม่ได้ก็อย่างน้อยก็อยากให้มันไมคิดเป็นเรื่องเป็นราวคิดถึงคิดถึง youtube คิดถึงแฟนคิดถึงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคิดหมายถึงอยากให้มีความคิดเข้าขึ้นมาใช่ไหมแต่ แล่ถ้ามันจะเปลี่ยนจากร่างกาย้วพุทธโยจากพุทธโยมาส่วนอะไรก็กยังถือว่าโอเคแต่ถ้าอยู่แต่เรื่องเดียวได้ไม่ดีเอาแต่เรื่องเดียวไปมะไ่ะมันจะได้ไม่ดินไม่ดิน้นนียิ่แสดงว่ามันยังดิน้นดินจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้ น, น, น, น, น, น, นเรื่องนั้นไปเรื่องนี้นฉับว่าเรื่องนี้เหมือนเรายั ง, ยย ง, ยงรู้สึกว่าตัวเอง ส, ต, ส, ต, สติอ่อนมากเลยค่ะพร<า>ะอาจารย์มันไปส่งผลในสมาธิแบบไม่ลงลึกแล้วตอนนี้นั่ง ค่ะนักสมาธิตอนนี้มันไม่มีปุ๊บไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์ถ้าถ้ามันมันจะมันจะมันจะนิ่งเลยค่ะพระอาจารย์ถ้ามันมันจะแบบนิ่งแล้วก็มีความสุขแต่ว่าเป็นแบบนี้ไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าเราเห็นว่าเออเดี๋ยวนี้มันไม่มีเวียงแบบแต่ก่อนนี้เวียงแรงเหมือนแบบตัวเราเวี่ยงนะคะไม่มีแรงนานๆๆนาทีก็ได้ไม่อาจจะไม่มีก็ได้น้กสั่ได้เป็นไรขอให้มันสงบก็แด้ก็เรื่องของมันใช่ไหมคะจะยังไงขอให้สงบก็พอ พระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้นั่งเวทนาดูจะเบาลงค่ะไม่ถึงเราไม่ค่อยไม่แล้วก็เวลาแต่ก่อนเนี้ยถ้าหนูนั่งสมาธินานๆขามันจะเหมือนปิดแล้วก็ต้องรอนานเดี๋ยวนี้มันมันก็ตอนที่นั่งมันไม่รู้สึกเจ็บนะคะพระอาจารย์แต่แต่พอออกมาปุ๊บมันก็เห็นว่าขาเราคือเราสั่นให้มันแบบอย่างนี้คืนยังไม่ได้ตรงตรงเท้าค่ะเราแต่ว่าช่วงเวลารอให้มันหายมันสั้นสั้นลงค่ะพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่า เออมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นอันนี้เกี่ยวข้องกับเราอยู่กับเวทนาได้ดีขึ้นไหมไหมคะพระอาจารย์ก็มีส่วนถ้าจิตลัะสงบแล้วมันบางทีลุกขึ้นมามันวจะไม่รู้สึกเจ็บเลยมันก็ค่ะมันมันไม่เจ็บแต่มันมันไม่มีความรู้สึกเลยค่ะพระอาจารย์ชาไปเลยแต่ว่ารอค่ะตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์แต่ยังรู้สึกตัวว่าสติไม่ค่อยไม่ค่อยดีค่ะพระอาจารย์จะพยายาม คือไจะ ต, ต, น, ต น, นี่ยให้มันต่อเนี่อค่ะเพราะอีกเรื่องหนึ่งค่ะพระอาจารย์คือเรื่องของสิ้นแปดคือตอนแรกหนูกินข้าวมื้อเดียวมามานานละค่ะรั้อีกวันนึงเป็นไมเกรนแล้วอาเจียนค่ะพระอาจารย์อาเจียนไปสามครั้งแล้วมันแบบมันไม่รับอาหารด้วยค่ะมันแบบใจสั่นแล้วตอนั้นต้องไปไปพนิยา ก, ก่อเลยไปขอโอวันตินเขาก็สักหน่อยก็ไปอาเจียนออกตอนนั้นแย่มากเลยค่ะก็เลย ก็เลยทานอาหารวันนั้นทานไปสามมื้อเลยค่ะพระอาจารย์ก็ไม่เวลาบางช่วงก็ต้องดูแลร่างกายไปก็ให้มันมค่ะถ้าอย่างนี้ก็คือเอาตามที่ไหวใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้ามื้อเดียวก็เอาถ้าไม่ไหวก็ไม่ควรวเกินสิ่งแปดอื ม, อมค่ะมีประมาณเท่านี้ค่ะพระอาจารย์แต่จะพยายามมื้อเดียวไปก่อนค่ะแต่ว่าถ้าทํางานเยอะก็ค่อยเป็นสอง ม, มื้อค่ะอ่าแต่อย่าให้มันเกินหลังเที่ยงไปก็แล้วกันค่ะจะ พยายามค่ะประมาณแค่น <workouts> <defender> ี <sequences> <S <S <S ้ค่ะถ้าไม่ไหวจริงๆก็กลับมาถึงสี่ห้าก่อนก็ได้ครัเอาตามตามสภาพของร่างกายไม่ใช่ตามความต้องการของเราเําดูตามความต้องการของร่างกายอืก็คือถ้าไม่สบายก็ถอยออกมาก่อนหายดีแล้วก็ครับถ้ามันจำเป็นจะต้องกินเนื่อไม่เยก็กินไปแต่ถ้าไม่นจำเป็นก็อย่าไปกินอืพยายาม แล้ ว, ลวลช่วงนี้ก็ไม่ค่อยโทรหาเพื่อนเลยค่ะอาจารย์ใจชีวิตแบบว่าใครอยากติดต่อเราติดต่อมาเองแต่เราจะไม่ติดต่อใครแล้วค่ะเพราะรู้สึกว่าเขาก็อยู่ของเขาได้เราไม่จำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์มากอะไรเงี้ยค่ะโอเคดีมาก <c oughs> จะมีก่อนนะค่ะค <c oughs> ่ะสาธุค่ะมณเอกซอสัตมีที่ไหนมณเอ ใช่ครับผมพูดได้เลยครับอีกรับประจารย์ครับก็อยู่อยู่กรุงเทพครับเข้ามาเป็นครั้งที่สองครับอาจารย์ครับมีอะไรไหมครับก็ผมเริ่มเริ่มฝึกในเรื่องของสมาธิครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับซึ่งเวลานั่งไปสักพักหนึ่งนะครับก็อ่ามันจะเกิดเคยนั่งอยู่ได้ได้สูงสุดนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่ง แล้วมันมีความรู้สึกว่าเราก็สามารถที่จะทนได้ต่อการเหน็บชาแต่มันมีอยู่ความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดเย็นตรงบริเวณกลาง อ, อกครับพอเราคุมสติก็คือตั้งพุทโธเราจเจริญอยู่กับลมหายใจนะครับแต่พอเรารู้สึกว่าเย็นอยู่กลาง อ, อกเรากา็เหมือนกับว่าถอยถอยออกแล้วก็เหมือนกับรู้สึกแล้วก็เหมือนกับลืมตาครับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า มันเกิดจากความรู้สึกอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะจะนั่งเพื่อให้ได้อะไรแต่นั่งเพื่อให้มันมีสติแล้วก็ให้สามารถคุมสมาธิให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยู่กับลมหายใจมากที่สุดครับอันี้ถ้าอยากจะอยู่มากก็ต้องอยู่นั่งต่อไปอย่าเพิ่งเลิกประมาณนี้ครับอย่าเพิ่งเลิกเวลากิดความอยากจะเลิกก็ล อ, องนั่งทนทนทนัน่งดูลมต่อไปแนะพูดโทนกลัไปครับ มันจะได้นำระยะออกเป็นนานๆขึ้ น, น, น, นครับโอเคนะครับครับผมครับขอบคุณครับทนนี่คุณ Galaxy S 2 0่สิ Galaxy อยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะอนามัสการพระคุณเจ้าค่ะอยู่สวีเดนค่ะสวีเดนอมูม่อะไร Starcom เออืม um, อยู่อยู่นอก Starcom ประมาณ ถ้าขับรถก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงค่ะ <Okay. S 2> ดิชันลืมระยะทางว่าเมืองที่ดิฉันอยู่ห่างจากสต็อกโฮมกี่กิโลเมตรแต่ถ้าขับรถก็ประมาณสองสามชั่วโมงค่ะสองามชัประมาณร้อยกว่าสองร้อยกิโลค่ะประมาณนั้นนคะคะเพราะว่าดิฉันไม่เคยไม่เคยลืมคือลืมค่ะแต่ก็ขับรถประมาณนั้นค่ะคือดิฉันมีสภาวะทำจะสอบถามท่านคนเจ้าค่ะ <Okay. S 2> คือว่า ค่ะคือว่าดิฉันเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ประมาณหกเจ็ดเดือนค่ะคันนี้ตอนนั่งนั่งวันแรกก็ฟุ้งซ่านคันนี้ก็จับได้จับความฟุง้งเพราะว่าคนไม่ได้นั่งมายี่สนะิบกว่าปีเนาะคันนี้พอวันที่สองก็เริ่มนิ่งวันที่สามประมาณวันที่สามหรือวันที่สี่ะค่ะก็คือหลังนั่งสมาคือเหมือนใจใจมันจะขาดหายใจ เหมือนมันจะขาดะคะ่ะเหมือนมันจะไปตรงไหนแล้วมันจะขาดครวนี้ก็ดิฉันก็ออกจากสมาธิแล้วไปนอนครวนี้ก็พอตอนไปนอนก็แบบ เ, เวลาพลิกตัวนะคะมันไม่มีตัวตนมันเป็นเหมือนพลังงานนะคะเป็นอย่างนั้นอยู่ทั้งคืนครนี้ก็เหมือนกับนอนไม่หลับนะคะเหมือนมีเสียงมาตโกนเรียกอยู่อยู่ข้างข้างหูซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ดิฉันนั่งสมาธิต่อเพราะว่าอยากรู้ว่าคืออะไรนั่งสมาธิแบบไม่มีอาจารย์ ก็หลังจากนั้นก็นั่งเรื่อยค่ะก็จนมาเจอสภาวะที่ที่แบบมันเงียบมันนิ่งเนาะดิฉันรู้สึกตื่นเต้นคนนี้พอมันเงียบมันนิ่งก็มันเหมือนเหมือนเป็นความคิดหรือตอนนั้นรู้แล้วว่ามันมันเป็นความคิดค่ะมันขึ้นมามาแล้วมันเป็นลูกกลมๆมันขึ้นมาแล้วแต่มันแตกไปก่อนก็เลยไม่รู้ว่ามันมันเป็นความคิดอะไรควนี้ตอนนั้นยังไม่มีอาจารย์ควนี้ก็ คบปรามโมดคือนั่งอยู่นั่งนั่งฟังธรรมะแล้วก็ย้อมผมแล้วอยู่อยู่มาเกิดปรามโมดอ่ะมันเป็นสุกมันมันยิ้มมันเป็นสุ ข, สขคือนั่งย้อมผมแล้วสติมันอยู่ที่ผมแล้วฟังเทศของหลวงพ่อเทียนฉะนั้นก็สติมันอยู่แล้วมันเกิดปรามโมดคือยิ้มไม่มีอา่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียก ว, ว่าเอา่อไม่มีนิวอนค่ะคือมันเป็นสุขขึ้นแล้วก็ มันไม่มีโก ร, โรธลบรอก ม, มันมันเป็นสุขแล้วก็เราก็โทรหาพ่อโทรหาแม่โทรหาแล้วเราก็ยิ้มโทรไปเราก็ยิ้มก็ตอนนั้นยนังไม่ทราบ ว, ว่ามันคือตราโมทคนนี้พอหลังจากนั้นก็คนในเฟซบุ๊กในพยายามหากลุ่มก็มาเจอพระคุณเจ้าท่านหนึ่งก็แต่ไม่ทราบ ว, ว่าท่านเป็นพระก็เลยถามแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเจออย่างนี้ก็คือให้ให้ให้ใ ห, ใหออ้อยู่กลบลมหายใจฉันก็ก็ก็นั่งมาด้วยเรียกว่าเกิดความสนใจว่ามันอะไรขึ้น ไม่ไม่ได้มีความปรารถนาที่จะจะนั่งสมาธิเพื่อไปนิพพานตั้งแต่แรกหรือไปไปเห็นอะไรตั้งแต่แรกแต่บางเ อ, อิญมันเกิดเหตุขึ้นมามนก็ทําให้เราแบบอยากนั่งครนี้พอพอหลังจากพบพระคุณเจ้าก็ทําตามครนี้กก็ได้ยินเสียงออกจากอกแล้วมันเป็นเสียงเล็กๆแตกขึ้นมาที่กลางอกมันแตกขึ้นแปะ๊ะแปะ๊ะแปะ๊ะก็ก็ถึงได้ทราบว่าอ๋อ ก็คือถามย้อนหลังอพระคุณเจ้าองค์นั้นว่าเคยเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีความคิดขึ้นมาแต่ว่าไม่รู้ว่าคิดอะไรแล้วมันก็แตกหายไปแต่พระคุณเจ้ายังไม่ตกครนี้พอหลังจากปฏิบัติตามก็มันมีเสียงขึ้นมาแป๊ะแปะพระคุณเจ้าก็เลยบอกว่าก็คราวเธ่ที่ถามผมยังได้บอกว่าจิตมันช้าไปครนี้ก็เลยก็เลยได้ทราบว่าอ๋อเหตุเกิดที่อไทยวัตถุครนี้ก็นั่งเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอ nang nang เรื่อยเรื่อยก็ ไปเจอเอ่อเขาเรียก อ, อะไรอ่าข้าววิญญาณนำใจยัตตนะค่ะก็คือทำสก็คือเอาตอนแรกพบธาตุก่อนก็คือธาตุมันจะอยู่ในตัวเรามันมันจะมันจะสัน่นอยู่นนนในตัวเราค่ะสั่นสั่นอยู่ในตัวเราก็ก็เลยทําให้เข้าใจธรรมะว่าอ๋อร่างกายประกอบด้วยธาตุค่ะก็ก็เข้าใจแต่ยังไม่เข้าลึกครั้นี้ก็จนนั่งสมาธิจนวันนั้นนอนสมาธิก็เกิด เป็นเห็นวิญญาณน้ำใจยัตตนะขึ้นมาก็เลยมันเห็นมันแยกอะค่ะก็คืออยู่ขนานกับร่างมันมันเป็นเหะมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็สองสิ่งคือเป็นร่างแต่เราไม่เห็นว่าเป็นเป็นหน้าตาของเราหรอกแต่เรารู้มันเป็นร่างในสมาธินะคะเอก็แต่ตัวเราออยู่ที่จิตของเราเราเห็นร่างเราก็ทิ้งร่างแต่ถ้าวิธีที่ทําให้ถูกก็คือต้องไปดูที่ร่างเพื่อที่จะเออ่ไปได้ถูก ค่ะครานี้ก็แล้วโยมมีอะไรโยมมีอะไรจะถามถามดีป่ะไม่น้ำเล่าอ่ะค่ะค้ะคณิถามคร น, น, ค น, นี้ครั้งล่าสุดภาวะล่าสุดก็คือยืนในครัวเสร็จแล้วอยู่ๆมันเกิดขาสั่นแล้วก็เป็นกระแสไฟฟ้าทั่วตัวแล้วจิตมันแยกแล้วมันเห็นสภาวะความคิดความคิดเอ่อความรู้สึกต่างๆมันพุ่งขึ้นมามันก็ขึ้นมาของมันแต่มันมีตัวหนึ่งที่ยืนดูอยู่เสร็จแล้ว ด้วยความที่ขาก็สั่นมันเป็นดิฉันก็เลยมานั่งนั่งดูสภาวะนั้นแล้วสักพักสสภาวะนั้นก็หายไปค่ะคนนี้ดิฉันก็เลยแบบอยากก็คือพูดง่ายๆว่าอยากได้สภาวะนั้นกลับมาเราอยากไม่ได้หรอกมันเป็นธรรมชาติที่เราไปสั่งมันไม่ได้ค่ะก็มันเกิดแบบมันเองมันจะมามันก็มามันจะไปก็ไป แต่เ้าความจริงเราไม่ต้องประยัสิ่งที่เราต้องการก็คือความไม่มีอะไรเนี่ยความว่างต้องการความว่างค่ะดันั้นก็ฝึกสติให้ให้จิตอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจไปจิก็ะจะเข้าถึงสู่ความว่างได้ค่ะโอเคนะมีอะไรไหมอ๋ก็คือก็คือสภาวะนี้ถ้าเกิดว่าในา อยากสอบถามอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรนะอยากทราบว่าในกรณีที่เป็นพระอรหันนะคะสภาวะนี้เขาจะเกิดกับเขาตลอดเลยใช่ไหมคะพระอาหารหันนั้นไม่มีสภาวะอะไรเลยว่างหมดว่างหมดอื ม, อมแล้วสภาวะที่ทดิฉันพบนี่เขาเรียกว่าอะไรคะเป็นใจรักเป็นอันนี้จัดดูขังอนาตตาอืมแต่ว่าเขาทํางานเองอัตโนมัติคือเราเป็นอ น, น, นาตตาเลยอ<ล>ยากกังวลใจแล้วค่ะเราไปสั่งเขาไม่ได้เังนอนดินฟ้ากันค่ะค่ะ ก็ฝึกต่อไปดูกายดูดูใจดูทุกอย่างเกิดข <äh ึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นต MM okay ั้งอยู่ระดับไปไม่ต้องไปอยากให้เขากลับมาเขาอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ปล่อยเขาไปให้ลูกเฉยๆนั่นเองค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณุกคมากค่ะคุณสุภัสตาเชิจากเด l ัสซายกส์นู่นจากสวีเดนข้ามมาที่อเมริกาแล้ว กลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกและคุณพ่อไม่มีคําถามเจ้าค่ะขอร่วมตังเจ้าค่ะเห็นไปที่น้องมีน้องลีแล้วลูกอยู่ฝรั่งเศสนะอ๋อไม่ใช่นมัสการนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะนงนงค่ะนงที่หนองมนชนบุรีค่ะเคยเข้ามาบ้างเคยเข้ามา เคยเข้ามาค่ะเคยเข้ามาแต่ว่าบางครั้งใช้คอมพิวเตอร์ลูกมันก็จะเป็นชื่ออื่นบ้างาค่ ะ, ะวันนี้กราบนมัส ก, การก่อนนะคะแล้วก็หนูมีคำถามอะคะ่ะคือหนูเคยทำหนังสือที่เป็นบทของพระไตรปิฎกอะคะ่ะแล้วมันได้ได้อ่านได้ทำเรื่องม้วนดินนะคะที่การกำเนิดของโลกที่เป็น ฝุ่นละอองแล้วก็รวมมาเป็นโลกเป็ น, น้วนดินนะคะตรงนั้นน่าทำให้พิจารณาพิจารณาอะไรอยู่เรื่อยอะคะ่ะในการในการเกิดของของอร่างกายเราที่เป็นธาตุหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูจะคอยพิจารณาอยู่เรื่อยพอพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วอะ่ะมันเหมือนกับว่าอืมเราเราไม่ใช่เราเราไม่มีตัวตน มันไม่มีอะไรเลยแต่หนูก็แล้วก็กลัวแล้วก็ไม่รู้จะภาวนาต่ อ, อยังไงนะคะใชกลับมาที่พุโทโธพุโทโธถ้าพิจารณาแล้วกลัวก็กลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธหยุความคิดตอนนี้เวนั่งสมาี่ไม่ควรพิจารณานั่งเพื่อให้จิตสงบให้ว่างให้เร่งให้เย็นให้สบายค่ะพิจารณาก็ต้องพิจารณาให้มันถูกแนวทาง แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องพิจารณาเวลานั่งสมาธินี้พยายามหยุดความคิดหยุดการพิจารณาให้จิตนิง่งให้จิตสงบให้จิตว่างให้เยันสบายใช้พุทธโธก็ได้ใช้ดูลมหายใจก็ได้อืแต่อย่าพิจารณาอย่าพิจารณาอ๋อค่ะสามารถ อ, อภาวนาพุทธโธหรือดูลม มันมันเหมือนกับว่าหนูก่อนหน้านี้ที่หนูไม่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แนะนําอะค่ะเรื่องพุทโธค่ะหนูไปภาวนาว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก็ได้ก็ได้ก็ได้หายใจเข้าหายใจออกก็อ๋อค่ะแล้วทีนี้มันแล้วหนูมาพุทโธหนูก็เหมือนฝืนฝืนแล้วมันก็ตลับไปตลับมาสุดท้ายก็ได้เรื่องเอาเรื่องเอาแบบที่เราถนัดขนาดเอาที่ถนัดไปได้เลยใช่ไหมค่ะได้เลย ค่ะแล้วก็หนูหนูเป็นหนูอยากปฏิบัติแต่มันก็ไม่ค่อยปฏิบัติอย่างงั้นนะคะเหมือนกับว่าบางครั้งทํางานหรือว่าเจอเจออะไรผัดสักทางานอะไรเงี้ยหนูก็ไม่มีสมาธิแล้วก็ขี้เกียจไปเหนื่อยไปยังไม่ทําอะไรก็ได้แต่บางครั้งก็หนูต้อ ง, ง, งจัดตารางไว้ทําตารางไว้ว่าเวลานี้จะนั่งสมาธินพอถึงเวลาก็กํงางังคับตัวเองให้นั่ง แย่ปล่อยทําตามมาลงอ๋อค่ะมันกินข้าวอ่ะเวลาพักเที่ยงมากินข้าวเลยเนี่ยอยากกินไม่อยากกินก็ถึงเวลาก็ต้องกินทายภาพชั่วโมงอย่างนี้ยตอนเช้าฝันจะไปเตื่นขึ้นมาก่อนจะไม่ทํำงานก็ต้องกินข้าวถ้ามันมีตารางถ้าเราทําตามตารางมันมีตารางเราก็จะทําตามตารางได้แ้่เราไม่มีตารางเรือมันยังไม่หิวไม่อยากกินอ่ะค่ะมัยังไม่ได้กิน ใช่ค่ะแล้วมันก็กลายเป็นตามอารมณ์ตามอารมณ์อย่าปฏิบัตินามอารมณ์ต้องปฏิบัติตามตารางอ๋อเพียงปฏิบัติตามตารางไปที่เราตั้งใจไว้แล้ว น, น, นั่นใช่ไหมค่ะค่ะแล้วหนูก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าก่อนหน้าเนี้ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติอะไรแบบนี้ไม่มีทาวัดเช้าวัดเย็นหรือนั่งสมาธิหรือภาวนาขนาดนี้แต่ว่าศึกษาธรรมะศึกษาพระไตรปิฎกอ่าน อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทําหนังสือมันมันพัฒนาขึ้นมาแน่ๆพ อ, อศึกษาแล้วเนี้ยมันก็อยากจะปฏิบัติองี้อ๋อหนูก็มีความรู้สึกว่าคือศึกษาและฟังอะ่ะมันไม่ติดเข้าไปในตัวเท่าไหร่ต้องปฏิบัติเลยค่ะแต่ปฏิบัปฏิบัติก็เหมือนเหมือนเริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่ไม่ละ ก, การปฏิบัติแต่ก็ไม่ไม่เพียนปฏิบัติอย่างอย่างดีอย่างนั้นนะคะใหม่ๆก็้องรู้คู่คานไปก่อนเพราะมันยังไม่เห็นผลต่อไปพอเห็นผลแล้วมันจะ มันจะขยันขึ้นไปอ๋อแล้วก็หนูก็รู้สึกว่าเหมือนก่อนหน้าเนี่ยที่เราเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นเรากพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างทรัพย์สินสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอถึงใน ว, วันนี้ที่ได้อปฏิบัติมากขึ้นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่ได้อยู่กับเราอะไรก็ไม่ได้อยู่กับเราเอไม่สําคัญเราทำมากดีกว่าปฏิบัติทำนีกว่าใช่แล้วก็รู้สึกว่า เ uh, มื่อก่อนเรามองแค่เราตอนแก่แต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าถัดจากตายไปเนี่ยจะยังไงจะจิตจะอยู่สภาวะได้ยังไงไปแล้วอย่างนั้นนะคะแบบคิดเกินไปไหมคะหรือว่าไม่หนะรอคิดได้แล้วก็ต้องรู้ว่าเราต้องทําอะไรต่อไปถ้าเรารู้ว่าจิตเรายังไม่ดีขอก็ต้องเริ่นทําให้มันดีขึ้นของเขาใช่ค่ะแล้วหนูก็ตอนนี้อายุสี่สิบกว่าแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่า มันเหลือแค่ยี่สิบกว่าปีที่เราจะเพียรทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันเร่อยๆ<ะ>ทำได้เวลาน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ใช่ค่ะค่ ะ, คะดีนะคะขอบพระคุณจ้ะคุณกิติศักด์ขรธรรมรชการพระอาจารย์ครับเมื่อวานได้มีโอกาสเข้าฟังทำพระอาจารย์ในภาษาอังกฤษครับพระอาจารย์ ก็ลองม า, าร้งเก็บบ้านะอยากก็ชาติเป็นยังไงก็รู้สึกก็รู้สึกท่านพระอาจารย์เมตตามากๆเลยเพราะว่าแต่และคนที่มาหลายเชื้อชาติมากเลยครับแล้วมันก็านการก็เป็นใจที่แสวงธรรมเหมือนกคคนอันทุกคนนะยับก็บนมาเปรียบเทียบ ก, ก, กับตัวเราว่าพอคนไทยกับคนต่างชาติเขาก็มีสนใจพระธรรม ธรรมะพุทธศาสนาเหมือนกันแล้วก็มีหลากหลายระดับเหมือนกันก็ได้ได้เรียนรู้ฟังคำศัพท์ของธรรมะที่เป็นคำศัพท์เฉพาะก็ดีครับอาจารย์ได้ต่อไปแต่เวลาแล้รต้องคุยกับคนต่างชาติจะได้คุยได้ดวเนี่ยครับผมมีเพื่อนที่เป็นลูกค้าครับที่อยู่ประเทศเยอรมันเขาก็ ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติทำเหมือนกันครับในทางพุทธศาสนาเหมือนกันชอบนั่งสมาธิเหมือนกันครับแล้วก็เคยมาพบกันที่เมืองไทยก็คุยกันเขาก็าที่นั่นก็สนใจในพุทธศาสนาเหมือนกันครับเออดีครับมีคําถา ม, มอะไรไหมมีคําถามพระอาจารย์ครับคือผมทุก ว, วันนี้ก็ปฏิบัตินั่งสมาธิทุก ว, วันนะตอนกลางคืนตีสองตีสามมันก็จะสะดุ้งตื่นขึ้นมา แล้วกนัง่งทุกคืนช่วงหลังๆรู้สึกว่ามันมันเฉยๆกับความรู้สึกอย่างเช่นไปทำบุญหรือว่าตักบาตรอย่างเงี้ยครับมันมันรู้สึกเฉยๆมันไม่เหมือนมันไม่เืิ่มปิติเหมือนสมัยก่อนนะครับพมันชินแล้วมันชินแนละ้วเราต้องปรับยกระดับการปฏิบัตใิให้ไปภาวนาให้มากขึ้านาทำบุญทำทานก็ทำตามโอกาสไป มันมันเหมือนมันอยากจะมานั่งปฏิบัติธรรมที่แล้วก็พุทโธพุทโธอย่างอยากถ้าเราเราปฏิบัติธรรมที่จะไม่ต้องกังวลเรื่องทํำทําทานเราเราทําอบ้างไม่ทําบ้างก็ไม่ได้ได้ไม่ทําแบบง่ายๆก็โอเงินไปเลยมันง่ายไม่ได้ไม่มาเสียเวลากับการทํำทําทานเอาเวลามาปฏิบัติแล้วเพื่อนๆเคยได้ยินเขาคุยกันว่า เวลาคนที่ทำบุญเยอะๆออถ้าเกิดว่าชาติหน้าเกิดมาก็จะไปอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยอะไรพวกนี้การทำบุญนี่มันเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดสิ่งเหล่านั้นจริงๆหรอครับอาจารย์มันก็เป็นผลช่าเคียงแต่ผนหลักก็คือเราต้องการจะตัดการพึ่งเงินทองเป็นขอเครื่องมือให้ความสุขของเราที่พระอาจารย์เทศบอกว่าการทาบุญ ท, ทาทานก็นคือปลดความ ท่นในของเราบทความหวังทุกขาดบทความที่เราจะต้องพึ่งพาศัยมันแต่กับการความสุขจากการใช้เงินทองซึ่ความสุขจากการปฏิบัติธรรมไม่ได้ยังไงเ ร, รให้สลาดเงินทองไปแทนที่เ่องเงินทองไปเที่ยวไปซื้อของพเพลินเพลินก็ทำบุญทําทางไปแล้วเราไม่จะได้เอาเวลาไปปฏิบัติธรรมได้ จริงๆเป็นแบบนี้แต่เพื่อนๆเลยหลายๆคนหรือว่าที่เจอคือเขาเหมือนอทําบุญบริจาคเพื่ออยากให้ตัวเองได้ได้เห็นรวยมากอันนั้นก็มีส่วนอันนี้ก็ได้แต่แต่ก็มันมันไม่มีอะไรแน่นอนนะรวยได้ก็จนได้นะก็อาจจะเป็นในในชาติต่อไปถ้ายังเกิดอยู่ก็พวกพวกนี้ก็ไปส่งผลให้เขาใช่ส่งผลได้อแต่รวยมันก็จนได้ งันช่วยเอาความสุขจากการปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติแล้วมันจะท้าววอนกว่าอาจารย์คำถามสุดท้ายครับตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วเราได้ได้ความสงบได้ความอุเบกขาแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปหมายความว่ า, วาพอสมมุติว่าเรา ตายไปอนาคตหรือว่าชาติต่อๆไปมันก็จะกลับมาทันทีเลยหรือเปล่าครับมันก็ติดตัวเราไปเลยขณะที่เราตายมันถ้าเราจิตสงบมันก็สงบไปไปกับจิตไปแปลว่าถ้าแล้วถ้าอยู่ในชาติปัจจุบันถ้าเกิดว่าเราได้ความสงบมืเบกขาแล้วถ้าเกิดเราทิ้งไปสักปีหนึ่งสองปีมันจะยังอยู่กับเราไหมครับก็ดูใจ ว, ว่ามันกำมานั่งได้ปะ เร่งมันกลับขึ้นมาได้กว่ามันเสื่อมหรอป่าบางทีผมบางทีบางอาทิตย์มันก็ได้สงบในอุเบกขาอ่<ม>บางทีมันก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่องต้องทำทุกวันมันจะได้ทุกวันถ้าที้งไแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็หากไปมันก็จะเข้ายากครับออืม่ะาอนะขอบคุณครับ พระธรร a วั n ตอบคุณพัะธราาร awan อยู่ที่ไหนพัะธรร a w a ใช่ไห ม, ไ, มได้เลยสวัสดีคร่ะอัน อ, อ่ะก็คืออยู่ตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะชื่ อ, อ พ, พระธรร awan ถูกไหมธรร a w a ค่ ะ, ะก็ก็ฟังธรรมพระอาจารย์ตลอดนะคะแต่วันนี้เพิ่งเข้าซูมครั้งแรกนะค่ะ แล้วก็มาหาสองสามเรื่องะค่ะ <Okay. S 2> คือค่ะก็คือตอนนี้คือมีคุณยายอ่ะค่ะที่อ่าเขาอายุมากแล้วแล้วเขาก็กังวลที่เขาจะตายเย่างค่ะอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําว่าจะแนะนําเขายังไงให้เตรียมตัวตายอะค่ะอย่างเช่นแบบปฏิบัติอย่างไรเพราะว่าอ่าตอนนี้เขาเริ่มเพ้อแล้วก็คิดถึงอดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแนะนําเขาให้อ่า ให้ทาใจให้สงบให้เข้าสวดมนต์ให้เขาพุทโธพุทโธหยุดคิดแต่เขาเขาทําไม่ได้อะค่ะก็คือพยายามจะให้เขาทําค่ะเขาก็ยังทําไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้จะทําัไงอ๋อก็คือให้เขาทําให้ได้ใช่ไหมคะก็มันก็แล้วแต่เขาเราเป็นแต่มีหน้าที่บอกเขาได้แต่เราเป็นบังคับเขาไม่ได้ได้ค่ะเขาต้องบังคับตัวเขาเองค่ะ แล้วก็อเรื่องที่สองอะค่ะคืออก็คือฝึกสมาธิอะค่ะอ่าเรื่อยๆค่ะพยายามจะนั่งยกระดับจากหนึ่งชั่วโมงสชั่วโมงอะค่ะแต่ก็มีเบรกคือเข้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าก็เราก็ต่อเพราะว่าตั้งตั้งตั้ ง, งใจแล้วว่าจะสองชั่วโมงก็นั่งต่อให้ได้อ่ะค่ะท่าวนี้นะแต่ต่อพยายามก่อนจะนั่งก็เข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนมันจะไั่ไม่คัดทั้งหมด มันจะนั่งได้เป็นยาวไปเลยใช่ค่ะก็แต่ว่าก็คือตอนนั่งอะคะ่ะคือชอบอ่าคือจะบอกให้อาจิตมีถามใช่ไหมคะแต่ว่าแล้วก็จะถามตนเองว่าใครคือผู้รู้แล้วก็แต่พอนั่งไปสักพักนึงก็ชอบคิดถึงอดีตนะคะหุดคิดมาต้องต้องหยุดความคิดเหล่านี้อย่าตอนนั่งสมาธิไม่ให้คิดอะไรเลยให้อยู่กับลมอยู่กับผูโ้โธอย่างเดียว ให้หยุดความคิดทั้งหมดพอมีสติแล้วดึงจบมาพุทโธใช่ไหม อ, <ะ>อย่าไปคิดตามอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยากจะคิดเราออกจากสมาธิมาแล้วคิดคิดเท่ไาไหร่ก็คิดได้ค<ะ>แต่เลยทําสมาธินี้ให้หยุดคิดค่ะแต่ว่าก็ค<ะ>ือออกจากสมาธิครบกำหนดใช่ไหมคะก็อตอนนี้ก็คือเเวลาทํากิจกรรมต่างๆก็คือ รู้ก็สักแต่ว่ารู้ว่าหายอย่างเช่นจะทํากับข้าวก็คือจะไม่ได้มีอารมณ์รู้สึกทุกข์สุขเฉยใช่ค่ะหรือรูปงองแงก็ก็ใหรู้เฉย ๆ, ๆไม่นองไปแม่นองไปรำคาญอ่าใช่ค่ะคืออยากให้พระอาจารย์แนะนําการพัฒนาหรือว่าตอนนี้สติยังไม่ได้ค่ะคือก็ต้องทาสติให้มากเพราะสติเป็นตัวที่จะพัฒนาจิตใจเรา เน่ยครุฝึกสติทั้งวันเยค่ะไปอีกขั้นหนึ่งนะคะพราเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วจิตเข้าเข้าสู่ความสงมได้เต็มที่แล้วเราไปแล้วออกจากสมาธิมาเราก็ไปทางปัญญาได้พิจารณาทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราได้ค่ะอ่าค่ะแล้วเรื่องหนึ่งค คือพอพอหลังจากอ่าแนม่ฝึกสติแ ล, แล้วแล้วก็แ น, พน่พ่อาพุโธกับอชีวิตประจําวันแล้วค่ะแต่ครนนี้คือต้องต้อ ง, องทํางานเกี่ยวกับอวางแผนการขายอะทําให้รู้สึกว่าอบางครั้งมันจะต้องแบบเข้าไปอีกโลกของมนุษย์อย่างเงี้ยค่ะเลยรู้สึกสับสนนะค่ะอาจารย์ก็ต้องแยกแยกว่าช่วงไหนเราต้องอยู่ในโลกของนี้เราก็อยู่ไปช่วงไหนไม่ต้องอยู่ก็ออกมา ก็ ค, คือเราสามารถเปลี่ยนบทได้เปลี่ยนบทได้เปลี่ยนเป็นบทเลยคือเราเมื่อเราอยู่ในโลกของการทํางานก็คิดไปทางโลกเรื่องของการทํางานว่าเราเร า, เราว่างจากการงานแล้วก็มาอยู่ในโลกทํามากทีนะค่ะคื อ, ค, อคือโลกของการงานเป็นเรื่องของแบบการขายการตลาดเกี่ยวกับผู้คุณเราก็ทําไปตามตามกลยุทธ์ของการขายการมาค่ะ คือคือทําให้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเรามีสร้างกรรมขึ้นแล้วก็ผูกออมันมันจะขัดกันมันจะทําให้ต่อไปแล้วมันก็ จ, จะบอกว่าเรากอาจจ็อยากจะเริมทํา ง, งานถ้าเรา อ, อยากจะมาทำทําให้มากขึ้นแล้วก็ต้องลดการทํางานตทั้งโลกให้น้อยลงไปคือคือรู้สึกได้เลยค่ะอาจารย์เพราะว่าอยากจะทํางานที่เออเขาเรียกไงคะคือทํางานแล้ว คนอื่นได้ประโยชน์แล้วก็จะพูดตรงไปตรงมากับลูกค้าคือคือมองว่า<ม>เราทำกรรมดีอ่ะคะ่ะ<ม>คือในวงเนี้ยคะ่ะเพราะว่าแล้วก็ยาเราคนชอบโกหกกันมากกว่าชอบบังับโอกโอ๋อค่ะก็คือจะต้องเดี๋ยวจะรู้เองใช่ไหมคะพัดจาร์ว่าเราจะหยุดมาตรงไหน<อ>หรืออาจจะใช้ชีวิตยังไงดีคะพัะจาที่ ที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ทำมาได้ด้วยอ่ะก อ, อทำเท่าที่จะเป็นอย่าไปทำให้มันมากเกินไปคิดว่าเงินทอนที่เราได้จากการทำงานตายไปเขกไ ป, ไ, ปไม่ได้ทำงานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทอนกรพอเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นค่ะอ า, านะอาจารย์นะอาจานะ แล้วถ้าราปฏิบัติทำได้มากขึ้นต่อไปเราก็อยากจะปฏิบัติมากขึ้นไปต่อไปเราก็เริ่มทำงานอะไรก็ได้บวช น, นะค่ะพะอาจารย์ออโอเคนะพยายามไปพยายามต่อสู้กับดีเลจของเรานะมันฝืนมากเลยระอาจารย์แต่อราเลยไม่เป็นไรใบๆก็อย่างนี้ต่อไปก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นยิ่งทายิ่งง่ายนะได้ค่ะขอบคุณครับพะอาจารย์ คุณสุัาธิเนยคุณหมอวันนี้ไม่มีคําถามค่ะท่านอาจารย์อสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะวันนี้ได้ไปถวายหนังสื อ, อเรื่องตอบปัญหาคาใจเล่มที่หกที่วัดป่าบุริทัศน์มาด้วยเจ้าค่ะอ๋อวัดป่าที่ปทุมใช่ไหมที่อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมเนี่ยค่ ะ, ะได้กับอีกค่ะไม่ไกลมากค่ะ <Okay. S 2> อุบาจารย์ท่านเมตตามากเจ้าค่ะอค่ะแล้วก็อ่าบรรยากาศในวัดก็สงบสงัดวิเวกเหมือนวัดป่าเลยเจ้าค่ะวัดป่าหนองผูเจี๊ยบวัดป่าหนองผูเจี๊ยบใช่<ร><ร>ไม่มี<ร>คําถามนะเจ้าค่ะโอเคขึ้นเกตเกตเฟสสัจจรจากจังหวัดแพร่ ส, รพรสวัสดีครับหลวงพระอาจารย์นีนผมหรือเปล่าครับชัดเจนชัดเจน วันนี้ไม่มีคำถามครับมรณะการท่าอาจารย์ที่เคาครับ <Okay. S 2> ประทับปฏิบัติธรรมต่อไปครับเออนี่อย่าหยุดนะสาธุครับคุณวัดริตรกธรรมนร อ, อ, อให้ไปหลายทีดเด่เลยนะครับกลับมาสักการครับหลวงพ่อตอนนี้ก็เริ่มทํางานใหม่แล้วครับ mm. ก็เจอบททดสอบทันใจก็สังเกตว่าเขาก็จะแบบผมพยายามเขาพยายามบอกให้เราอยากรวยนะให้เราแบบ เช่นตอนแผนการว่าปีนี้ต้องทําเป้าเท่านี้นะเงินเท่านี้นะแล้วก็แบบเขาตัวเขาก็ยกตัวอยากเขาเองเอาบ้านหรูๆเขามาให้โชว์แล้วเขาก็ดูก็ภูมิใจมากผมเจอแบบนี้ปั๊บผมแบบแล้วเราก็เหมือนมากดดนันผมก็บอกเลยผมพยายามเอาความอยากได้อยากมีออกจากใจแล้วเขาก็แบบมาอย่างนี้ผมก็เลยแบบมันก็เหมือนแบบกดดันนิดๆในใจก็เปเหมือนข้อสอบของเราแล้วเขาเอาข้อสอบมาให้เราทำ มันเสียราจะผ่านหรือไม่ผ่านแล้นต้อบอกว่านอนได้ไหนก็ได้เป็นท่านอนกับคนต้นไม้อย่างนอนได้เ ล, ล้วต้องไปไปเป็บบี้มีบ้านมีคอนโดให้มันเสียเงินเสียเท่องไปทำไมครับใช่ไหมดพระเจ้าเลยดูพระเจ้าเป็นตัวอย่างเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราจะไป ม, มองใครเลยครับครับใช่ครับ แล้ววันนี้ตอนเลิกงานตอนเย็นมาก็เลยเปิดธรรมะของหลวงพ่อพุทธฟังนี่น้ําตาไหลพรากเลยครับเพราะว่ามันเย็นอกเย็นใจมากเลยวอกเวลาไม่มีอะไรเข้ามาในใจแต่เขาเอาอะไรรู้เข้ามาในยัดเยียดในจิตใจทําไมเขาไม่รู้สึกถึงความอึดอัดความโลภอะไรไม่รู้ฟังธรรมดีก็ฟังฟังโลกฟังโลกแล้วทําให้จิตใจหนักอกหนักใจวุ่นวายใจฟังธรรมแล้วเย็นสบาย แบบเปิดเปิดธรรมะของหลวงพ่อพุธฟังนี่ท่านก็บอกปฏิปทาของครูบาอาจารย์ท่านเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อใได้อะไรมา uh, มันมั น, ม, นมันไปด้วยกันไม่ได้เลยครับทางโลกกับทางธรรมมัน uh, มันน้ uh, าหรอกครับแต่ว่ามันเอ uh, จะไปทางไหนดีลนะ่ะมันใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ไปเร้อยๆนะสองกาบเดี๋ยวค้าฉีเนะี <c> ่ย <oughs> ก็อยากอยากหาเลีแบบ้ยงพ่อแม่ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาเลี้ยงเขาหรอกเขาเลี้ยงเรามาเขาเลี้ยงของค้เาตัวเขออาเองได้หรอกก็แบบมันก็เข้าใจหลวงพ่อแล้วบอกมันไปด้วยกันไม่ได้ถึงแม้จะไม่ใช่อาชีพปิดสินห้า <5, S 1> ไม่ใช่มิจฉาอาชีพชแต่ความโลภในการทํามันมันก็ทำให้ผมรู้สึกอึดอัดมากๆแล้วครับหลวงพ่อไปบวชซะไปบวชซะจะได้หายอึดอัด ผมผมอยากบอกเขาไปว่าอ๋อทุกวันนี้เวลากินข้าวแนละ้วบางทีถ้ากินคําไหนอร่อยผมก็ไม่อยากกินด้วยซ้ำถ้าถ้าทํางานแล้วอยากอยากโลภโดยการทํางานผมก็ไม่อยากผมอยากวัดที่แบบใจะนะแสดงว่าเราอยากจะไปทําทําแล้วไปไปบวชถ้าไปอยู่วัดยังไงก็แบบแบบมันทำให้ผมร้อนแต่พอฟังธรร ม, มะมันเย็นมันแบบอ่าแล้วเราจะไปรออะไรอ่ะ หรู้ว่าจะอยู่กองไฟไปทำไมกองไฟมันร้อนต้องห่วอยากป้องไฟไปเด้ไป อ, อ, อยู่ใต้ร่มไม้เยน็นสบายครับทุกทุกวันนี้ผมก็บรรลณุสติทุกวันว่าทุกคืนนี้หลับจะตื่นตายไปก็อาอะไรไปไม่ได้ไปไหนท่านทางานถ้าเป็นท่านตายมีเงินกองข้าวบุกเขาตายไปเอาไปได้แม่ตา บ, บาดเดียวครับต้องทำต้องทำไปทำไมครับ หัวหน้าที่ทํางานเขาพูดด้วยว่าคนไทยน่าขือสนษาพูดอย่างนี้แหละเลยไม่รวยกันเพราะเมื่คิดว่าตายไปเอาเงินไปไม่ได้รวยด้วยแต่เขาไม่เห็นความรวยของเราเรารวยทรัพย์ภายในรวยอริยทรัพย์ก็แบบความโลภนี่ล้นออกมาจากลูกตาของพวกเขาเลครับผมนี่แบบโอ้โหเป็นผมนี่แบบโอ้โหขนาดผมก็อถามว่าความรวยของเขาจับตามทุกมเทป่ะอะไอย่างนี้ดีะว่อ ความรวยของศาสนาพุทธในดับความทุกข์ได้นะครัแบบั <Okay S 2> นเยนะอาจารย์ให้ก่อนนะต อ, อบว่าคุณหลวงพ่อมาครับอเคหาคนมองคนตามงคนอยู่ที่ไหนไปได้ยังมุมซ้ายล่าง <c oughs> มีปุ่มที่มุมซ้ายล่างหนงจอครับสมรศกา์ครับอาจารย์ครับ มามามีอะไรไหมอยู่ที่ไหนอยู่ที่กําแพงเพชรครับอยากจะถามอะไรก็ครับคําถามที่หนึ่งเวลาภาวนาพุทโธะครับแล้วภาวนาในใจมันไม่ชัดเลยครับเราออกเสียงเบาๆแล้วมันจะชัดกว่าครับก็ใหม่ๆก็ออกเสียงเบาๆไปก็ได้แล้วพอจิตนั้นเริ่มเข้าชินน แ, แล้วก็ลองอยู่อยู่ด อ, อกเสียงอยู่ครับแล้วเวลาภาวนาพุทโธ ผมไม่ต้องกําหนดกับลมหายใจก็ได้ไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องเอาพุโทโอย่างเดียวแล้วก็ตอนที่มันฟุ้งจะไม่รู้ครับไปรู้ตอนที่มันเลิกฟุ้งแล้วครับสแสดงว่าเพล ต, ตอนนั้นไม่มีสติครับแล้วถ้าคืนอ่าวันคืนไหนที่นอนแล้วไม่ฝันสแสดงว่าในระหว่างวันผมมีสติใช่ไหมครับก็ไม่มีส่วนการมีสติมันก็ควบคุมหลับผิดไปพอนอนหลับจิตมันก็เลยไม่คิดไม่ฝัน อ๋อครับแล้วก็ในในชีวิตประจํวตตาวันนะครับมันเผลอบ่อยผมใช้เสียงพุทโธเปิดไปช่วยเวลาที่ได้ยินเสียงพุทธโทก็จะกลับมาได้ใช่ไหมครับก็ได้แต่ควรจะใช้เสียงข้างในดีกว่าใช้เสียงของเราเองนะครับเพราะเราอาจจะไปอยู่ในที่ที่เปิดเสียงไม่ได้นะก็ยังจะมีสติได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมก็จะไปไปลองฝึกออกเสียงไปเรื่อยๆครับออกเสียงหัท่องพุทธโทไปเรงเอา vowels. ไม่ป่บครับเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้านะจะมาบอกความคืบหน้าครับได้ลองดูนะครับขอคคบคุณครับพระอาจารย์ครับจอยพระเทียจอยในบาทเมื่อเช้านี้ใช่ไมใช่ค่ะใส่บาเทเมื่อเช้าเข้ามาเก่าเข้ามาเก่าขอไม่มีอะไรคร่ะโอเคหอยใจดีห<อ>ายดีนะส <laughs> าธูาค่ะ คุณคนทีรละพัฒนต่อที่ลพัน์การมสแกนพระอาจารย์ค่ะเอาเข้ามาฟังเสียเจ้าค่ะโอเคอคุณลีต่อซีศรีช า, า, ก, าการนันมัสักการพระอาจารย์แล้ค่ ะ, คะมีอะไรไหมไม่มีคำถามเลยค่ะมากับด้วยความเคารพตลอดเวลาแล้วค่ะคไปที่คุณสุภันติกา มันกน็อยู่ที่ไหนน้าพูดได้เลยค่ะวันนี้วันนี้หนูอยู่ที่กรุงเทพแล้วค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วกลับบ้านพัทยาไปค่ะก็วันนี้หนูจะมาขออนุญาตถามค่ะคืออารมณ์ถ้าถ้าเราจะนึกถึงอารมณ์มิปัสสนาญาณนะคะคือเราจะต้องรวมจิตให้เป็นสมาธิก่อน น, นะคะหรือว่าเคือเราให้จิตว่างแล้วเราค่อยพิจรนารณาอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่ใช่ละไม่ใช่คือถ้าเวลาทําสมาธินี่เราไม่ต้องทําทําวิปัสนาเลยไห้เราให้เราเราเริ่มทําสมาธิก่อนแล้วค่อยมาทําวิปัสนามันคนละรอบกันไม่ทำรวมกันอือค่ะแล้วเวลาทาสมาธิก็ให้มันว่างให้มันนิ่งนานๆพ อ, อจสรสมาธิมาแล้วมีการพิจารณาวิปัสนาพิจารณาร่างกายนะาได้พนะิจารณาตายรักไา้ บอกว่าเราต้องออกจากสมาธิก <world lounge wear> ่อนนะคะต่างว่าละเวลานท่งสมาธิให้มันนิ่งนานๆให้มันสงบนานๆอย่าไปคิดอย่าไปพิจารณาเลยเหมือนว่าเป็นอาหารของไปนอนเป็นรากถอนรำนอนเป็นที่รากถอนํานอนของจิตเมื่อเราทำงานเกี่ยวหลับนอนเราไม่เอามาทํำรวมกันใช่ไหมเวลาเราหลับนอนเราไม่คิดถึงงานใช่ไหมเราไม่ทํางานหลับนอนให้เต็มที่พอตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ออกไปทํางาน อันนี้ก็เหมือนกันสมาธิกับวิปสัสนาก็เหมือนกับการทักหอยกับการทํางนานทำพร้อมกันทีเดียวไม่ได้ได้ค่ะแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่าหนูเหมือนกับเราพิจารณาอย่างเช่นสั่งโยสัมปการอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็อย่างเพื่อพิจารณาอย่างเงี้ยมันมันเป็นอารมณ์ของวิปัสนาญาณหรือยังคะหรือว่าเป็นแค่เราแบบได้ฟังธรรมเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะคือแล้วแต่เร า, เร า, เราพิจารณาอยา่ถ้าเราพิจารณาว่าร่างกายเป็นดินน้ำลงไฟก็ใช่ นีก็เป็นสัมยน์สัมยโญสก็คือขาดห้าขาดห้าก็มีร่างกายกับเวทนาเนี่ยเวลาร่างกาย เ, าาเกิดจากเ่เจ็บตายนี่ก็เป็นเป็นน้ำลมไฟใช่ไหมนี่ก็พิจารณาเป็นตายลากไปเป็นอนิจจามทุกข์กังนัตตางเนี่ยเวทนาก็เหมือนกันแลพิจารณาว่ามันก็เปลี่ยนไปนนเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์นี้เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไม่เจ็บนี้เขาเรียกว่าพิจารณา เพื่อเห็นไตรลักษณ์ถึงงจะเรียกว่าเป็นวิปั ส, สนาอเป็นวิปั ส, สนาได้แล้วหลัจากเหมือนเหมือนกับว่าเราได้ปัญญาจากการฟังธรรมแล้วเราก็มาพิจารณาเอพิจารณาให้ให้เข้าใจว่าอ้อร่างกายครับนะเป็นน้ำเปลวไฟนะคือม่ทนาไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหนียวสุกเหนียวทุกข์เหนียวไม่สุกเหนียวไม่ทุกข์ห้ามมันไม่ได้อื ก็ถ่ายอยู่กับมันไปมันจะสุบก็อยู่กับมันไปมันจะทุกข์ก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวมันก็หายไปไม่ต้องไปทําอะไรมันอืมเราก็พิจารณาบ่อยๆทุกวันเท่าที่เราจะพอได้ก็คือเป็นอารมณ์มิปัจนาญเพิ่งเพื่ออะไรเพื่อเราปล่อยว่าให้เฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆอ๋อแล้วก็แล้วก็กลุ้มบังคับมันไม่ได้ไปสา่งมันไม่ได้อืม ให้อยู่กับความจริงมันเจ็บก็ให้อยู่กับความเจ็บมันไม่เจ็บก็อยู่กับความไม่เจ็บมันสุขก็อยู่กับความสุขไปแต่ให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็หมดไปอก็ถ้ามันมันคิดบ่อยบยอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาถ้าคิดบ่อยๆต่อไปมันก็จะเนิ่นจะเฉยจะไม่ไปยุ่งไม่ไปยุ่งกับขันห้าขอให้ขันห้าอยู่ตามตามธรรมชาติของมัน ก็เลยอาจจะเข้าใจค่ะแล้วก็ก็ก็แปลว่าเราอาจจะต้องฝั่งสมแบบนี้ซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่าน <Ừ. S 2> พิจารณาลดมากเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เลยพอเราไม่พิจารณาเรากลับไปคิดตงราาขงข้ามกับความจริงคิดว่านี่เป็นของเราไ้นั่นเป็นของเราขึ้นหมใช่ค่ะยังมีบ้างค่ะ ย, ยังคิดดีกันอยู่ค่ <ừ m. S 2> ะแต่พยายามค่ะค่ะ โอเคนะครอาจารย์นะอาจาร์เราสมาธิกับวิปัสสนาเป็นคนละเรื่องกันนะอย่าทำพร้อมกันนะมันก็งานมันก็ทำงานกับภาค่อนหลับเราไม่ทำพร้อมกันนะได้จะค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคคุณกิดาภาเชิญต่อกิดาภาอยู่ที่ไหนเอออยู่ที่จังหวัดเลยค่ะพระอาจารย์เรียนออนไลน์ช่วงนี้ค่ะออนไลน์น้ำเสกเหรอว่าทธรรมะ เ ร, เรียนเรียนหนังสือค่ะอยู่ปีสามแล้วค่ะเพ<น>ิ่งเรียนอะไรเศรษฐศาสตร์ค่ะพอาจารย์อยู่ที่ไหนม า, าอะไระจุฬาแต่เรียนออนไลนลไม่ท้องอไปที่มาอะไรใช่ค่ะเรียนมาสองปีกว่าแล้วค่ะอ่าแล้วตัวนี้มามาออนไลน์ธรรมะนะใช่ค่ะอาจารย์คือวันนี้หนูมีคําถามเกี่ยวกับภาวนาอยากจะถามพระอาจารย์นะคะ คือว่าเวลาที่เราภาวนาค่ะเราต้องเอาจิตไว้ที่คําบริกรรมอย่างเดียวหรือว่าเอาไว้แบบจุดใดจุดหนึ่งพร้อมกับคําภาวนาเช่นแบบหนูเคยอ่านในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าให้เอาไว้กําหนดพุทโธไว้ตรงกลางอกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหนูลองทำแล้วแบบเหมือนมันปวดหัวเหมือนแบบหัวจะแตกอะไรประมาณเนี้ค่ะเหมือนมันรู้สึกมัก็ ม, ม, มันมีหลายวิธีงไงถ้าเราดูลองเนี่ยเราสามารถดูลองที่กลางอกก็ได้หอที่ลายจมูกก็ได้ แต่ถ้าเราพูดโทนให้ไม่ต้องไปมุ่งที่กลางหรืงที่ไหนให้อยู่กับคําพูดโทไปถ้างั้นก็คือหนูก็บริกรรมแต่พูดโทไม่ต้องแบบหมดไว้ตร ง, ง, ง, ง, งไหนให้อยู่กับพูดโทไปอย่างเดียวเป้าหมายก็คือไม่เราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ในอ๋อค่ะพระาจารย์ยคะ่ะเดี๋ยวหนูจะไปลองนั่งดูค่ะ ข้นหนูนฟังเทศพราจาแล้วหนูอยากนั่งได้อัปปนาสมาธิบ้างหนูต้องนั่งวันละกี่ชั่วโมงแล้วค่ะอ๋อต้องฝึกเตะตั้งวันก่อนเดินตาขึ้นมาแล้วก็พุโทโธไปเลยอืออือหรอหรือไม่เช่นนั้นก็ให้ใจเฝ้าดูร่างกายไปตลอดวันก็ได้พอดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยถ้าไม่ใช้พุโทโธก็ใช้ร่างกายแทนได้สลับก<ช>ันได้คถชาอย่างฝึกหยุดคิดก่อนอย่าให้มันคิด และเวลานั่งสมาธิมันจะเข้า อ, อัปปนาสมาธิได้ง่ายอือล้วถ้าอย่างตอนเรียนหนังสื อ, อยังไงก็เอาติดไว้ที่แบบอยู่อยู่ที่การเรียนให้อยู่ที่การเรียนเวลาฟังก็เราฟังมีสติอยู่กับการฟังเวลาฟังแล็กเชื่อให้เรายู่อักอนน่านหนังสือว่าอยู่กับหนังสือที่เราอ่านอืออืออือแล้วถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเราควรจะแบบฝึกนั่ง วันละกี่ชั่วโมงดีแพระอาจารย์มีแนะนํำไหมคะอยู่ที่สติของเราถ้าสติมากมันก็นั่งได้นานถ้าสติน้อยก็นั่งได้น้อยอยู่ที่ก<อ>ําลังของสติค่ะหมดคําถามแล้วคะ่ะพระอาจารย์เราทํำดูนะก็เป้าหมายแรกคือสติก่อนนะสติให้มากๆเปิตามาปุก็ตื่นขึ้นมาปับก็ดูว่าร่างกายอยู่ตรงไหนอยู่ในท่าไหนลุกก็นั่งก็รู้ว่านั่ ง, นน ง, งยืนกรู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดิน ถามน้ำก็รู้ว่าน้ำแปลงไปก็รู้ว่าแปลงไปไม่เศ้าหรร่างกายไปทั้งวันงั้นแสดงว่าอย่างปกติเราชอบดูแบบดูหนังดูเล่นมือถืออะไรแบบนี้ก็ต้องแบบไม่ต้องเลิกไนอกจากดูเท่าที่จําเป็นถ้าต้องถ้าถ้าถ้าจะเป็นต้องดูก็ดูแต่ถ้าไม่จะเป็นอย่าไปดูย่มาดูร่างกายดีถ้าจะดูหนังก็มานั่งดูเราหายใจกันล้วดูที่ใบหน้าขอบพระคุณจอน ถ้าอยากจะได้อถ้าอยากจะได้ปรนสมาธินะต้องทำอย่างนี้ต้องตัดบทดเลยดูหนังฟังเพลงกินขนมนมอะไรต้องตัดให้ได้เพราะมันเป็นอุ ป, ปสตรรคต่อการเข้าสมาธิของมงนุนแล้วสี่นแปดจำเป็นไหมคะพระอาจารย์ถ้าทําได้รักษาได้ก็ยิ่งดีเพราะมันจะช่วยให้เราปฏิบัติได้มากขึ้น พระสิทธาจะห้ามให้เราฟังเพลงดูหนังไปเที่ยวที่นั่นทีน่นี่ไม่ให้เราไปงานเลี่ยงอาหารข้ามเน่างให้กินแค่เที่ยงวันพอไม่ให้นอนบนทุกบนเตียงนานานทะุกงนานานะเตียงใหญ่ๆญให้นอนกับพื้นจะได้นอนน้อยๆจะได้ปฏิบัติได้มากขึ้นค่ะอาจารย์มีคำถามหนึ่งคะ่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเรา ถือศีลแปดแล้วอดอาหารเย็นอย่างเงี้ยกําลังสมาธิเหมือนมันจะทําให้เรานั่งสมาธิดีขึ้นไหมอะค่ะแบบมั น, นทำให้ก็มันเย็นทให้เราไม่ง่วงอเวลากินอาหารเยน็นอ่ะหรือนั่งเราจะหลับค่ะถ้าไม่กินอาหารเย็นแล้วมันหิวหิวนิดหน่อยก็ใช้พุโทโธพุทโธหยุดความหิวได้แล้วจิตก็จะสงบง่ายไม่ไม่ไม่ง่วงไม่หลับ ลองทำดูตั้งใจลูกลองทํดูอาหนูไปลองทําดูค่ะอาจารย์โอเคอยู่จังหวัดไหนนั่งพี่พูดจังหวัดเลยค่ะเลยอยู่ไกลนอยู่ที่มาก <c oughs> ใช่ค่ะแล้วเมื่อไรจะกลับมาเรียนที่กรุงเทพอะปีหน้าเทอมหน้าเถ้าถ้าเขาบังคับให้กลับก็กลับค่ะแต่ถ้าเข า, าเทอมหน้าเขาไม่บังคับก็น่าจะอยู่บ้านเรียนออนไลน์ต่อค่ะอ๋อเช่าเชาเรียนออนไลน์เลยก็ <c oughs> ก็ชอบอยู่ค่ะภอาจารย์เพราะว่าแบบมันเหมือนมันไม่ต้องตื่นเช้าแล้วก็แบบประหยัดค่ารถอะค่ะไม่องไม่ต้องแต่งเงินแต่งตัวะน ะ, <c oughs> อะโอเคะดีนะพยายามนะพยายามเรียนให้จบนะเรียนิ่มหนอ่ <c oughs> อยขอบคุณาาคา่ะรอาจารย์รู้สึกจะหมดแล้วต้องออกม <c oughs> ีคนมาณาาบินณาบณาาณารบณา สัสดีครับอาจารย์อยู่กรุงเทพครับนามินทาครับมีอะไรไหมอาจารย์ครับตอนผมเข้าสมาธิแล้วเวลาที่ที่ฝนมันตกเนี่ยมันมันมีความรู้สึกรับรู้ได้เหมือนมากกว่ามากกว่าปกติครับมันมันเหมือนสติเราดีขึ้นสติเรามันควบคุมให้จิตให้ให้รับรู้สิ่ต่างๆเป็นผู้รับรู้มากกว่าเป็นผู้คิด เวลาเราคิดเราก็จะไปอมอหมุ้งอยู่กับความผิดของเราเราก็จะไม่พัรู้เรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนอกตัวเราครับแล้วตัวมิปัสนาญาณกับส ย, สยายรัตนะอะไรเนี่ยมันต่า ง, างกันใช่ไหมครับอาจารย์มิปัสนาก็คือการศึกษาให้เห็นความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ไม่มีตัวตนอันนี้เรียกว่ามิปัสนาญาณ จนอายตนะนหมายถึงตาหูจมูกนิ้งกายกคำรูปเสียงเกลิ่นรสที่มาสัมผัสกันนะถ้าการรับรู้โดยวิปัสสนาญาณเนี่ยอ๋อก็รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเช่นร่างกายเรารู้ว่ามันเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาในในวิปัสสนาญาณอ๋อครับไม่ไม่ใช่ว่าวิปัสสนาญาณมันจะรับรู้ได้มากกว่าตาหูจมูกนิ้งอ่ะ ไม่นก็ลำเรื่องไงเตาจะบอกมันก็ดูแต่รูปเสียงเกลนดนันมันไม่รู้ว่าเป็นเที่ยงหรืไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันไม่รู้อายทนะมันไม่รู้ต้องอาศัยวิปัสสนาสอนมันว่ารูปเสียงกินแล้วที่เราไปเสกนั้นีมันไม่เที่ยงเสกแล้วมันจะทำให้เราทุกข์เวลามันดับทีนี้เวลาช่วงออกจากสมาธิอาจารย์มันเหมือนกิเลสมันลุมเข้ามาต้องการ ต้องการฟังเพลงต้องการกินมัต้องใช้ใช้สติอยู่มันใช้สติพุทโธพุทโธเอาใจสมาธ่ก็ต้องปรุมจิตต่อไปไม่ใช่ปล่อยครับต้องคุบตลอดเวลาก่อนเข้าสมาธิก็ต้องต้องคุงมันอยู่ในสมาธิก็ต้องคุงมันหลังจากออกอยู่สมาธิมันก็ต้องครุมต่อขาดสติไม่ได้จิตใจถ้าปล่อยเมื่อไหร่ปั๊บกิเลสมันจะลืมไปทันทีเลย เหมือนมันจะมาแรงกว่าเดิมอีกฮะอาจารย์ใช่เพราะมันถูกอัดมันถูกอดไว้หลายวันอย่างนี้ก็เลยพอมันมันก็เลยก็แรงของความอยากมันเพิ่มขึ้นกับมันกับอหม้อน้าที่เราต้มหรือว่ามันมันร้อนแล้วมันก็จะมีแรงมากผมก็ไม่ได้ดูหนังมานานครับพอกรเผิ่มไปดูเรื่องหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันมันต่อเลยอาจารย์ต่อเลยดูทั้งคืนเลย ก็เลยเบิกท้อยหลังเบิกท้อยหลังแต่ว่าเรื่องกินเรื่องกินนะครับอาจารย์คือพอมันอยากทุกถ้าผมกินกินเยอะผมอัดเข้าไปจนจนมันเบื่อหน่ายมันก็หยุดเหมือนกันนะครับอาจารย์ใช่แตเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อยากอือต้องอย่าไปกินมันต้องเฟยมันผมคิดว่าสินแปดนี่ก็สําคัญครับอาจารย์ถ้าถ้าไม่มีสินแปดเนี่ยทุกสินห้ามันคุงไม่อยู่อะครับไม่ดีเลยไม่พอ เราอยาจะส้วงกิเลสต้องใช้สินแปดช่วยครับเพราะถ้าไม่มีกฎเกณฑ์พวกเนี้ยอพอเวลาเราออกมามันโอ้โหมันกินได้เนี่ยกินเต็มที่เลยดีเต็มที่เลยก <c oughs> ินเสร็จแล้วก็ดูเดี๋ยวหิวก็กลับมากินใหม่ครับแล้วเพลงเนี้ยพอฟังไปฟังอันหนึ่งเนี้ยมันก็ไปมันมีต่อแล้วมันมีได้เพิ่มเพราเจ้าสอบนะสามรอบไม่ได้มีขอบเขีเลย Okay, เกนะ็มีอะไรไหมก็มจะพยายามครับจะแต่ว่าไอ้เรื่องที่นอนเนี่ยเรามันไม่มีมันต้องใช้ฟูกอยู่นี่ไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ก็ <c oughs> เราฟูกออกเดี๋ยแล้วนอนกับนอนกับพื้นเตียงเนี่ยเตียงมันตั้งไม้เนื้อหาไม้มาลองมาใส่แทนฟูกเราฟูกหออกแล้วก็ซื้อไม้อัดเนื้อมาวางวางเตียงก็ได้เดี๋ยวเราเตียงยกเตียงให้คนเลยก็ไปเลยนอนกับพื้นปูเสื้อนอน ผ้องจะได้กว้า น, นเป็นไปเกตกาครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเราจะไ ป, ถ, ะไปถ้าเราจะไปทางนี่ก็อย่าไปเสียดายเตียงมายกให้คนอืไปเลยเดี๋ยวคุณแม่ว่าอ <laughs> าจารย์ก็ไม่ว่าหรอกแม่จะดีใจเลยว่าลูกเราสันโดืนดร้อนน้อยครับเนียยกให้คุณแม่ไปเลยว่าแม่อยากจะให้ใครเอาไปให้ให้ไปเลยผมไม่เอาละเตียง เนียเนยวลองนอนพื้นดูก่อนพ่อจันได้หรือเปล่าก็เกิดมาวันนี้ก็นอนมันอยู่ที่ไหนก็นอนได้แหละเวลาเวลาง่วงเวลามันเหนื่อยที่ไหนก็นอนแหละแต่มันจะมันจะไม่นอนนานเพราะมันเพอว่มัน้าวขอดพอแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาเลยแต่ถ้านานมันช่วงหนานะสบายสบายพอตื่นแล้วก็ไม่อยากจะลุกแลนอนต่อครับช่วงเช้าเช้าเนี่ยมันก็มันก็ยากเหมือนกันครับา่อจันนี้ที่เราจะ ตั้งสติขึ้นมาครับมันเหมือนไม่เคยเราไม่เคยเราไม่เคยพอติดขาาึ้นมาปั๊บต้องพูดโทรทองูโทรพูดโทรพูดโทรไปก่อนนันะเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะเม่เคยทําเพราะตอนที่เรานอนหลับไม่มีสติไงน<ๆ>อนหลับขึ้นมาก่อนจะปลุกสติกลับขึ้นมันน่าจะยากมันเหมือนกิเลมันจะหลอกเราด้วยครับอาจารย์มันมันบอกให้เอ๊ะวันนี้ไม่มีอะไรนอนต่อไปได้ใช่ครับอกิเลมไมจะหลอกให้เรา คี้เกียครับก่อนจะนอนเราก็ต้องกาหนดได้เดี๋ยวพอรู้สึกตัวก็ต้องได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิตอเรานอนกันธรรมดาที่สักห้าชั่วโมงนี่ก็พอแล้วใช่ไอละพอละสี่ห้าชั่วโมงครับมีเท่านี้ครับพาใจครับโอเคส่เสียหแล้วต้องบนเมงอเป็นภาน่เมงเไม่ถามบนเมอยากจะถามได้ครับาบนเม ไม่หรอกต้องสร็จกาประจำไปที่เฟซยล๊กได้นะสีตึ้งกว่านะเฟซบกชรยคนละมีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมด14คำถามค่ะคำถามแรกจากคุณธนิยากลาบนมัสการขอฝากคำถามค่ะถ้านั่งจนแบบว่างไม่มีร่างกายเป็นไปได้ไหมคะถ้าจิตจะเข้ามาในร่างกายไม่ได้ค่ะ มันเป็นไปไม่ได้หรจิตกับร่า ง, งกายันมันไม่ได้เข้าอยู่แล้วมันเพียงแต่เวลาว่ามันมันยุนติการศืกอสารการเช่วงต่อมันเนี่ยเพราจิตออกจากความว่ามันได้กลับมาเชื่อมต่อมร่างกายมันเนี่ยคถามต่อไปจากคุณประภารัฐน้อมกราบหลวงปูค่ค่ะขอโอกาสคะ่ะลูกนั่งสมาธิแล้วมีอาการแปลกๆขณะที่นึกถึงว่าเราต้องตาย ทุกลมหายใจตายได้ลมเข้าตายลมออกตายภาวนาไปเรื่อยๆร่างกายที่นั่งตรงอยู่มันก็เริ่มนิ่งตัวอ่อนวูบลงไปเลยบางครั้งก็ร้องไห้ออกมาเองลูกพยายามจะลุกขึ้นตั้งตัวให้ตรงแต่บางครั้งก็ทํายากคำถามคือเราต้องทําอย่างไรคะอ่อนั่งไม่ถูกเวลานั่งอย่าพิจารณา แล้วนั่งให้ดูลงไปอย่างเดียวไม่พูดทอไปอย่างเดียวคำถามต่อไปจากคุณรุ้งนั่งสมาธิพอเริ่มนิ่งตัวจะวค่อยคอยผงะไปด้านหลังเรื่อยเรื่อยแก้ไขโดยการขยับตัวนั่งใหม่ได้ไหมคะไม่น่าละปล่อยมันมันยนั่งกายจะเปไ็นงานไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับการภาวนาะอยู่กับพูดทธและอยู่กับลงไปคำถามต่อไปจากคุณวรา กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการพิจารณาอาการ32ทำอย่างไรคะเราต้องทําให้ครบทั้งหมดนั้นหรือไม่คะกราบขอบพระคุณในคําตอบเจ้าค่ะก็ก็ครบได้กนดีเพราะนี่คือส่วนประกอบของร่างกายนะศึกษาให้รู้ว่าน่างกายเราประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบ ด, ด้วยผมนะด้วยขนด้วยเล็บด้วยฟันด้วยนัำด้วยเนื้อด้วยเอ็นด้วยกระดูกด้วย ด, ด้วยตับื่องหัวใจด้วยมากด้วยน้ำใส้น้ำใส้ใหญ่น้ำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าทอให้มันครบเลยสามสิบสองอาการถ้ น, น, นเรารเราจะได้ไม่หลงไหลกับร่างกายว่ามันสวยมันงามไม่ ว, ว่ามีมีตัวมีตั ว, ม, ตวมันก็เป็นเพียงเหมือนโรงงานนั่นนร่างกาย คำถามต่อไ ป, อไปคำถามต่อไปจากคุณแม่จา๋แจาแต่น้องมีนามีคําถามอยากสอบถามพระอาจารย์ค่ะคือเวลาเจอคนที่ด่าเราไม่พอใจเราโกรธเราแล้วหนูรู้สึกเฉยเฉยไม่คิดที่จะพูดโต้อตอบหรือว่าโกรธเขาแต่หนูกลับมีความรู้สึกสงสารเขาที่พวกเขาเป็นแบบนี้ความรู้ที่สงสารเขาแบบนี้เป็นอะไรไหมคะไม่เป็นอ่ดี แสดงว่าเรามีปัญญาจิตใจรับสูงกว่าเขาเรารู้ว่าความโกรธมันไม่ดีโกรธแล้วมันก็ทําให้เขาทุกข์คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณนัทกระผมนั่งสมาธิตอนแรกสั ป, ปงบแต่พยายามประคองสติไปเรื่อยเรื่อยเมื่อสั ป, ปงบหายไปความรู้จะชัดขึ้นรู้ลมเข้าออกพร้อมกับบริกรรมละเอียดลงผมเข้าออก ลมเข้าออกนิดเดียวพอดูไปสักพักบางทีจะเกิดความสว่างมาแวบเข้ามากายจะเบาพอดูไปสักพักจะรู้ว่าตัวรู้เด่นเวทนาเหมือนอยู่คนละที่กับตัวรู้แต่พอดูสักพักเวทนาจะหนักขึ้นเหมือนจะมีตัวหนึ่งมาดึงเวทนากับตัวรู้ให้เข้ามาอยู่ด้วยกันขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์แนะนำวิธีการปฏิบัติด้วยครับ ก็ให้มีสติคอยเดินใจให้แยกออกจากร่างกายแยกออกจากเวทนาใช้พุโทโธพุโทโธแล้วดูลงหายใจเขาเดี๋ยวใจตัวรู้ก็จะแยกออกจากร่างกายออกจากเวทนามีสองคำถามจากคุณสิริแอนคําถามแรกแฟนสาวชาวต่างชาติของลูกชาย บีบให้ลูกชายต้องเลือกระหว่างพ่อแม่กับเขาลูกชายเลือกแฟนสาวโยมเสียใจอยู่วันเดียวแล้วตัดใจได้คิดว่าเป็นกุศลของเราที่จะได้ปฏิบัติธรรมโดยมีบ่วงมีภาระน้อยลงโยมคิดถูกไหมคะถูกแล้วลูกของเป็นบวงถ้าก็าไม่เอาเรอก็ดีเราจะได้ไม่ต้องไปขังวนกับเขาต่อไปเขาได้แม่คนใหมยแล้วระให้เขาไปอยู่กับแม่คนใหมายเขาก็บ้าอะ เดี๋ยวเราล้รู้ฤทิเองอะอยู่กันได้ไม่นานเดี๋ยวก็แยกกเลิกกันใหม่ใหม่ก็มันใช่ไหมกใหม่ปางมันเดี๋ยวถ้าภาัเหนือม่อก็เจอกล้าง่งไใจกระดูกเอง <laughs> คำถามที่สองที่ว่ากินอาหารอย่างไรมีประโยชน์ ออกกาลังกายอย่างไรเหมาะสมเสริมอาหารเสริมอย่างไรดีเป็นต้นราวนี้เป็นสังขารเป็นการปรุงแต่งของจิตใช่ไหมคะอ๋อมันเป็นความคิดที่คิดด้วยเหตุด้วยผลไงร่างกายเราก็ต้องเลี้ยงมันด้วยอาหารที่ถูกวสุขลักษณะร่างกายก็ต้องมีการออกกําลังกายเพื่อมันแข็งแรง น, นี้เป็นความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นปัญญาไม่เสียหายคิดได้ คำถามต่อไปจากคุณปูเป้กราบเรียนถามครับสถานที่ที่เป็นนรกหรือสวรรค์หลังความตายเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงๆหรือเป็นภาวะจิตทุกข์หรือสุขของจิตคนคนนั้นก่อนและหลังการตายครับนั่นแหละเป็นภาวะจิตทั้งขณะก่อนตายและหลังตายภาวะจิตก็ยังเหมือนเดิมถ้าจิตทุกข์มันก็ทุกข์ต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายแล้ว คำถามต่อไปจากน้องหลินหลินปัจจุบันนั่งสมาธิระยะเวลาน้อยลงค่ะแต่เปลี่ยนเป็นการทําความสะอาดบ้านนานขึ้นค่ะไม่มีอาการเหนื่อยแต่สนุกแทนเหมือนจิตสั่งให้ทําความสะอาดบ้านก่อนและออกกําลังกายที่ตามดูความเคลื่อนไหวของร่างกายหนูคิดถูกไหมคะจิตบอกตัวเราเองได้ค่ะไม่ถูกแสดงว่ า, าถูกเรียนหลองเรภาวนาน้อยลง ทํ้ทงานมากขึ้นเราต้องเปลี่ยนทํางานให้น้อยลองแล้วทำภาวนาให้มากขึ้นเพืจะไปทานทำได้คำถามต่อไปจากคุณอนุสอนขอโอกาสขอรับสภาวะที่มันเกิดในสมาธิว่างแล้วมันผุดขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรต้องทำอะไรแล้วเหตุเช่นนี้ต้องปฏิบัติเช่นไรขอรับขอความเมตตาด้วยขอรับ มันก็ดูแต่ ว, ว่ายัางมีอะไรต้องทำอะไรบ้างอย่าไปฟังมันอย่างเดียวยังถึงเวลายังต้องกินอยู่ว่าบถ้าไม่มีก็อะไรต้องทําก็ไม่ต้องกิ น, มนไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องอาบน้ำอากทางไม่ต้องทําอะไรมันต้องดูเหตุดูผลด้วยไม่ใช่ทําอย่างเดียวเดี๋ยวก็ถกเดี๋ยวดีก็ถกกิเลยหลอกคาถามต่อไปจากคุณประธานเรียนถามพระอาจารย์ครับวิธีทําใจในเวลาเกิดทุกขเวทนา กับสังขารที่เริ่มสูมโสมจากร่างกายที่เริ่มเจ็บป่วยเราควรเริ่มจากการภาวนาพุทโธหรือควรปรับจิตใจให้รับกับการเสื่อมของร่างกายก่อนครับแล้วก็ต้องใช้พุทโธเนี่ยเพื่อปรับจิตใจให้รับกับความเสื่อมของร่างกายโดยใช้พุทโธทําจิตให้นวมเป็นสมาธิน่าจะมีอุเบกขาพอมีอุเบกขาแล้วจิตมันก็จะปรับรับกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ คำถามต่อไปจากคุณสุพันถ้าเราใกล้าตายตั้งจิตอธิษฐานชาติหน้าขออย่าได้มีอุปสรรคใดๆในการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวจะได้ดังใจหวังหรือไม่คะออไม่ได้จ้ะสิ่งที่เราหวังมันไม่ใช่ เ, เป็นความจริงความจริงมันไม่มีอะไรแน่นอนมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วกันแล้วถ้าจะขอให้ไม่มีพันธะใดๆกับใคร คือจะเป็นนักบวชได้ไหมคะขอไม่ได้เราต้องทำถ้าไม่อยากมีพันธะใครอยากจะบวชก็ไปบวชนีขอไม่ได้ขอแล้วไม่บวชมันก็ไม่ได้เนี่มันไม่ได้อยู่ที่การขอมันอยู่ที่การกระทำาเราคำถามต่อไปจากคุณเยี่ยหัวเรียนพระ อ, อาจารย์ขอรับเราสามารถนั่งสมาธิโดยใช้ขาซ้ายทับขาขวาได้ไหมครับ แล้วถ้าทำสลับกันได้ไหมครับเช่นวันจันทร์ใช้ซ้ายทับขวาวันอังคารใช้ขวาทับซ้ายครับก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลว่าเมกาอนจะปนไปจะต้องสลั บ, ลบกันหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เอาเอ า, อ า, อาท่าไหนท่าหนึ่งนี่แหละให้มันมันจะได้มไม่แต่จะจะเปลี่ยนก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะั่นแหละแล้วแต่เราเท่านันก็สําคัญอยู่ที่ว่าเวลาเปลี่ยนสลับนะอันท่าไหนดีกว่ากันดีกว่าให้ดูตรงนั้นดีกว่า ท่าซ้ายดีกว่าท่าขวาก็ใช้ท่าซ้ายมันจะหลบถ้าขวาดีกว่าซ้ายก็ใช้ขวามันจะหลถ้าดีทั้งสองท่าก็อยากจะเอาซ้ายบ้างขวามาก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรมีสามคำถามเพิ่งเข้ามาใหม่เจ้าค่ะมีสองคำถามจากคุณ r a บบิ t อูค่ะคำถามที่หนึ่งขายลอตเตอรี่จะบากไหมคะไม่บากเป็นอาชีพค้าขายมันขาย สับพลวดขายมช่อโหว่มันเป็นการค้าขายอย่างคำถามที่สองซื้อลอตเตอรี่บาปไหมคะไม่บาปถ้าเราถ้าเราซื้อแบบเป็นการลงทุนนะอย่าไปซื้อแบบเป็นการเสี่ยงเป็นการเล่นการพนันนะอัน จ, จะซื้อว่าซื้อล้าอาจจะถูกก็จดไม่เสกเวลาซื้อลอตเตอรี่จ่ายไปเท่าไหร่แล้วเวลาเราถูกเราได้กลับมาเท่าไหร่ะ ถ้าสิ้นปีหลบล้มแล้วขาดทุ น, นก็อยา่าไปเล่นนะนี่ถือว่าเป็นแเป็นการทําธุรกิจอย่างหนึ่งก็ได้ซื้อของมาแล้วก็ขายไปนซื้อลอตเตอรี่มาแล้วเวลาได้รางวัลก็เหมือนก็ขายเอาลอตเตอรี่ไปขายเอาเองินขึ้นก็ขึ้นเงินนั่นเองแต่ถ้าทำแล้วปีส้นปีคิดบัญชีแล้วขาดทุนก็เราทนอาชีพนี้สแสดงว่าไม่ดีถ้าเล่นแบบนี้ก็ไม่บาปถือว่าเป็นอาชีพอย่างเป็นธุรกิจอย่าง คำถามต่อไปจากคุณเพนประภาน้อมกราบหลวงปู่ค่ะขอโอกาสค่ะเราภาวนาพุโทโธจนหลับไปเป็นการเจริญภาวนาแบบใดเจ้าคะคือถ้าไม่ภาวนาพุโทโธจะนอนไม่หลับเลยหัวถึงหมอนจะขึ้นม า, เ อ, าเองเลยเจ้าค่ะก็เป็นเป็นญา น, นอนหลับนั่นเองพุโทโธก็เป็นยานอนหลับได้ แล้วจิตจะภาวนาเองเจ้าค่ะแบบนี้เราต้องพัฒนาไปอย่างไรเจ้าค่ะเราต้องไม่หลับอนะน่ารพัฒนานะต้องต้องทำในท่านั่งเนี่ยไปทาในท่านมีคำถามเพิ่งเข้ามาใหม่อีกเจ้าค่ะจากโยมประตายค่ะเมื่อนั่งสมาธิไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบ เช่นกลิ่นเสียงหรือเห็นอะไรแปลกๆเช่นเห็นเทวดาอาจเป็นจริงหรือจิตคิดไปเองก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นให้สนใจแต่พุทโธอย่างเดียวเข้าใจถูกต้องไหมเจ้าคะได้ถูกต้องถ้าเรา ท, าราทจิตให้ต้องการให้จิตสงบก็กต้องไม่ไปสนใจอะไรคําคำถามต่อไปจากคุณแพท็ติกราบรียนถามพระอาจารย์จิตเกิดจากอะไรครับ น้อจิตไม่มีเกิดไม่มีดับธนะาตุทั้งหกนี้ไม่มีเกิดไม่มีดับมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมนาะเกิดสัตว์การกมนุษย์เกิดต้นไม้เกิดโลกเกิดภาที่เกิดต้องมีมีมีธาตุทั้งหกไหมคำถามสุดท้ายจากคุณชัดสามีภรรยาและลูก ผมพิจารณาว่าธาตุทั้งสี่มาสัญญาจดจําซึ่งกันและกันผมพิจารณาถูกไหมครับคือจิตเราไปพิจารณาว่าธาตุทั้งสี่นี้เป็นคนนั้นเป็นคนนี้นะครับทีมันเป็นเพียงธาตุเท่านั้นเองคำถามหมดแล้วเจ้ค่ะโอเคแต่ยังมีเวลาเลกน้อยมีใครอยากจะถามคํ า, าถามเพิ่มเติมไม่ก็ยกมือขึ้นะคุณเอ็นเคแหละเอ็นเคนยกมือ อยู่ญี่ปุ่นยังไม่เอ็นเคคุณเกี้ยวค่ะพระอาจารย์นามัสการค่ะอ่าว่ามาม่อะไรค่ะเอ่อช่วง ส, สังเกตว่าทุกๆเดือนนะคะจะมีช่วงที่เป็นประจําเดือนนะคะอารมณ์มันก็จะสวิงแล้วแม้ว่าจะพยายามควบคุมสติแต่สติมันก็จะมีบ้างไม่มีบ้างอยู่ตลอดเวลาเวลาเข้าสมาธิก็จะทําได้เพียงสั้นๆอันเนี้ยถือว่าเป็นธรรมชาติ หรือเปล่าคะหรือว่าเราควรจะควบคุมมันได้คะเพราะมันเป็นธรรมชาติของร่างกายแล้วก็ส่วนจิตนี่แสดงว่าสติเรายังไม่ค่อยมีกำลังถ้าฝึกสติมากขึ้นต่อไปเราก็จะกลุ่มมันได้มันจะไม่สนใจกับอาการแปลกพลของร่างกายถ้ามีสติมากขึ้นจิตจะนิ่งได้ไม่ไม่วุ่นวายกับการแปลกพลต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นโรกภายแค่เจ็บหรืออะไรก็ตาม จิตจะสามารถอยู่เฉยๆไม่ไม่เดือดร้อนได้ถ้ามีสติที่ที่แข็งแกรงที่เข้มแข็งมันเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ได้ถ้าเต้องฝึกสติแล้วควบคุมจิตนนะียแต่อาการของร่างกายเราควบคุมไม่ได้นะอาจารย์หมายถึงเอเวลาฮอร์โมนแมนซวิงอย่างนี้ถ้าเรามีอารมณ์ที่ความอดทนต่ำแต่ถ้าเรามีสติแล้วจะมีความอดทนสูงเราจะเฉยๆได้อ แต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะวุ่นวายไปกับการแปรปรวนของอารมณ์ของขอ ง, ของฮอร์โมนค่ะแต่เร า, าไปควบคุมเราไปควบคุมการเปลี่ยนแปลงของของฮอร์โมนของร่างกายไม่ได้เราควบคุมได้เพียงแต่ทางจิตให้จิตเราเน่งก็ไม่เน้นไดมซึ่งซึ่งแม้ว่าฮอร์โมนมันจะสวิงอย่างนี้เวลาเราเข้าสมาธิมันก็จะสามารถ ไม่ใช่หรือว่าไม่เข้าสมาธิถ้าไม่สติก็ไม่เดือดร้อนกับการสูงของห้องอืค่ะอีกคําถามหนึ่งนะคะสงสัยมาตลอดว่าการวางอ่าเป็ดวางใจเป็นการหรือว่าอุเบกขากับความขี้เกียจมันมันคล้ายหรือต่างกันไหมคะเช่นกันกันอุเบกขานี่ยังไม่ขี้เกียจขยันแต่จะทํำสิ่งที่จําเป็นจะต้องทํำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะไม่ทํา ความข<ช>ี้เกียจนี่ความขี่เกียจนี่จ ะ, <ช> จ, ะจะไม่ทําในสิ่งที่ตนเองไม่อยากทําแต่จะทําในสิ่งที่ตนเองอยากทำํำขี้เกียกล้างชามแล้วชอบอยากขยันกินอย่างงี้ใช่ไหมย อ, อย่างนี้เรียกว่าขี้เกียร์แต่ถ้าปเป็นโอเบคานี่ถ้าถึงเวลาต้องกินก็กินถึงเวลาต้องล้างชามก็ล้ า, างชามแต่ถ้าอย่างในการทํางานนะคะพระอาจารย์อย่างสมมุติว่ามันมีโปรเจกต์ที่ เขาเขา brainstorm กันอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาให้เสนอโปรเจกต์เรารู้แล้วแหละว่าเอ้ยเราก็มีมีมีความคิดว่าถ้าทําโปรเจกต์นี้เข้าไปปัญหามันก็น่าจะแก้ได้นะแต่ถ้าเราเสนอความคิดเข้าไปเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเพิ่มเพิ่มงานซึ่งเราเราเราไม่อยากจะก็ใช่เหุผลใช่ผลด้วยว่าจําเป็นจะต้องเสนอหรืไม่เสนาถ้ามันไม่ยอยู่ขอบเขตของการทํางานของเราก็ไม่จำเปเสนอคือไม่ใช่ความขี้เกียจของเราใช่ไหมคะไม่ใช่เราทำด้วยเหตุด้วยผลเนี่ย ถ้า ต, ตอนทำไปได้ด้วยความอยากมันก็จะไม่มีขอบเขตพยายามนั่งคิดนะคะว่าเอเรื่องนี้ไม่เข้าไปยุ่งดีกว่าขี้เกียจขี้เกียจเข้าไปวุ่นวายไม่เป็นไรนี้ไม่ถือว่าขี้เกียจคือคิดด้วยเหตุผลแต่ถ้าว<แ>่าไม่อยากทํางานงาาานี่เลยไม่ถึงมม้ควรจะทําก็ไม่ทํำนี่เรียกว่าขี้เกียจอือเราจะใช้อารมณ์ตัดสินไม่ใช่เหตุผลตัดสิน เพราะก็พยายามคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ทําหรือว่าระวังใจเป็นการอันนี้คือเราขี้เกียจอยู่หรือเปล่าอย่างนี้ไม่หรอกไม่หรอกถ้ามีเหตุดีกว่าที่ไม่ขี้เกียจค่ะแต่ถ้าเป็นอารมณ์ไม่ชอบงานนี้เลยไม่ทําดีกว่าอถ้าเรียกว่าเป็นความขี้เกียจอืมหรือถ้าไม่ชอบงานนี้แต่ต้องแต่ถ้าถ้ามีความจําเป็นต้องทำก็ักนี้ก็เลยว่าเรียว่าไม่ไม่ไม่เป็นขี้เกียจ มัเป็นเป็นผลค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์โอเคอ่า okay. นะมีใครอีกไหมยกรอยด์เพคนล้วเลยนะ่มามาีคําถามอีกสามคำถามเจ้าคะ่ะคําถามแรกจากคุณรุง้งวิปัสสนาญาณกับวิปัสสนากรรมฐานต่างกันอย่างไรคะคือวิปัสสนากรรมฐานคืออารมณ์ที่ทําให้เราเกิดวิปัสสนาญาณ เป็นราพิจารณาร่างกายการสารูปสองเรียกว่าเป็นวิปัสนาธรรมาทานเราพิจารณาไปจะก็น่าเห็นว่าเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาก็เป็นวิปัสนายาติขึ้นมาปล่อยวางร่างกายได้คำถามต่อไปจากคุณทรงสมรขอโอกาสถามเจ้าค่ะนั่งสมาธิถ้าไม่ตั้งนาฬิกาจะทําอย่างไรให้นั่งสมาธิได้นานคะก็ตั้งเสตย์ไม่ต้องนาฬิกา นาฬนินการมันไม่ได้ช่วยทําให้เรานั่งสมาธิได้เลยในเวลานั่งสมาพุทธเจ้าไม่มีนาฬิกาถ้ามีแต่ตั้งสติกันนะเป็นบรรลุเป็นผ้าหลานกันคำถามสุดท้ายเรามีอีกคําถามเจ้าคะคําถามสุดท้ายจากคุณเสาวนีการยอมรับในทุกข์ที่บีบคั้นสุดๆมันคือการปล่อยวางใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่แล้ว การป ล, าปล่อยวางเราปล่อยวางจิตปล่อยวางความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเช่นอยากจะได้แฟนกลับคืนมานแล้วก็พยายามดิ้นรนดึงหาวิธีการต่างๆเพื่อให้แฟนกลับมาเรายิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ใหญ่ถ้าเราหองไม่เอาละไม่อยากให้เขากลับมาปั๊บเดี๋ยวมันก็หายทุกปล่อยวางความอยากอย่าไปปล่อยวางภาพทุกข์ความทุกข์ปล่อยวางไม่ได้ต้องมาปล่อยวางต้นเหตุของความทุกข์ ห ย, หยุดตนน้นเหตุของความทุกขนั่นเองดแล้วพระอาจารย์คะมีเพิ่งเข้ามาอีกสองคำถามเจ้าค่ะ อ, คอย่างไหเวลานิดหน่อยอคำถามจากคุณสอนดวงพรเดชกราบเป็นถามพระอาจารย์ว่าคนที่ร่วมกันทำร้ายจิตใจของเราทำทุกอย่างเพื่อให้เราทุกข์จนใจแน่น ทุกมากเลยพระอาจารย์ควรทําอย่างไรดีพระอาจารย์เขาเป็นเจ้าการรมนายเวรเราห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องหัดทําใจทําใจปล่อยให้เขาทาให้เต็มที่ทําใจไม่ดูเบ็ดขาทำใจเฉยๆทําใจให้เน่งแล้วร่าใจเราก็จะไมท่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที้ก็ทํำแบบแบบคำถามต่อไปจากคุณทัญรัตน์สาธุคะ่ะ บางทีคิดถึงเรื่องเก่าๆตอนที่พ่อแม่แข็งแรงตอนนี้พ่อนอนติดเตียงกำลังผ่าทำใจไม่ค่อยได้กังวลจากนั่งสมาธิได้นานมากก็นั่งได้แค่สิบนาทีต้องแก้ไขอย่างไรบ้างคะก็ต้องพยายามจลาสติให้บ้างอย่าคิดปล่อยใบกพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลา คำถามต่อไปจากคุณเสือร้ายกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับถ้าเราถือศีลแปดใส่นาฬิกาสร้อยคอได้ไหมครับความจริงก็ถ้ามันไม่ได้เป็นเครื่องประดับก็ใส่ได้เพราะนาฬิกาอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องรูเวลาก็ใส่ได้แต่ถ้าเป็นเครื่องประดับเขาก็ไม่เขาก็เขาก็ๆๆๆๆๆไม่ได้ยอมให้ใส่ หมดแล้วคิดว่าเวลาน็หมดพอดีนะจะเอาไว้เอาคท้าหน้าค่อวาดใหม่ๆเานีก็เกือบจะห้าทุ่มแล้ก็ ข, ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเท้